สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาล น, นี้เป็นห่วงแห่งความลี้ลับมีเรื่องแปลกๆที่ชาวบ้านเขาเล่าสู่กันฟังไม่รู้จะ จ, จบจากสิน้นไม่ว่าวิทยาการสมัยใหม่จะก้าวหน้ารุดหน้าไปมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ความลึกลับอาถรรพ์ปรากฏการแปลกประหลาดนี้ก็เกิดขึ้นไม่ขาดสายเช่นเดียวกัน สิ่งลี้ลับดำมืดที่ยากต่อการพิสูจน์เหล่านี้ยังคงตีคู่กันมาเสมอไม่ยอมห่างซึ่งก็มักจะมีข่าวให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆอีกทั้งความเชื่อนั้นแต่ละถิน่นแต่ละภาคแต่ละเมืองแต่ละมุมโลกต่างก็มีความเชื่อไม่เหมือนกันนับเป็นเวลาอันช้านานมาแล้วท่านผู้ฟังที่คนชาวอีสานส่วนหนึ่งยังมีความเชื่อสืบต่อๆกันมาในลางบอกเหตุ มันเกิดขึ้นแบบชนิดผิดปกติธรรมดาที่เรียกกันว่าอาเพศครับอย่างเช่นจูๆเกิดมีสัตว์ป่าวิ่งผาเข้าไปกลางหมู่บ้านเช่นอีเก้งหรือว่ากวางนี่จะถือกันว่าเป็นลางร้ายบอกความหายานณะที่จะเข้ามาครอบงําหมู่บ้านอันนี้เขาถือกันมานานแล้วแล้วเสร็จแล้วที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อคราวที่น้ําป่าถลมนะ่มเน่ะก็มีเหตุการณ์แบบเนี้จริงๆนะครับ มีกวางวิ่งผาเข้ามากลางหมู่บ้านโดยไม่รู้หนเหนือหนใต้เขาบอกว่าถ้าจะเป็นเก้งกวางเนื้อห่านเนี่ยเขาจะถือเป็นกรณีพิเศษเลยทีเดียวต้องร่วมกันประกอบพิธีเส้นไหว้บวงสวงนิมนต์พระมาสวดมาฉันเลี้ยงพระสวดมนต์กันเป็นการใหญ่เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ขับไล่อาถจนร้ายให้หายไปหรือว่าบ้านหลังไหนเกิดมีงูสิงเลื้อยเข้าบ้านแล้วก็ ทีนี้ต้องระวังกันหนักเลยต้องมีการบายสีสู่ขวัญเลี้ยงพระสวดมนต์ขับไล่สิ่งอัปมงคลทำวิธีแก้อาถรรพ์เขาถือว่าจะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมให้เบาบางหรือว่ามาลายหายไปได้หากว่าทำเฉยเมยทำไม่รู้ไม่ชี้ละเลยแล้วล้วก็บ้านหลังนั้นมักจะประสบเหตุเดือดร้อนอยู่เนืองเนืองอันนี้เป็นความเชื่อที่ยังฝังใจออกมากมากทีเดียว และในความเชื่อที่ว่าเมื่อปรากฏเสียงนกแสกร้องขึ้นปุ๊บปั๊บท่ามกลางความมืดมิดของราตรีการ น, นั้นมันไม่ใช่เสียงนกร้องอย่างปกติธรรมดาแต่มันเป็นนกผีครับนกผีเป็นผู้แห่งความตายที่ถูกส่งมาจากยมโลกเพื่อจะฉุดค่าวิญญาณให้ถึงการดับขันโดยพากันเชื่ออย่างจริงจังว่าเมื่อใดก็ตามที่นกแสกส่งเสียงกรีดยาวแกร๊แกแว๊กแหลมแก้วหู ่าบาดแก้วหูโฉบผ่านหลังคาบ้านนั่นเป็นลางร้ายหรือว่าสัญญาณบอกเหตุนั่นคือลางร้ายที่บ่งบอกว่าครอบครัวนั้นหรือว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นต้องประสบเคราะห์กรรมอันเลวร้ายอาจจะต้องถึงกับสังเวยกันด้วยชีวิตเลยทีเดียวแล้วก็ลางร้ายที่ปรากฏขึ้นอ่าในเวลากลางวันก็มีลางบอกเหตุเหมือนกันก็คืออีแรง้ง ธรรมชาติของแร้งมันจะบินอยู่บนฟ้าสูงลิี่วเทียมเมฆมีสายตาแหลมคมมองเห็นไกลว่ากันว่ามันสามารถใช้สา ย, สายตาในสอรสายหาเหยื่อนี่ได้ไกลเป็นกิโลกิโลเลยทีเดียวอาหารของมันก็คือซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยปกติธรรมดาแล้วก็จะถือว่าอีแร้งเป็นสัตว์ถือศีลไม่นิยมเบียดเบียนสัตว์อื่นพอๆกับที่เชื่อว่ามันเป็นสัตว์อุบาทที่เอาเข้าบ้านไม่ได้เด็ดขาด แล้วก็จะเป็นอัปมงคลอย่างแรงหากว่าอีแรักเกิดไปบินวนไปวนมาอยู่เหนื อ, อบ้านใครที่พักอศาศัยของใครก็คือหลังไม่ดีบอกถึงความเดือดร้อนหายานะที่กําลังจะคืบคลานเข้าสู่บ้านหลังนั้นเชื่อกันต่อๆมาว่าอีแรักมันมียานพิเศษเฉพาะตัวสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าอีกไม่นานบริเวณที่มันโฉบไปวนมาเนะี่ยจะมีการตายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเรื่องทํานองนี้ขึ้นก็ต้องทําวิธีปัดรังควานซะโดยเร็ว หากละเลยจะเกิดความเดือดร้อนว่าอย่างนั้นนี่คือความเชื่ อ, ช, อชาวอีสานบางกลุ่มยังคงมีอยู่มันเป็นเรื่องของสัตว์ที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของคนแล้วก็เรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทางภาคอีสานนั่นเพื่อเป็นการช่วยยืนยันว่าพื้นแผ่นดินอันกว้างขวางนี้ยังมีสิ่งลึกลับชวนพิศว ง, งงงวยอยู่อีกเยอะแยะ ที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นนะอีกเยอะทีเดียวพ่อเท่าคำตาแม่เท่าจันเป็นชาวบ้านบ้านด่านอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีอาชีพทำไร่ทำนาฐานะก็พอปานกลางสองตายายก็มีลูกสาวอยู่คนเดียวชื่อเจียมซึ่งแกรักแล้วก็ห่วงอย่างกรแก้วตาเรียนหนังสือจบป .4 พ่อแม่ก็ไม่ให้เรียนต่อให้ออกมาทางานบ้านช่วยพ่อแม่ บ้านของแกก็ปลูกอยู่ทางท้ายๆหมู่บ้านลาดลงไปทางใต้คือลำห้วยเขาเรียกห้วยกาสะเป็นลำห้วยย่อมๆที่ทอดตัวคดเคี้ยวไหลผ่านให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้น้ำกินกันตลอดปีสามชีวิตนี้อยู่ด้วยกันมาอย่างมีความสุขตามอัตภาพตอนเช้าปกติเราสองตายายก็ต้องออกไปไรนาะเป็นกิจวัตรพอเย็นๆหน่อยก็ค่อยกลับปล่อยทางบ้านให้เป็นหน้าที่ลูกสาวเป็นคนดูแล ทั้งนี้ก็เพราะเกียมเป็นลูกสาวคนเดียวเป็นที่รักและห่วงแหนน้องพ่อมากแกีไม่ยอมให้ออกไปทํางานตากแดดตากลมทําไร้ไถนาร่วงออกพ่อแม่ให้อยู่เฝ้าบ้านทํางานบ้านเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทุกวันหลังจากเสร็จจากการปัดกวาดดูแลความเรียบร้อยในบ้านแล้วเกียมก็จะหันมาง่วนอยู่กับการทอผ้ากลางกี่กระตุกลงใต้ถุนบ้านนั่นแหละเธอจะสนุกกับงานจนกระทั่งเย็นเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยมา ซึ่งครอบครัวนี้ก็นำรงชีวิตกันมาด้วยความเป็นปกติสุขไม่มีเขาว่าจะเกิดเหตุวิปริตขึ้นกับครอบครัวน้อยๆนี้เลยแต่ว่าในที่สุดมันก็เกิดจนได้วันหนึ่งสองตายหายกลับมาจากไร่ตอนเย็นหลังจากนั่งพักผ่อนอยู่สักครู่พ่อก็รู้สึกเอะใจในท่าทีที่ผิดปกติของลูกสาวว่ารู้สึกมันแปลกตาพิกลเพราะปกติเจียมเป็นเด็กสาวร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอ ถึงเธอจะไม่ค่อยพูดแต่ว่าใบหน้าก็มักจะยิ้มแย้มไม่มีบึ้งตึงแต่วันนี้เียมหน้าซีดหน้าตาแปลกๆชอบคนดูมันจะหวาดกลัวอะไรสักอย่างอยู่ในใจผู้เป็นพ่อก็มองกิริยาท่าทางลูกสาวด้วยความไม่สบายใจอีเกมเองเป็นอะไรอะฮะเองไม่สบายหรื อ, อยังไงหน้าเองซีดยังกะไก่ต้มนะมด่าวหรอกพ่อฉันสบายดีอะ เธอตอบพ่อเสร็จแล้วก็ชำเลืองหางตาไปทางบันไดบ้านเออไม่มีอะไรก็แล้วไปค่ะก็ถามไปอย่างนั้นเองเผื่อไม่สบายก็หาอยู่หายากินซะผู้เป็นพ่อว่าไป ท, ทั้งทั้งที่ก็ยังไม่ชอบใจในคําตอบนะักแต่ว่าเก็บความสงสัยนะั้นมาในใจจนกระทั่งได้เวลานั่งล้อมวงกินข้าวเย็นพ่อเท่าก็ทนเก็บความสงสัยไว้ไม่ได้เพราะสังเกตดูท่าทีแล้วเยมมันดูมันจะหวาดกลัวอะไรอยู่ มักจะชำเลืองไปดูบันไดบ่อยๆเพราะเท่าก็ถามอีกครั้งอีเจียมข้าถามจริงๆนะเองเป็นอะไรไปมันมีอะไรฮะไหนลองบอกพ่อสิเงียบไม่มีคําตอบจากลูกสาวลูกสาวก้มหน้ามองข้าวในจานปิดปากเงียบพ่อก็ชักฉุนขึ้นมาตังหิตตังหิดเองกลัวอะไรกันนักหนาอีเจียมที่บันไดนะ่ะมันมีอะไรเองถึงต้องมองแล้วมองอีกฮะ หรือว่ามันมีตัวอะไรพิลึกกึกงกืออยู่ใต้บันไดมันจะขึ้นมาคาบคอเองงั้นเหรอที่นี้แม่พอเห็นลูกสาวไม่ยอมพูดแม่ก็พูดมั่งเองก็แปลกไม่เจียมบทจะขี้เกียจขึ้นมาแล้วก็ไม่เลือกเวล่ำเวลาตะกี้ี่ช้อนตกลงใต้ถุนแม่ใช้เรีบลงไปเอาแป๊บเดียวยังรีรีรอรอไม่ยอมลงไปเอาหรือว่าเกิดมีอะไรน่ากลัวโผล่ขึ้นมาตอนนี้ล่ะบอกแม่มาสิว่ามันมีอะไร จะว่าไปแล้วบ้านหลังนี้เองก็อยู่มาตั้งแต่เล็กจนโตเป็นสาวข้าก็ไม่เห็นจะมีอะไรหลังจากที่ถูกรุมว่ารุมถามจากพ่อแม่อยู่นานในที่สุดเจียมจิตก็ยอมเล่าถึงเหตุการณ์ประหลาดอันแสนพิลึกพิลั่นที่สร้างความหวาดวันฝันผวาให้กับเธอว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อตอนบ่ายวันนี้เองหลังจากที่เธอเสร็จธุระจากงานบ้านปัดขวาดเช็ดถูเรียบร้อยเช่นเคยปฏิบัติมา จากนั้นเธอก็มานั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านเหมือนกับเช่นทุกวันเธอนั่งนิ่งทํางานของเธอไปเรื่อยๆ อ, อย่างสบายอารมณ์ไม่ได้สนใจกับสิ่งรอบตัวเพลินกับงานจนกระทั่งลืมเวลาเสร็จแล้วก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอยู่ๆก็มีปูตัวหนึ่งมันเดินมาจากไหนก็ไม่รู้ตัวเธอเองก็ไม่ได้สังเกตมารู้สึกตัวก็ต่อเมื่อรู้สึกมันมีอะไรมาดึงชายผ้าสิ้นของเธอแรกๆเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรนะัก ต่อเมื่อถูกดึงแล้วก็กระตุกทีๆเข้าเธอก็ก้มลงไปดูเสร็จแล้วก็ขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจเพราะมันคือกระปูอ่าทางอีสานเขาเรียกกะปูถ้าคนภาคกลางนี่ก็เรียกปูธรรมดานี่แหละกะปูที่เยี่ยมเห็นนี่ตัวมันไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรก็เป็นกระปูธรรมดาที่มีอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเราเนี่เองแต่มันแสนประหลาดก็ตรงที่ เจ้าปูตัวนี้กําลังใช้กล้ามขีบชายผ้านุ่งของเธอแน่นแล้วก็กําลังออกแรงดึงอยู่ยักแย่ยักยันด้วยความฉงบแล้วก็ตกใจเธอก็สะบัดชายผ้าถุงเต็มแรงแต่มันก็ไม่ยั ก, กหลุดในที่สุดเธอต้องใช้มือกระชากถึงได้ยอมหลุดออกมาได้เธอก็กว้างมันทิ้งไปโดยไม่ได้สนใจว่ามันจะหล่นตรงไหนก็ช่างมันแล้วก็หันมาง่วนอยู่กับกี่กระตุกทอผ้าของเธอต่อไปลืมเรื่องเจ้ากระปูตัวนี้ซะสนิทเลย จกนกระทั่งเวลาผ่านไปพักใหญ่กำลังทอผ้าอยู่เพลินๆรู้สึกมีอะไรมาดึงชายพระสิ้นนี่เธอก็รีบก้มลงไปดูที่นี้ตัวชาเลยเพราะความแปลกใจและตกใจไอ้กัะปูน้อยตัวนั้นเธอจำได้อย่างแม่นยำแต่มันตัวโตขึ้นตัวโตขึ้นเกือบสองเท่ามันกำลังใช้ก้ามคีบผ้าถุงดึงและะ้วก็ตกอยู่อย่างนั้นด้วยท่าทางขมักขมแม่นตั้งอ ก, ต, งอกตั้งใจ ลักษณะท่าทีเหมือนว่าจะชักชวนในเธอติดตามมันไปที่ไหนสักแห่งเยียมรู้สึกกลัวจนแทบทําอะไรไม่ถูกขนลุกหนาวเยือกไปทั้งตัวก็นั่งนิ่งใจสั่นอยู่นานจนรู้สึกว่างเหงื่อออกชุ่มมือก็ตัดสินใจก้มลงดึงมันออกจากชายผนุ่งอีกครั้งก่อนที่จะกว้างมันไปสุดแรงจากนั้นถึงก็รีบวิ่งขึ้นมปอยู่บนบ้านเพราะความกลัวเธอไม่ยอมลงจากบ้านอีกเลยจนกระทั่งพ่อแม่กลับมาจากไร่ในตอนเย็นเสร็จแล้วเยียมก็บอกกับ พ่อบอกว่าพ่อพรุ่งนี้ฉันไม่ยอมอยู่บ้านหรอกนะพ่อยังไงยังไงฉันก็ขอไปด้วยคนนะ่ะฉันไม่กล้าอยู่หรอกกลัวไอ้กระปูผีตัวนั้นมันจะมาหาฉันอีกพ่อฟังคําพูดลูกสาวในเะชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเอ็งไปไม่ได้หรอกพรุ่งนี้ข้ากับแม่เอ็งออกไปไร่แล้วจะเลยเข้าดงไปเอาน้ามันยางไปมาลาบากเอ็งเฝ้าบ้านนะ่ะดีแล้วฉันจะอยู่ได้ยังไงพ่อข้าฉันกลัววะ กระปูผีบ้าผีบออะไรของเองวะอีเจียมเกิดมาก่ําไม่เคยได้ยินกลัวอะไรมันก็แคก่กระปูตัวนิดมันมาอีกก็ดุ่นฟืนทุบให้เละไปเลยไม่ต้องกลัวมันเนี่ยเชื่อพ่อเถอะพ่อนะพูดแบบตัดบทเพราะจริงๆแล้วแกต้องการให้ลูกสาวอยู่เฝ้าบ้านเพราะกลัวทรัพย์สินจะเสียหายจะมีคนมาลักขโมยอีกไม่เชื่อว่าลูกสาวจะเอาความจริงมาเล่าให้ฟังทั้งหมดน่าจะมีเรื่องกุ ข, ขึ้นผสมอยู่ด้วย หรือว่าหากจะจริงอย่างที่เล่าคงจะเป็นเหตุบังเอิญมากกว่าจะคิดเป็นเรื่องผิดปกติเป็นเรื่องผีเรื่องสางนะหาฉะเฉลียวใจสักนิดหมว่ว่านั่นคือลางบอกเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้เอาอย่างงี้ก็แล้วกันไอ้เจียมมะเรืนค่อยไปก็แล้วกันนะพรุ่งนี้เอ็งเฝ้าบ้านก่อนเพราะว่าพ่อกับแม่จะต้องเลยเข้าดงลึกไปเอาน้ํามันยางใต้ายเพราะเราหมดแล้วแล้วจะเอาอะไรจุดกลางคืนนะ่ะฮะต้องไปเอาลูก แล้วแม่ก็ช่วยปลอบอีกคนหนะึงพร้อมกัชี้แจงเหตุผลแกลูกสาวลูกสาวก็จำต้องพยักหน้ารับด้วยทีท่าไม่ค่อยจะเต็มใจนะถ้าฉันอยู่นะฉันก็อยู่มันบนบ้านทั้งวันแหละคอยดูจะไม่ยอมลงข้างล่างเด็ดขาดเลยเออก็ตามใจเองดิแต่เองทนนั่งทนนอนอยู่ได้ทั้งวันโดยที่ไม่นึกรําคาญกับเรื่องเขาเองเนี่ยอ่าพ่อก็พูดอย่างขันขันขณะที่มองท่าทีลูกสาว รุ่งขึ้นหลังจากที่สองตายายกินข้าวกินปลาเสร็จก็พูดจาสั่งเสียปลอบโยนให้ลูกสาวสบายใจยอย่าหวาดกลัวอยู่เฝ้าบ้านอยากก่าคิดอะไรมากพ่อพ่ออยากลับมาคํานะมาจะหัววันหน่อยนะฉันกลัวพ่อก็ไปยักหน้ารับเสร็จแล้วพ่อแม่ก็ชวนกันเดินดุ่มออกจากบ้านตามปกติเช่นเคยวันนี้ ทั้งวันสองตาใหญ่เกิดมีความรู้สึกตรงกันคือรู้สึกเป็นห่วงลูกสาวที่เฝ้าบ้านอยู่คนเดียวพอตะวันบ่ายคล้อยก็ชวนกันรีบกลับบ้านหวังไว้ว่ามาถึงบ้านจะมีนางเจียมลูกสาวของแกยืนรอรับอยู่เช่นเคยแต่ว่าเหมือนมีลางสังหอนมันมีแต่ความเงียบจนสองเท่ารู้สึกหวังเวงดูเหมือนความหดหู่จะเข้าครอบคลุมไปทั่วทั้งบ้านเออไอเจียมไม่ได้อยู่บ้านน่ะฮะเจียมไปไหนมาน่ะ แกเที่ยวเดินร้องเรียกหาไปทั่วแต่ไม่มีเสียงขานรับไม่มีแม้แต่เงาของนางเจียมเที่ยวสอบถามเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงก็ไม่ได้ข่าวคราวไม่มีใครรู้เรื่องว่าลูกสาวหายไปไหนปกติแล้วนิสัยของเจียมจิตนี่มักจะชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบแวะไปเที่ยวนั่งบ้านหลังโน้นขึ้นหลังนี้แต่ละวันจะได้พูดคุยกับเพื่อนบ้านบ้างถ้าหากว่ามีเพื่อนแวะเข้าไปนั่งเล่นด้วยเท่านั้น โอกาสอย่างนี้ก็มีไม่ใช่บ่อยนะเพราะฉะนั้นการหายไปของเจี่ยมจิตจึงไม่มีคนรู้เห็นเพราะเท่าตามหาจนอ่อน อ, อกอ่อนใจท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของผู้เป็นแม่ที่ลูกสาวหายไปอย่างไร้ร่องรอยแม่เท่าก็พูดโดยน้ำตาไหลรินพรา่าเ อ, อ้ามานองหนะ้ามันต้องเป็นไอ้กระปูตัวนั้นแน่ๆ่เมื่อพูดถึงกระปูพ่อเท่าก็สะกิดใจแป๊บนึกไปถึงคำพูดของลูกสาวที่เล่ามาเย็นวานนี้ เมื่อคิดถึงกระปูก็คิดถึงน้ําเพราะว่าปูกับ น, น้ํามันต้องอยู่ด้วยกันเมื่อแต่ก่อนเนี่ยแกมองผ่านเลยไปได้นึกไม่ได้นึกเอะใจอะไรสักนิดทั้งนี้ก็เพราะว่าปกตินั้นเจียมนั่นว่ายน้ําเก่งอยู่แล้วอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เติบโตมาใกล้น้ําใกล้ลําห้วยอ่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หากว่าเจียมมันจะต้องมาจบชีวิตลงในลําห้วยกาสะที่มันว่ายเล่นมาจนกระทั่งตั้งแต่เล็กจนโต แต่ว่าตอนนี้ก็ยังเหลือแต่ก้นห้วยเท่านั้นที่พ่อเท่ายังไม่ได้หาพ่อเท่าต้องขอแรงจากเพื่อนบ้านระดมชายชะกันลงงมดูที่ก้นห้วยลองดูอีกทีเอาเจอะวะยังไงยังไงได้ศพคืนมาก็อย่างดีรีบๆหน่อยนะเดี๋ยวจะมือเสียก่อนพ่อเท่านี่ในตาแดงก่ําเลยเวลานั้นการดำน้ํามงมหาศพเป็นไปได้ยากพอสมควรเพราะว่าก้นห้วยจะไม่ได้กิ่งไม้และกอน้าที่ไหลซัดมาตามสายน้ําในฤดูน้ําเจิง่ง ในเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องระดมชายชะกันเป็นสิบช่วยกันทั้งใช้คนดำลงไปก็ใช้แหทอดช่วยด้วยใช้เวลานับชั่วโมงถึงได้ศพเจียมจิตขึ้นมาพอเท่าแม่เท่านีบปล่อยโฮผวาเข้ากอรัดศพร้องไห้กริ้งเรือกอย่างน่าสงสารและมันก็แสนจะหน่าแปลกพอๆกับหน้าขนลุกขนพองปรากฏว่าตรงชายผ้าสิ้นของเจียมจิตมีกระปูเกาะอยู่ตัวหนึ่ง มันใช้กล้ามขนาดใหญ่ของมันคีบติดชายผ้านั่นแล้วปูตัวนั้นก็ตายแล้วเสียด้วยมันคงจะสิ้นใจต า, ตายไปพร้อมกับนางเจียมที่สิ้นลมห่วยนี้มันแรงมันจะเอาไปอยู่ด้วยมันก็ได้ไปของมันจริงๆมันเฮี้ยนนักเป็นเรื่องหน้าแปลกประหลาดไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้ว่า ระหว่างเกียมเด็กสาบ้านป่าผู้นาสงสารกับไอ้เจ้ากระปูนาน้อยตัวนั้นมันมีอะไรเกี่ยวพันกันอยู่เบื้องหลังมันถึงได้ตั้งหน้าตั้งตามาชวนมาดึงมาลากให้เธอไปร่วมจบชีวิตพร้อมกับมันมีอะไรมาชักจูงมันหรือยังไงหรือว่ามีอำนาจเร้นลับอะไรคอยบงการมันอยู่เบื้องหลังหรือว่าอดิตชาติปางก่อนเคยก่อกรรมร่วมเกิดร่วมตายด้วยกันมา หรือว่าผีเจ้าห้วยเจ้าท่าต้องการเธอไปอยู่ด้วยหรื อ, อ ม, มีคำถามอีกมากมายก่กองสำหรับเรื่องพิลึกกึกกืออย่างนี้ท่านบูฟังเป็นความผิดของลุงเองหากจะเหลียวใจหรือว่าสังหรณ์ใจสักนิดลุงก็คงไม่ต้องเสียอีเจียมบรลุงคงไม่ต้องอยู่เงียบเหงาว้าเวตราบเท่าทุกวันนี้เพราะลุงนึกว่ามันพูดเล่นมันถึงได้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้น สิ้นลูกสาวก็เหมือนลุงสิ้นความสุขทั้งชีวิตเลยทีเดียวลหละเสียงอ่อยๆหน้าสงสารน้องชายชาราอยากจะิจะลบความหลังที่ฝังใจออกจากความรู้สึกนึกคิดต้องแก้ได้ไอกระปูตัวนั้นลุงก็เอามันเผาพร้อมกับศพอิจีเ ย, ยมและตั้งแต่นั้นมาลุงก็เลิกกินปูโดยเด็ดขาดเรื่องที่เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเนี่ยครับท่านอย่าเข้าใจว่าเป็นนิทานพื้นบ้าน หรือว่านิทานปรมปราที่เล่าต่อกันมาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อกลางปี2514นี่นะครับปัจจุบันนี้พ่อเท่าคำตา ย, ยังคงใช้ชีวิตวัย80เศษอยู่อย่างสุขสบายตามประษาของแกส่วนแม่เท่าจัน์เมียคู่ทุกขู่ยากด้วยความจอมใจขนาดหนักก็ล้มเจ็บแล้วตายตามลูกสาวไปเพียงปีต่อมา ทิ้งพ่อเท่าไว้ตามลำพังอยู่สู้โลกรลีลับใบนี้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นกรรมครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับที่นี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องแปลกๆเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็อำนาจเรนลับของมันนะครับ ท่านผู้ฟังวิชาการเลี้ยงผีนี่ถือเป็นสยเวทมนต์ดำอย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยของเรามาช้านานคนที่เล่าเรียนวิชาคาถาอาคมแก่กล้ามักจะชุบเลี้ยงพูดผีปีศาจเอาไว้ใช้งานบางอย่างที่เราคนทั่วไปทําไม่ได้จะเป็นงานอะไรหรือว่าลักษณะของงานที่ใช้พวกมันไปทําเนี่ยเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เลี้ยงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่สําคัญที่สุดเมื่อเลี้ยงผีเหล่านี้แล้ว ก็ต้องรู้จักควบคุมมันให้ดีเพราะถ้าหากเมื่อเลี้ยงไปแล้วไม่รู้จักควบคุมดูแลพวกวิญญาณเหล่านี้จะย้อนกลับมาทำร้ายผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้านายของพวกมันได้อย่างไม่อยากเย็นดั่งคำโบราณที่ว่าหมองูตายพระงูหมอผีก็ตายเพราะผีนะเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังเกิดขึ้นที่ทางภาคใต้ครับ ลุงนุ้ยและสมพานเซียงเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันที่รักกันมากตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่ที่บ้านกระสมอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่าเนื่องด้วยในสมัยนั้นฐานะทางบ้านของคนทั้งสองนี่แย่ามากๆไอการที่จะได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนตามโรงเรียนในตัวเมืองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากสำหรับเด็กทั้งสองจะปัญหาความไม่มีเงินไม่มีทองของเด็กทั้งสองคนไม่ได้เป็นอุปสรรคสำคัญที่จะทำให้ความรักเรียน ของเด็กชายนุ้ยและเด็กชายเสี่ยงลดลงแต่ประการใดนิสัยใจคอบ่งบอกให้ถึงความอยากจะรู้อยากเรียนของเด็กชายทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่ในสายตาของผู้ที่เป็นพ่อแม่มาโดยตลอดพ่อแม่ของเด็กชายนุย้ยเด็กชายเสี่ยงซึ่งบ้านอยู่ ใ, นในกล้กันก็ปรึกษาหารือกันว่าจะส่งเด็กทั้งสองคนให้ไปบวชที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทธลุงแม้ว่าตอนนั้นพวกเด็กๆจะมีอายุแค่สิบขวบกว็าตาม เด็กทั้งสองได้เข้ามาอยู่ในร่มกาสาวพัฒสามเณร น, นุยและสามเณรเสี่ยงก็ไม่ลืมความตั้งใจที่มีมาตั้งแต่ที่แรกพวกเขาก็ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนธรรมะจนมีความรู้ถึงระดับที่เรียกว่าก้าวหน้าไปกว่าสามเณรรูปอื่นๆซึ่งเคยบวชมาพร้อมกันผลจากความตั้งใจจริงของเขาทั้งสองก็ยังความปราบปลื้มใจมาให้เจ้าอาวาสและโยมพ่อโยมแม่เป็นอย่างมาก จนเมื่อสัมมาเนนทั้งสองเริ่มมีอายุย่างเข้าสิบเจ็ดสิบแปดปีช่วงนี้ถ้าเป็นคารวัตก็จะบอกว่าเป็นวัยที่กําลังอยากรู้อยากเห็นอยากลองอยากค้นหาค้นคว้าสิ่งแปล ก, ปล ก, ปลกใหม่ใหม่ให้กับชีวิตเป็นอย่างมากความรู้สึกอยากรู้อยากลองนี่มันเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคการศึกษาธรรมะของสัมมาเนนทั้งสองรูปนี้ในระยะหลังมานี้เปลี่ยนไป สาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพวกเขาหันมาสนใจเวทมนต์คาถาซึ่งมีพระครูช่วงที่อยู่กุติท้ายวัดเนี่ยเป็นผู้ถ่ายทอดให้ทั้งสามเณรน้้ยและสามเณรเสี่ยงใช้เวลาเกือบทั้งวันในการไปคลุกคลีอยู่กับพระครูช่วงวันๆก็ใช้เวลาท่องคาถาเรียนรู้ปลุกเสกอาคมต่างๆหนังสือธรรมะที่เคยได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีก็ถูกทิ้งกว้างแบบไม่แยแส ความเปลี่ยนแปลงของสัมมาเนนทั้งสองรูปนี่เห็นผลชัดขึ้นเมื่อผลการสอบเลื่อนเป็นนักธรรมเอกนี่ไม่ผ่านทั้งคู่เลยจนถึงก็ทําให้พระเนนบางรูปสงสัยว่ามันเป็นไปได้ยังไงความไม่ชอบมาพาคนของสัมมาเนนทั้งสองรูปอยู่ในสายตาของเจ้าอาวาสมาโดยตลอดท่านเล็งเห็นว่าถ้าขืนปล่อยให้สัมมาเนนทั้งสองฝักไฟแต่พวกเดรฉ า, านวิชาอยู่อย่างนี้สัมมาเนนทั้งสองก็ คงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เห็นแสงแห่งธรรมะแน่นอนท่านก็เลยตัดสินใจเรียกทั้งสามะเนมมนุ้ยสามเนมมน เ, นเสี่ยงเข้ามาพบที่กุฏิของท่านหลังจากที่เสร็จการทําวัดเย็นตอนใกล้ค่าของวันหนึ่งการที่ท่านจะเอาว่าเรียกสามะเนนเข้าพบท่านก็ไม่ได้ดุดาถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีของสามะเนนทั้งสองรูปแต่ประการใด ท่านเพียงแต่เตือนสติแล้วก็ให้ข้อคิดว่าขอให้ทั้งสองนี่ตั้งสติแล้วก็ระลึกให้ดีว่าการเข้ามาบวชเรียนที่วัดแห่งนี้มีจุดประสงค์อะไรกันแน่ระหว่างจะเอาวิชาความรู้ไปเป็นบันไดเพื่อย่างก้าวไปสู่ลาภยศสะระเสริญหรือว่าจะเอาวิชาความรู้ไปปูเป็นทางไปสู่น้ำทางแห่งการหลุดพ้นจากวังวนของโลกมายาคําพูดคํากล่าวตักเตือนของท่านจะเอาว่าสัมมาเนทั้งสองมีมุมมองที่แตกต่างกออกไปสัมมาเนธเสี้ยง มีนิสัยรักสงบใจเย็นและมีเหตุผลก็เห็นดีด้วยกับการที่จะต้องตั้งหน้าตั้งตาศึกษาธรรมะต่อไปแต่ว่าความคิดของสั ม, มนเนนเสี่ยงตรงข้ามกับสั ม, มนเนนนุ้ยซึ่งมีนิสัยกล้าได้กล้าเสี่ยงชอบชีวิตโลดผลโจนทะยานใจรอ้อนอ่าเสร็จแล้วตอนที่กำลังเดินทางกลับกุฏิที่พักสัมมนเนนนุ้ยก็ถามว่า เออแล้วเราจะเอาอยัางไงกันเดียร์คุณยังต้องการจะเรียนวิชากับพระครูต่อหรือว่าจะเชื่อตามที่ท่านจะเอาวาดท่านบอกคําถามตองสา ม, มเณรนุ้ยก็ทําให้สา ม, มเณรเสี่ยงใช้ความคิดเป็นอย่างมากก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวถ้าหากว่าคุณนุ้ยจะเลือกเรียนวิชากับท่านพระครูช่วงก็เรียนไป หรือว่าถ้าหากว่าจะหันกลับมาสนใจศึกษาพระธรรมเหมือนอย่างแต่ก่อนผมก็ไม่ขัดข้องนะแต่ไม่ว่าเราจะทําอย่างไหนจะเลือกทําอะไรก็ขอให้จําไว้อย่างว่าเราเป็นเพื่อนรักกันนะสมมาณีเสียงก็บอกอย่างจริงใจนะสัมมาณีนุยก็พยักหน้าอย่างเข้าใจสมมาณีทั้งสองรูปยังอยู่ในวัดเรื่อยมาจนอายุครบยี่สิบปีก็เปลี่ยนสถานะจากสมมาณีเป็นพระภิกษุสงฆ์ตามกฎของศาสนาพุทธ และเมื่อทั้งสองมีอายุย่างเข้าสามสิบกว่าพระภิกษุเสี่ยงก็สอบรเรียนเจ็ดได้แล้วก็มีบรรดาศักดิ์เป็นถึงพระมหามีตำแหน่งในวัดคือเป็นเล ข, ขานุการของท่านเจ้าอาวาสส่วนทางด้านพระภิกษุนุ้ยเพื่อนรักนี่ยยังไม่ได้ไปไหนไปไม่ไกล ย, ยังเป็นแค่พระลูกวัดเท่านั้นเองการที่พระภิกษุนุ้ยไม่มีความเจริญก้าวหน้าในการใช้ชีวิตแบบเดียวกับภิกษุรูปอื่น ก็ทำให้ท่านเกิดความท้อใจและเหนื่อยหน่ายแล้วอีกอย่างตอนนี้ท่านกนเป็นพระที่มีชื่อเสียงทางด้านเวทมนต์คาถาต่างๆวิชาความรู้ที่ประครูช่วงถ่ายทอดมาให้ท่านจนหมดไส้หมดพุงเสร็จแล้วก็เลยลาศิกขาศึกออกมาไปใช้ชีวิตอย่างค า, ารวะทั่วๆไปแล้วก็ตั้งใจว่าจะใช้วิชาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมานี่แหละประกอบอาชีพเลี้ยงตัวพอศึกออกมาขาดจากความเป็นพระภิกษุแล้ว อดีตพระนุย้ยหรือว่าตอนนี้ก็คือทิด น, นุ้ยก็ตั้งใจทำมาหากินด้วยวิชาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนสมัยที่ยังอยู่กับพระครูช่วงทิดนุ้ยก็รับทำพิธีการทุกอย่างที่เกี่ยวกับความเชื่อและเรื่องราวเกี่ยวกับไสยศาสตร์ไม่ว่าจะดูดวงผูกดวงไลผ่ผีปัดรังควานทำสเสน่ยาแฝดหรือแม้แต่ทำพิธียกเสาเอกขึ้นบ้านใหม่เพียงแค่เวลาสามปีที่ได้ทามาหากินด้วยวิชาอาคมเหล่านี้ แกก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปได้เป็นอย่างดีข่าวครา ว, าวความโด่งดังของทิดนุย้ยอยู่ในความสนใจของมหาเสี่ยงเพื่อนรักมาโดยตลอดมหาเสี่ยงไม่ได้ยินดียินร้ายกับความมีชื่อเสียงของเพื่อนแต่ประการใดตรงกันข้ามกลับมีความกังวลใจอยู่ลึกๆเพราะท่านรู้อยู่เต็มอกว่าทิดนุย้ยะมีทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาเนี้ย ที่มีเนี่ยไม่ได้เกิดจากความสามารถของตัวเองเพียงลำพังหากมันมีอย่างอื่นที่คอยส่งเสริมเกื้อนหนุนให้ทิตนุ้ยได้ดีและสิ่งที่ว่าเนี่ยถ้าวันหนึ่งวันไหนทิตนุ้ยเกิดดูแลมันไม่ดีมันนั่นแหละจะหันกลับมาเล่นงานทิศนุ้ยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของมันมหาเสี้ยงอยากจะหาโอกาสพูดเรื่องนี้กับทิศนุ้ยสักครั้งแต่เนื่องจากต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ อย่าว่าจะได้คุยกันเลยใบนหน้าก็ยังไม่ได้เห็นกันเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ท่านเจอกับทิศนุย้ยก็เมื่อก่อนที่ทิศนุ้ยจะลาสิขาบทออกไปใช้ชีวิตเยี่ยงคารวาต ส, ส่วนข่าวล่าสุดที่ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวก็คือทิศนุ้ยได้กลับไปสร้างครอบครัวที่บ้านกระสมซึ่งเป็นบ้านเกิดอยู่มาวันหนึ่งขณะที่มหาเสี่ยงกําลังปฏิบัติภารกิจประจําวันของท่านอยู่ที่กุฏิเสร็จแล้วท่านก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งตะโกนเรียกชื่อท่านอย่างร้อนรอน พอท่านโผล่หน้าออกไปเพื่อต้องการจะรู้ท่านก็พบกับความแปลกใจเพราะว่าอาคารตุกกายนี้ท่านไม่เคยเห็นหน้าที่ไหนมาก่อนอมีอะไรได้โยมตะกี้โยมเรียกอัตมาใช่ไหมขึ้นขึ้นมาบนกุฏิก่อนนาโยมนะเรื่องอื่นแค่ว่าอันที่หลังมาหาเสียงเอาเชือ้อเชิญแขกแปลกหน้านี่อย่างจริงใจแม้ว่าท่านยังไม่เคยเห็นหน้าเขาแต่ว่าท่านก็มั่นใจว่าคงไม่ใช่โจรป่าห้าร้อยที่ไหนแน่นอนใชาแปลกหน้า ทำตามคําเชื้อเชิญของมหาเสี้ยงเหมือนเด็กก้าวเดินขึ้นไปบนกุฏิกนั่งลงพระเพียบเรียบร้อยยกมือไหว้มหาเสี้ยงด้วยความเคารพเออโยมมีธุระอะไรอ่ะคือผมเป็นคนสนิทของอาจารย์นุ้ยอครับท่านอาจารย์นุ้ยที่เป็นเพื่อนสนิทของท่านมหาสมัยที่ยังบวชเรียนอยู่ด้วยกันนะครับตอนนี้อาจารย์นุ้ยกําลังล้มป่วยเพราะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อหลายเดือนก่อนครับท่านคนสนิทของดิดนุย้ยหรือว่าอาจารย์นุ้ยเนี่ยเล่าต่อไปว่าหลังจากอาจารย์นุ้ยประสบอุบัติเหตุเป็นผลให้แกขยับเขยื้อนตัวไปไหนไม่ได้พูดก็ไม่ได้เวลาจะกินก็ยังต้องมีคนป้อนข้าวให้ซึ่งตอนนี้คนที่ดูแลอาจารย์อยู่ก็เป็นลูกศิษย์ของแกบางคนที่ยังเคารพแกอยู่น่นเอนงผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นอยู่คุยกับมาหาเสี่ยงพักใหญ่ก็ขอตัวลาครับ แต่ก่อนที่เขาจะก้าวพ้กุฏิไปเหมือนว่าท่านมหาเสียงจะฉุดคิดอะไรได้บางอย่างท่านก็บอกให้เขาหยุดสักครู่หนึ่งเออโยมตอนนี้อาจารย์นุ้ยของโยมนะครับรักษาตัวอยู่ที่ไหนอะ่ะเอออพักอยู่ที่กระสมะครับท่านหรือว่าท่านมหาจะไปเยี่ยมอาจารย์กับผมตอนนี้เลยก็ได้พอดีผมเอารถมาด้วยขับรถจากพัทลุงไปทุ่งสงคงใช้เวลาไม่เกินสองชั่วโมงะครับผู้ชายคนนั้นเขา เสนอแนวคิดเพื่อให้ท่านมหาเสียงตัดสินใจท่านคุ้นคิดอยู่ได้สักพักท่านก็ตอบตกลงแต่ก่อนที่ท่านจะออกไปจากวัดก็ไม่ลืมจะไปบอกกล่าวให้พระในวัดได้รับรู้ว่าท่านจะไปไหนครั้นพอรถของชายแปลกหน้าเนี่ยมาจอดที่หน้าบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งมหาเสียงก็รู้ได้ทันทีว่าบ้านหลังนี้คงจะเป็นเคหสถานของเพื่อนรักอย่างแน่นอนเพราะว่าสันนิฐานเอาจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบบริเวณบ้านซึ่งเป็น เหมือนกับคุ้นเคยกับมันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแต่ยังไม่ทันที่ท่านมหาจะได้ลงจากรถความรู้สึกบางอย่างก็บอกกับท่านว่าได้เกิดความไม่ชอบมาผากุนขึ้นในบ้านหลังนี้แล้วท่านมหาก้าวเข้าไปในบ้านด้วยความร้อนรนแม้ว่าตัวท่าจะไม่มีคาถาอาคมที่เก่งกาจอะไรแต่ท่านก็ไม่ประวัลท่านพึงต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องการเป็นพระภิกษุท่านก็ได้เคยเป็นลูกศิษย์ของพระครูช่วง ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นจอมขมังเวทคนหนึ่งสายตาของท่านมหาขวาดไปทั่วทั้งบริเวณภายในบ้านเพื่อหาร่างของเพื่อนรักเสร็จแล้วก็เจอร่างทิศนุยที่นอนสงบนิ่งอยู่บนเตียงโดยมีลูกเมียลูกศิษย์ลูกหานั่งเฝ้าหน้ากันสลอนรอบร่างท่านก็ตรงยังทิดเข้าไปหาทิศนุยมึงไม่ต้องเข้ามานะไอเสีย่ยมกูรู้ว่ามึงคิดจะทําอะไร เสียงของทิดนุยดังทักขึ้นน่ะท่านมหาชงักนะคนอื่นๆที่อยู่ในที่นั้นก็มีอาการแปลกใจตกใจเหมือนกันกับท่านเหมือนกันเรื่องด้วยทุกคนในที่นั้นต่างรู้ว่าอาจารย์นุยนะพูดไม่ได้นะตั้งนานแล้วอยู่ดีๆทำไมวันนี้อาจารย์นุยถึงได้พูดจาฉะฉานึ้นมาท่านมหาไม่ได้โต้ตอบคาพูดของทิดนุยแต่ประการใดเพราะท่านรู้ได้ชานของท่านว่า บ, บุคคลที่อยู่ตรงหน้าท่าน เวลานี้ไม่ใช่ทิดนุยแต่มันคือสัมภเวสีตนหนึ่งที่ทิดนุยได้เลี้ยงไว้ซึ่งเมื่อทิดนุยล้มป่วยลงไม่สามารถจะหาของกินให้มันได้มันก็เลยมาเข้าสิงอยู่ในร่างทิดนุยเพื่อเข้าไปกัดกินเครื่องในของผู้ที่เคยเป็นเจ้าของมันด้วยวิชาที่มีติดตัวมาบ้างสมัยที่ยังฝากตัวเป็นสิทธิ์ของพระครูช่วง มหาเสียงก็เลยเริ่มลงมือจัดแจงทำพิธีขับไล่วิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในร่างเพื่อนรักไปให้พน้นโดยมีลูกเมียของทิดนุ้ยและลูกศิษย์มุงดูกันอยู่ห่างๆด้วยความตื่นกลัวปากของท่านมหาเสียงขมบขมิดเหมือนท่านกำลังบ่นอะไรเสรียจแล้วร่างทิดนุ้ยที่นอนสงบนิ่งอยู่ตะกี้เนี่ยก็บิดไปบิดมาเหมือนกับคนที่ได้รับความเจ็บปวดอย่างหนักในเวลาเดียวกันปากก็ส่งเสียงร้องครวญครางโหยหวน ซึ่งเสียงร้องของทิดนุ้ยในเวลานี้ถ้าตั้งใจฟังให้ดีมันไม่ใช่เป็นเสียงของคนแต่มันเป็นเสียงของพูดผีปีศาจที่มาจากขุมนรกชัดๆทิดนุ้ยหรือว่าอาจารย์นุ้ยมีอาการอย่างที่กล่าวได้ไมานานก็สงบนิ่งลงซึ่งพอร่างทิดนุ้ยเงียบลงไปเท่านั้นแหะกลิ่นสาบสางคล้ายกับกลิ่นของศพคนตายแบบตายซากเนี่ก็อบอวนไปทั่วบริเวณบ้านสร้างความคลื่นเหียนชวนอาเจียนเป็นอย่างยิ่ง และพอภรยาของทิฏนุยจะเข้าไปดูอาการของผู้เป็นสามีว่าเป็นยังไงบ้างท่านมหาเสี้ยงกบปรามพัญญาของทิฏนุยบอกว่าโยมโยมไม่ต้องเสียใจนะถ้าจะมาจะบอกว่าทิฏนุยเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วเขาจากไปตั้งแต่เมื่อครั้งที่เขาประสบอุบัติเหตุใหม่ๆแต่ที่พวกโยมเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ทิฏนุยมันคือวิญญาณที่ทิฏนุยเคยเลี้ยงเอาไว้ พอมันไม่ได้กินอะไรเขามันก็เข้ามากัดกินเครื่องในของทิดนุยจนหมดทีนี้โยมรู้หรือยังว่าทำไมพอวิญญาณร้ายนั่นออกไปจึงมีกลิ่นเหม็นของศพคราครุงไปทั้งบ้านดีนะที่อาจจะมามาเจอเข้าเสียก่อนถ้าวิญญาณร้ายนั้นมันย้ายที่สิงเปลี่ยนจากร่างทิดนุยแล้วเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็ไม่รู้ว่าผลว่ามันจะออกมาในรูปไหนอีกครับนั่นก็คือเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงครับ อาจารย์สมบูรณ์นี่แกเป็นข้าราชการเก่าครับมีความรู้ในเรื่องทางสายศาสตร์เวทมนต์พอสมควรพอศึกษามาเมื่อปี2499แกอยู่ที่เชิงสะพานมขวนันถนนราชดำเนินนอกบ้านแกอยู่ตรงนั้นตอนนั้นบ่ายใกล้จะเลิกงานแล้วมีคนที่บ้านไปบอกแกที่กระซวงว่าหลานสาวขึ้นไปผู่คอตายที่หัวนอนในห้องนอนน้องแก แกก็ตกใจรีบมาบ้านเห็นหนางสาวสมพรหลานสาวนี่นั่งพิงเสาเรือนชั้นล่างมีอาการตาขวางเหมือนกับคนบ้ายายแล้วก็คนอื่นๆนั่งคุมอยู่ที่คอก็มีรอยหนังถลอกเป็นรอยเชือกที่ผูกคอซึ่งได้แก้ออกแล้วอาจา ร, รย์สมบูรณ์ก็ถามคนทังบ้านว่าเรื่องราวเป็นยังไงได้ความว่า ลูกสาวอาจารย์สมบูรณ์บังเอิญขึ้นไปบนเรือนชั้นบนแล้วก็ไปเจอเข้าก็เออะอะขึ้นแล้วก็ช่วยแก้เชือกพาเอาลงมาถามอะไรก็ยังไม่รู้เรื่องทั้งนั้นอาจารย์สมบูรณ์ก็นั่งลงตรงหน้าเขาแล้วก็ถามว่ามึงเป็นใครต้องการอะไรถึงได้มาเข้าคนนางสาวสมพรก็ทำตาดุเสร็จแล้วก็ตอบว่าเมื่อมึงไล่ไม่ให้กูอยู่กูก็จะพาลูกของกูไป จากคำตอบนี้อาจารย์ก็รู้ว่าผีเข้าแน่เพราะว่าเด็กคนนี้อยู่กับแกมาหลายปีตั้งแต่พ่อของแกตายแล้วก็แม่มีสามีใหม่ตามปกติแกกลัวอาจารย์ยังกับหนูกลัวแมวเมื่อแกมาใช้มึงมึงกูกูอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ใช่ตัวแกพูดแล้วและพ่อของแกที่ตายไปสิบกว่าปีแล้วเมื่อยังมีชีวิตอยู่แกก็กลัวอาจารย์สมบูรณ์เหมือนกันพ่อของนางสาวสมพรคนที่ว่าตายไปในชื่อในพลอย เป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหมฝ่ายพลเรือนเขาเจ็บแล้วก็ตายที่บ้านเนี้ยตอนนั้นอาจารย์สมบูรณ์เป็นอายการอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจารย์สมบูรณ์ก็ตอบผีนายพลอยบอกว่ามึงจะไปก็ไปแต่ตัวมึงสิจะเอาลูกของมึงไปด้วยไม่ได้ผีนายพลยก็บอกว่าเมื่อไม่ให้เอาลูกไปกูก็ไม่ยอมออกเรื่องที่ผีนายพลย ห, าหาว่าอาจารย์สมบูรณ์ไล่เขาเน่ะความจริงน่ะเอ่อ อาจารย์สมบูรณ์ไม่รู้ได้ซ้ำว่าในพลอยนะ่ะเขาตายที่บ้านนี้แล้วก็แม่ยายของอาจารย์สมบูรณ์เนี่ยได้เอารูปกุมารทองมาเลี้ยงไว้เขาว่าคืนไหนถาลืมปิดประตูบ้านมันก็จะมาปลุกจะจริงหรือเท็ดเนี่ยอาจารย์สมบูรณ์ก็ไม่สนใจเวลานั้นเพราะไม่ค่อยจะเชื่อถืออยู่แล้วต่อมาระหว่างที่อาจารย์สมบูรณ์ไปอยู่ต่างจังหวัดก็มีทิศศึกใหม่เคยเป็น หมอพระมาได้เอาดินในป่าช้ามาปั้นเป็นรูปฤาษีหลายองค์แต่ว่าชำรุดหักพังซะเป็นส่วนมากได้เอาใส่ถุงกระดาษมาไว้ในห้องพระตอนนั้นอาจารย์สมบูรณ์ลาออกจากอายการกลับมาอยู่บ้านแกก็นอนในห้องพระที่มีรูปปั้นฤาษีหลายองค์นั้นอยู่ห้องมันแคบเวลาเดินเข้าออกก็เดินไปข้ามไกลรูปฤาษีเหล่านั้นบ้างต่อมาลูกคนสุดท้องของอาจารย์สมบูรณ์ยังเล็กมากยังพูดไม่ได้ กับลูกของลูกจ้างซึ่งยังเล็กมากเหมือนกันมีอาการนอนผวาแล้วก็ร้องไห้ายอย่างตกอกตกใจหลายครั้งแล้วร้องทีก็ร้องไม่หยุดมีผู้ใหญ่ก็บอกว่าเด็กไม่ได้ป่วยเป็นอะไรแต่ว่ามีผีในบ้านเนี่ยรบกวนอาจารย์สมบูรณ์ก็ชักไม่พอใจแล้วก็มีโทสะด้วยก็คิดว่าผีพวกนี้อาศัยบ้านเราอยู่ยังรบกวนเจ้าของบ้านให้เดือดร้อนรําคาญด้วยถ้ายังงั้นก็อย่าอยู่เลยแกก็ออกปากด่าว่าแล้วก็ขับไล่ผีทุกตัวในบ้าน แล้วก็ให้เจ้าของรูปหรือสีกับรูปกุมารทองเอารูปเหล่านั้นไปทิ้งไว้ที่โคนต้นโพในวัดจนหมดต่อจากนั้นมาสองวันก็เกิดเรื่องหลานสาวขึ้นไปปูขอตายเมื่อผีในพลอยไม่ยอมออกไปอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าถ้ามึงไม่ออกไปกูกูต้องไล่มึงไปเสร็จแล้วแกก็ขึ้นไปหยิบมีดทองแดงที่อาจารย์พ้อนดีสว่างทําไว้ให้เอามาแขวงในน้ําในขันแล้วก็เอาน้ํานั้นพ่นใส่หน้าคนที่ถูกผีเข้า นางสาวสมพรที่ถูกผีเข้าทําตาลุกตาชันเข็นเขียเข้ยวเกี้ยวควันสู้แล้วก็ไม่ยอมออกอาจารย์สมบูรณ์ก็ไปหยิบข้าวสารมาเสกด้วยคาถาของอาจารย์ฟ้อนแล้วซัดใส่อนางสาวสมพรก็ทําตาลุกชันอสู้แล้วก็บอกมึงอวดดีว่ามีครูช่วยเหรอกูไม่กลัวมึงหรอกอาจารย์ก็นึกสงสัยว่าผีในพลอยมันว่าใครมีครูก็ถามสวนออกไปว่ากูมีครูที่ไหนกัน กูนั่งอยู่คนเดียวแท้ๆมึงว่าครูที่ไหนมาช่วยกูผีในพลอยก็ตอบสวนออกมาทางปากลูกสาวว่าก็ไอ้แก่แกนั่งอยู่ข้างหลังมึงอะไรไม่ใช่ครูมึงเหรออาจารย์ก็เหลียวหลังไปดูก็ไม่เห็นมีใครอยู่ข้างหลังเสร็จแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าคงจะต้องเป็นอาจารย์ฟ้อนดีสว่างซึ่งตายไปนานแล้ววิญญาณในพลอยจึงแลเห็นแต่ว่าคนอื่นๆที่มองได้ตานี่มองไม่เห็นอาจารย์คิดหาทางไล่ผีในพลอยต่อไป ทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยไล่ผีมาก่อนเลยคือมีแต่ความกล้าแต่ไม่มีวิชาความรู้อะไรแกก็เห็นรูปไายในพลอยแขวนอยู่ข้างขวาก็ขู่ว่าถ้าไม่ออกไปจะเอามีดอาคมแทงอกให้ตายมันก็กลับถลึงตามองดูอาจารย์สมบูรณ์อย่างไม่เกงรงกลัวอาจารย์ก็ปลดรูปในพลอยลงมาวางกับพื้นแล้วก็มีดของอาจารย์พรนี่ที่ลงอาคมไว้แล้วแทงรูปตรงหน้าอกจนกระจกแตก นางสาวสมพรที่ถูกผีเข้าก็แสดงอาการขบเคี้ยวเคี้ยวควันแล้วก็ดา่าไม่มีดีแล้วก็ไม่ยอมออกจากร่างลูกสาวตอนนี้อาจารย์สมบูรณ์หมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงถึงจะให้วิญญาณในพลอยออกจากร่างของนางสาวสมพรได้ระหว่างนั้นยายของนางสาวสมพรไปตามพระวัดจกวัดมารูปหนึ่งอายุท่านก็ประมาณสี่สิบปีพระรูปนี้มาทาน้ำมนต์พรมที่หัวนางสาวสมพร ผู้กับผีในพลอยบอกว่าไปเถอะเตยโยมเขาไล่ไม่ให้อยู่แล้วพระรูปนั้นพูดดีๆไม่มีการกู่เขียนเลยผีในพลอยก็ออกเออนางสาวสมพรล้มตัวลงนอนแต่แล้วก็ลุกงวงเยะเหมือนกับคนตื่นนอนอาจารย์ก็ถามว่านี่แกรู้หรือเปล่าว่าแกเป็นอะไรไปนางสาวสมพรทำหน้าเลึกๆเลิกๆบอกไม่รู้ ลูกสาวของอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าตัวนั้นขึ้นไปผูกคอตัวเองแขวนกับเหล็กราวมุ้งในห้องพระคือเตียงเตียงนอนสมัยก่อนนะเป็นเตียงเหล็กมีเสาเหล็กตั้งขึ้นไปเสร็จแล้วก็มีราวเหล็กตรึงทั้งสี่เสาอ่าเอาไว้แขวนมุง้งอสมัยก่อนยังไม่มีมุงลวดใช้อย่างปัจจุบันสมพรก็บอกว่าไม่รู้อาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าเมื่อไม่เชื่อกก็คลำคอดูซีเชือกมันบาดคอจนหนังถลอก สมพรเกามือคลำคอแล้วก็แสดงอาการประหลาดใจอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าลองนึกดูดีๆซิว่าก่อนที่เราจะไม่รู้สึกตัวนั่นนะเรานั่งอยู่ที่ไหนเห็นอะไรบ้างสมพรณ์ก็นิ่งนึกอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็พูดว่าที่แรกหนูนั่งอยู่ตรงหน้าบันไดหมายถึงบันไดที่จะขึ้นไปชั้นบนเสร็จแล้วหนูก็เห็นผู้ชายนุ่งกางเกงขาวใส่เสื้อขาวนั่งอยู่ตรงหัวบันไดชั้นบนเขาเรียกหนูให้ไปหาเขาหนูก็ขึ้นไป แล้วหนูก็ไม่รู้สึกตัวต่อไปอีกเลยตามที่นางสาวสมพรเล่าเนี่ยชายนุ่งหางเกงขาวนั้นก็คงจะเป็นนายพลยพ่อของสมพรแต่ว่าสมพรไม่รู้จักเพราะว่าเมื่อพ่อตายนะสมพรยังเล็กจําความไม่ได้แลว้วก็ที่นุ่งหางเกงขาวนั้นคือผู้ชายสมัยก่อนมักจะนุ่งหางเกงจีนสีขาวอยู่บ้านและเข้าใจว่าเวลาตายก็คงจะนุ่งหางเกงขาวด้วยเพราะเท่าที่ อาจารย์ธสมณ์บพบมาวิญญาณเนื้อผีมักจะแต่งตัวชุดที่ตายน่ะแหละทีนี้แกก็จำได้แค่นั้นผีน่ะมีอำนาจดนใจคนหรือว่าส ะ, สะกดจิตคนได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่จิตไม่เข้มแข็งก็จะตกอยู่ในอำนาจของผีง่ายผีจะสะกดจิตคนให้เห็นเป็นยังไงก็ได้เมื่อผีในพลอยออกไปแล้วใครๆก็พากันโล่งอกก็นึกว่าหมดเรื่องยุ่งแล้ทีแต่ที่ไหนได้พอพระ ออกจากบ้านกลับไปวัดแล้วไม่ถึงชั่วโมงสมพรก็มีอาการผีเข้าอีกแล้วก็พยายามจะขึ้นไปผูกคอตายหรือว่ากระโดดหน้าต่างอีกทําให้ต้องมีคนนั่งคอยระวังอยู่ตลอดเวลาระหว่างนั้นยายของสมพรไปส่งพระเสร็จแล้วก็ไปได้รูปปลาทองเหลืองมาจากไหนไม่ทราบบอกว่าป้องกันผีได้ก็เลยเอามาผูกข้อมือสมพรไว้สมพรซึ่งผีเข้าอยู่ก็พยายามจะเอาปลาทองเหลืองนั้นออกจากข้อมือบอกว่าไม่ชอบไอตัวอะไรนี่ อ่าแต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันป้องกันไว้ไม่ให้ อ, ออกได้ตอนนี้อาการค่อยดีขึ้นคอยจะมองขึ้นไปบนเรือนตรงช่องบันไดยอยู่เรื่อยๆพวกญาติก็ปรึกษากันว่าจะขืนให้อยู่ที่บ้านคงไม่ได้หลับได้นอนกันเพราะว่าแกคอยจะขึ้นแต่จะไปผูกคอตายควรจะพาแกไปอยู่กับแม่ที่สนามบินดอนเมืองเถะเถอะคือแม่แกไปมีสามีใหม่เป็นนายทหารอากาศฝ่ายการเงินอยู่บ้านหลวงใกล้สะพานใหม่อ่าตอนนั้นเราเข้าใจกันว่า ผีในพลอยนะ่คงจะตามไปไม่ถูกเมื่อยายของสมพรพาสมพรขึ้นรถไปแล้วแล้วก็ไปค้างอยู่ที่นั่นกลับมาก็ทราบว่าวิญญาณในพลอยไม่ได้ตามไปจริงๆหรือว่าอาจจะตามไปแล้วเข้าไม่ได้เพราะว่าทางสนามบินเขาอาจจะฝังของอาถรรพ์ไว้ก็ได้ส่วนอาจารย์สมบูรณ์นะมีนิสัยเสียอยู่อย่างแก้ไม่หายคือเป็นคนไม่ยอมแพ้ใครเอ๊นี่ก็แปลว่าผมแพ้ผีในพลอยตอนนั้น แกก็เลยรางานเดินทางขึ้นไปโคราชไปหานายพนิษต์หัวหน้าแผนกที่ดินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นคนมีความรู้ในเรื่องาศาสนาและพิธีกรรมได้เคยติดต่อถูกคอกันมาตั้งแต่สมัยอาจารย์สมบูรณ์เป็นอายการจังหวัดนครราชสีมาไปเล่าเรื่องให้ในายพนิษต์ฟังนายพนิษต์ก็บอกว่าเรื่องของผีเนี่ยมันาศาสนาใคราศาสนามันนะถ้าเป็นผีนับถือพุทธมันถึงจะกลัวคาถ า, าศาสนาพุทธ ถ้าเป็นผีชาวคริสต์หรือว่าอิสลามพวกนี้ไม่กลัวคาถ า, าศาสนาพุทธอา่าต้องไปเอาคาถาของอิสลามหรือคริสต์มาแล้วเขาก็ไปทําสอนพันนารายอันเล็กๆมาให้อันนึงซึ่งเป็นของทายศาสตร์พร้อมทั้งสอนวิธีใช้ให้กับวิธีจับผีใส่ขวดไปถ่วงน้ําหรือว่าเอาฝังดินแล้วเอาหินทับไม่ให้ผุดให้เกิดต่อไปอาจารย์สมบูรณ์ก็ร่ํำเรียนแล้วก็ซ้อมถ้าจะกระทั่งคล่องแคล่ว อาจารย์สมบูรณ์ยังไปหาแขกเช่นในอับดุลฮูเซนซึ่งเป็นครูสอนการสะกดจิตอ่าเล่าเรื่องให้เขาฟังแล้วขอให้ช่วยในอับดุลเป็นชาวปากีสถานนับถืออิสลามแต่ว่าเกิดเมืองไทยมีร้านขายของแบบถนนพาหุรัฐอยู่ที่ถนนจอมพลในอับดุลบอกว่าผีเนี่ยมันมีอำนาจเหมือนแม่เหล็กคนพบผีอ่าจึงได้ขนลุกสู้ผู้ใหญ่จึงได้ทาของเล็กๆด้วยเหล็กผูกเอว ่าผูกเอลเด็กเพื่อกันผีเขาแนะนําให้เอามีดเหล็กมาทําเป็นมีดหมอโดยการทํามีดนั้นให้เกิดมีอํานาจแม่เหล็กขึ้นมาโดยการใช้เหล็กล่อถูไปทางเดียวคือปล่อยกระแสฟไฟฟ้าผ่านตัวมีดให้ใบมีดเกิดพลังแม่เหล็กขึ้นเมื่อทํามีดหมอสําเร็จแล้วก็ไปหาคนถูกผีเข้ามาเอาแม่เหล็กมีดหมอขับไล่ผีตั้งแต่ศีรษะไล่เรื่อยลงไปจนถึงปลายเท้าใช้อํานาจจิตบังคับเหมือนอย่างการสะกดจิตคน ผีจะออกตรงปลายนิ้วเท้าเสร็จแล้วให้เอาขวดแก้วไปรอไว้บังคับให้ผีเข้าไปในขวดด้วยจิตแล้วก็เอาจุกปิดปิดขวดเอาสายศิลพันธ์ลงปากขวดไว้วิญญาณมันจะไม่มีอํานาจผ่านแก้วได้ก็เอาขวดบรรจุวิญญาณนั้นไปถ่วงน้ําเสียทีนี้พออาจารย์สมบูรณ์ได้วิชาจับผีแล้วก็เดินทางกลับจะจําได้ว่าเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่เคยเห็นคนถูกผีเข้าสองหรือสามครั้ง เห็นหมอผีหรือว่าพระนี่ใช้น้ำมนต์รดบ้างใช้หวยเขี้ยนบ้างใช้เข้าสารสัดบ้างดูแล้วก็รู้สึกสงสารคนที่ถูกผีเข้าเมื่อถามครูที่โรงเรียนครูก็บอกผีไม่มีมันเป็นความเชื่อที่งมงายฝ่ายหมอแผนปัจจุบันก็บอกว่าคนที่ถูกผีเข้านั้นความจริงเป็นโรคประสาทอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าโรคฮิตเทียร์ต่อมาเมื่ออาจารย์สมบูรณ์เห็นผีเข้าจริงๆถึงได้รู้ว่าคนที่ว่าผีไม่มีนน่ะโง่ ผู้ทรงเดชไปอย่างนั้นเองไม่เคยเห็นและไม่เคยพบพวกนี้ละมังเมื่อตอนที่คุณสมบูรณ์เป็นอายการอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมามีคดีฆ่าคนตายรายหนึ่งคนที่ถูกฆ่าเป็นผู้หญิงแก่ถูกหาว่าเป็นผีฉมบผู้หญิงในหมู่บ้านนั้นคนนึงมีท้องแก่แล้วก็เกิดแทงขึ้นก็มีการเชื่อกันว่ายายแก่ที่เป็นผีฉมบน่ะละเป็นคนไปกินลูกในท้องมีคากล่าวหากันอย่างนั้น วันหนึ่งเวลาโพรเพยหญิงแก่ที่ถูกหาว่าเป็นผีชมบ์ในอยู่บ้านคนเดียวก็มีผู้ชายเข้าไปฆ่าแกตายคนที่ถูกสงสัยว่าเป็นคนร้ายก็คือสามีของผู้หญิงที่มีคันแล้วก็แท้งลูกนะ่ะอตอนนั้นอาจารย์สมบูรณ์เป็นคนว่าความคดีนี้เองแต่ว่าคนทั้งหมู่บ้านมีความยินดีที่ผู้หญิงที่ถูกหาว่าเป็นผีชมบ์เนี่ยตายซะได้สืบพยานกี่คนกี่คนพยานก็ให้การเสียหมดจนศาลต้องตัดสินยกฟ้อง สำหรับเรื่องผีในพลอยที่มาเข้าลูกของตัวเองเพราะต้องการที่จะพาลูกไปอยู่ด้วยที่เมืองผีเนี่ยถ้าไม่สามารถจะไล่ผีออกได้ผู้ถูกผีเข้าก็ต้องตายแน่เพราะไม่รู้ว่าแกจะแอบไปผูกคอตายเมื่อไหร่ที่จะให้แกไปอยู่กับแม่ซึ่งมีพ่อเลี้ยงยังหนุ่มนั่นก็ไม่ไว้ใจประกอบกับอาจารย์สมบูรณ์ก็อยากจะทดลองวิชาด้วยก็เลยบอกให้ยายของสมพรไปรับกลับมาโดยกล่อมยายซะจนเห็นจริงด้วย เมื่อกลับมานั่นแม่ของสมพรก็กลับมาดูด้วยพอย่างเขามาในบ้านเท่านั้นผีในพลอยไม่รู้อยู่ที่ไหนก็เข้าสิงลูกสาวทันทีมีอาการตาขวางคอยจ้องแต่จะขึ้นไปชั้นบนบ้านอาจารย์สมบูรณ์ก็ให้แม่เขาพาเอามานั่งพิงฝาเรือนอาจารย์สมบูรณ์ก็ไปนั่งลงตรงหน้าสมพรแล้วก็บอกว่านี่ในพลอยการที่ในพลอยจะมาพาเอาลูกไปด้วยนี่มันไม่ถูกต้องนะลูกยังมีชีวิตอยู่นะไม่ได้ตาย แล้วในพลอยจะให้ลูกฆ่าตัวตายเนี่ยมันบาปฉันยอมไม่ทําอย่างนั้นไม่ได้ในพลอยจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปแต่จะมาสิงอยู่ในตัวลูกไม่ได้ถ้าในพลอยไม่ยอมออกไปโดยดีบัดนี้ฉันได้รับอานาจจากพระนารายณ์มาแล้วฉันจะยิงในพลอยด้วยลูกศรพระนารายนี่แล้วก็จับในพลอยใส่ขวดไปถ่วงน้ําเสียให้ในพลอยต้องจมอยู่ใต้ท้องน้ําไม่มีโอกาสจะได้ผุดได้เกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปว่ายังไงจะออกหรือไม่ออกเสร็จแล้ว อาจารย์สมบูรณ์ก็เข้าสมาธิเพ่งกระแสจิตคมบังคับเหมือนอาการสะกดจิตข้างยายแล้วก็แม่ของสมพรเห็นอาจารย์สมบูรณ์ทำท่าน่ากลัวเอาจริงเอาจังอย่างนั้นก็เกิดสงสารผีขึ้นมายายของสมพรก็ขอร้องบอกว่าเออนี่พ่อพลอยเมื่อเขาไม่ให้อยู่เรือนเขาพ่อพลอยก็มาอยู่เรือนแม่ก็ได้แล้วก็อยู่เฉยๆอย่าไปรบกวนลูกไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะจับพ่อพลอยถ่วงน้าซะนะ ผีในพลอยก็ตอบผ่านร่างสมพรบอกว่าก็ได้แต่แม่ต้องห้ามอย่าให้ไอ้คนเก่งเนี่มันรังแกชนะยายของสมพรก็รับรองแล้วก็พูดต่อหน้าอาจารย์สมบูรณ์ต่อหน้าผีในพลอยที่สิงร่างสมพรอยู่บอกว่าพ่อก็อย่าทําอะไรเขานะถ้าเขารับรองว่าจะไม่เข้าไปเรือนนั้นแล้วก็จะไม่มารบกวนลูกอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าตกลงตามนี้ก็ได้จะต้องปฏิบัติตามนัญนานะไม่งั้นเนี่ยจะจับถ่วงน้ำซะทีเดียว พูดเสร็จแล้วก็เอาคันสอนและลูกศรที่นายพนิษ์ให้ขึ้นมาถือไว้ในท่าทางที่พร้อมจะยิงได้ทันทีผีนายพลอยก็พูดบอกว่าหลีกซิว่าจะให้ออกก็ตอนนั้นอาจารย์สมบูรณ์นั่งประจันหน้ากับสมพรอยู่ก็เลยขยับตัวหลีกให้สมพรก็เหยียดเท้าทั้งสองตรงออกไปแล้วก็ล้มตัวลงนอนตะแคงตั้งแต่นั้นผีนายพลอยก็ไม่ได้มาเข้าสมพรอีกเลยแต่ว่า อาจารย์สมบูรณ์ยังคิดจะทดลองต่อไปก็เอาอาหารเส้นผีในพลอยไว้ทุกวันอาจารย์สมบูรณ์นั้นแม้เข้ารับราชการในกระทรวงสากรณสแล้วแต่ระหว่างที่ยังไม่ได้เข้ารับราชการใหม่ก็เป็นทนายความอยู่ใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุและความที่โคราชก็ยังมีเหลืออยู่ว่าความยังไม่จบอยู่สองสมเรื่องพอได้รับหมายสาร น, นัดก็ไปว่าความเช้าวันหนึ่งก่อนจะออกเดินทางตั้งแต่ตีห้า อาจารย์สมบูรณ์ก็เข้าสมาธิบอกผีในพลอยให้ไปโคราชด้วยตั้งใจว่าจะพาเอาไปทดลองโดนจิตโดนใจพยานพอสั่งแล้วก็รู้สึกมึนหัวแล้วก็ตัวชักร้อนๆ้อนคล้ายจะจับไข้พอแกเดินออกจากบ้านเดินข้ามถนนราชจะดำเนินพบสามลอ้อคันหนึ่งก็ถามราคาจะให้ไปส่งที่สถานีหัวลำโพงคนขี่สามล้อก็บอกว่าไปสองคนก็ต้องเอาห้าบาทอ้าวเอ๊กเราไปคนเดียวแท้แต่คนขับสามลอ้อกลับเห็นเป็นสองคนไปได้ อ่ะก็ตกลงเพราะคิดว่าผีนายพลยก็คงจะทำให้คนสามล้อเขาเห็นระหว่างอยู่ในรถไฟอาจารย์สมบูรณ์ก็พยายามใช้จิตเรียกผีนายพลยไว้แต่หัวก็ยังรู้สึกมึนอยู่เมื่อถึงโคราชอาจารย์สมบูรณ์ก็ไปพักที่โรงแรมของทหารตอนเย็นก็เส้นอาหารให้กินครั้นวันรุ่งขึ้นไปศาลอ่าก็บอกให้ไปด้วยพอย่างเข้าในศาลเท่านั้นแกก็หายไปไม่รู้สึกหนักหัวแล้ว ลองนึกให้โดนจิตพยานก็ไม่ได้เรื่องกลับไปโรงแรมร้องเรียกดูก็ไม่มาต่อมาอีกสองปีอาจารย์สมบูรณ์เอาลูกชายผีในพลอยมาสะกดจิตสั่งให้ไปเรียกพ่อมาแกก็มาเข้าทรงลูกชายก็าถามว่าหายไปไหนมาแกบอกผ่านร่างลูกชายว่าไปอยู่บ้านเดิมที่พิษณุโลกซึ่งเป็นบ้านเกิดของแกตั้งแต่นั้นอาจารย์สมบูรณ์ก็เลยเลิกติดต่อกับ ผีในพลอยเพราะว่าแกเป็นผีขี้คลาดเขตทหารที่ดอนเมืองก็ไม่กล้าเข้าให้ไปศาลด้วยกันก็ไม่กล้าเข้าศาลเออแล้วจะเลี้ยงไว้ทำไมาละผี <laughs> ทีนี้มาคุยนถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาถรรพ์แบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับ ที่จังหวัดสิงห์บุรีวันนั้นลุงบัวแกนอนอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยบนแคร่ไม้ไผ่เสร็จแล้วแกก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเสียงเครื่องไฟขยายเสียงเปิดเพลงพินผ้าราตพนดังลั่นมาจากวัดเป็นเสียงจากงานศพที่วัดเสียงพินผาานี่แหละที่ปลุกให้แกตื่นขึ้น แกก็นึกงานศพไอตัวดีแกหัวเราะหื อ, หอตายซะได้ก็ดีแผ่นดินจะได้สูงอีตั้งศอกไอคนหนักแผ่นดินลุงบัวแกก็ลุกขึ้นไปตักน้าในโอ่งบ้วนปากลูบหน้าแล้วก็กลับมานั่งจากตอกแกจะสารรอบเอาไว้ดักปลาที่คลองหน้าบ้านแกมือแกก็ทํางานใจก็นึกถึงศพที่จะเผาที่วัดมันไม่ใช่คนดีคนเด๋อะไรไอขี้โกง พดในข้องอในกระดูกเป็นอันตรภานด้วยเมาที่ไรมีเรื่องทีนั้นชาวบ้านนี่ดา่ารับหลังนจนไม่มีดีเดินสวนทางก็ไม่ยังไม่อยากจะมองหน้าไม่อยากจะเข้าใกล้แต่ว่าก่อนตะวันตกดินวันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นคีเท่าไปแล้วแล้วคืนนี้เขาก็จะมีหนังให้ดูเออก็มีได้ที่ลูกหลานมันค้ายยาบ้าร่ํารวยเงินทองจะมีหนังมีลิเกละครให้มันหลายหลายอย่างก็ทําได้มีตังค์สักอย่าง แต่ ว, ว่าตังที่มันได้มามันได้มาจากของอปรรจังไรนั้นแหละตัวมันได้ตายด้วยโรคโรคประหลาดที่หมอโรงพยาบาลนี่งงเป็นไก่ตาแตกหมอก็ไม่รู้อ่าไม่รู้ว่าไนว่ามันเป็นโรคอะไรแต่ว่าลุงบัวรู้รู้ว่ามันตายเพราะอะไรไม่ใช่เชื้อโรคที่ทำให้แอปปังตายแต่แกนี่แหละไอ้บัวคนนี้แหละนะที่ทำให้มันตายได้ ไม่ต้องพูดว่ากลัวบาปกลัวกรรมหรือเปล่าบาปกรรมนะกลัวแต่คนอย่างไอ้ปังนี่มันสมควรตายแล้วก็จะต้องตายอย่างนี้ด้วยถึงจะสาสมก็บอกแล้วว่ามันชั่วมันร้ายไม่มีใครปานแกไม่เคยทำอะไรให้มันแต่มันกลับมาจงเกลียดจงชังแกอย่างเข้ากระดูกดำมันเห็นแกที่ไหนเป็นต้องถม่มถุยน้ำลายใส่ขากถุยขากถุยแกไม่เคยว่าอะไรมันเลย มันกับแกก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเคยเรียนหนังสือโรงเรียนวัดมาด้วยการอยู่ห้องเดียวกันบ้านก็อยู่ไม่ห่างไกลกันเท่าไหร่เคยวิ่งเล่นเดียกันมาก่อนแล้วมันก็เคยไล่เตะอ้นแกนมาก่อนแต่แกกับมันน่ยต่างกันตัวแกเนี่ยหมายถึงตัวลุงบัวนี่ไม่เคยยุ่งกับใครไม่ค่อยมีเพื่อนมีฝูงส่วนไอ้เจ้าปังนี่เพื่อนเยอะมันใจกว้างนักเลงส่วนลุงบัวนี่คนเงียบๆเฉ ย, ยๆ มันเกลียดแกเรื่องอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องที่มันเรียกให้แกกินเหล้าแล้วแกไม่กินมันก็หาว่าแกรังเกียจจริงๆแล้วแกไม่ได้รังเกียจแต่แกไม่กินเหล้าไม่เคยชอบเรื่องเหล้าเรื่องยาพ่อแม่สั่งเอาไว้ไม่ให้ไปแตะไปต้องมันแกก็สัญญากับพ่อแม่ไว้แล้วว่าจะไม่กินไม่ใช่แต่มันเรียกแกกินแล้วแกไม่กินไม่ว่าใครเรียกแกก็ไม่กินทางนั้นแหละจริงๆแล้วเรื่องมันก็ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเพิ่งจะมีเมียนู่น มันก็เก็บมาโกรดมาเคืองไม่พูดไม่จากระแกลเรื่อยมายิ่งลูกหลานโตมันมีพวกมีฝูงมากขึ้นมันก็ยิ่งวางอํานาจบาดใหญ่สวนทางกันก็พูดแวะ ต, าตา่างๆนานาแกก็ไม่เคยต่อล้อต่อเถียงนักเข้ามาปีที่แล้วนี่เองมันลงมือลงไม้กระแก่แกก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะแกไม่มีลูกเมียก็ตายไปแล้วอยู่กับหลานชายตามลําพังสองคนหลานชายคนนี้เป็นลูกของน้องสาว แกก็ไม่เคยเล่าให้เขาฟังเกรงจะมีเรื่องมีราวถ้ามีเรื่องกันสู้พวกมันไม่ได้อยู่แล้วพวกมันเยอะแล้วพวกมันนบ้าๆกันทั้งนั้นะแกออกไปสวนหลังบ้านเจอมันถ้าลบไม่ทันมันก็ถีบเอาบ้างดาบ้างชกต่อยเอาบ้างบางทีก็ตบหัวแกเหมือนกับสมัยเด็กๆไม่มีผิดสู้สิไอ้บัวสู้สิเว้ยสู้สิมันท่าแต่มือมันกลมอยู่ที่เอวตรงๆแกก็รู้มันคือปืนแกเห็นดำมันโผล่ออกมามันมีปืนส่วนแกมีแต่มือเปล่า จะไปทำอะไรมันได้มือไอ้มันหน้าตัวเมียฮะไอ้บัวแกไม่พูดสักคําเดียวปล่อยให้เขาดา่าก้มหน้าก้มตาเดินหนีผมบนหัวนี่สองสีแล้วแต่ต้องมักกลัวมันหงอเหมือนกับสมัยยังเป็นเด็กไม่ใช่ว่าตัวมันใหญ่โตมันผอมได้ซ้ําแกเสอีกตัวใหญ่พะมันแต่ใจของแกมันไม่ใช่นักสู้แกกลัวจะโดนมันฆ่าตาย มันเนี่ยทำให้แกเจ็บช้าน้ําใจเหลือเกินแต่ไม่รู้จะทํำยังไงกับมันแกก็แอบร้องไห้ด้วยความเจ็บใจแกก็ถามตัวเองว่าจะทํำยังไงดีจะแก้ปัญหายังไงไปแจ้งตํารวจเขาจับมันติดคุกลูกหลานก็ยังอยู่มันก็จะรุมเล่นงานแกนอีกลูกหลานมันหลายคนผู้ชายทั้งนั้นล้วนแต่หำาำบ้าบ้าไม่กลัวคุกกลัวตารางแกก็ได้แต่พยายามหล บ, ห ล, บหลิกๆตลอดมาเป็นปีปีเสร็จแล้วคืนหนึ่งแกก็นอนคิดอย่างเจ็บช้าใจจนม้อยหลับ แกก็ฝันไปว่าปู่มาหามาบอกว่าสงสารแกมากแต่อย่าไปสู้รบปรบมือกับมันเลยเอ็งเอาชนะมันไม่ได้หรอกไอ้บัวเอ้ยเอ็งมันไม่เหมือนเขาเขามันนักเลงจะปู่จะบอกอะไรให้อย่างนึงปู่มีวิธีที่จะไม่ต้องไปชกต่อยตีรันพันแทงกับมันเอ็งฟังปู่ให้ดีๆนะแช่งมันเอ็งต้องสาบแช่งมัน แช่งให้มันมีอันเป็นไปเขาเรียกแช่งบิดกระดูกเอ็งได้ยินไหมข้าจะบอกให้มันไม่ยากแต่ใจเอ็งต้องแน่วแน่จริงจังเอ็งฟังให้ดีนะเขียนชื่อมันใส่กระดาษแล้วกลั้นใจบิดกระดาษนั่นให้เป็นเกลียวเลยจุดไฟเผากระดาษนั่นตอนเที่ยงคืนแล้วสาบแช่งให้มันเป็นไปให้มันฉิบหายตายบิดเบี้ยวมันก็เกลียวเชือกเผากระดาษนั่นแล้ว เอากี้เท่ามันไปโปรยใส่เมรนเผาศพที่วัดทำอย่างนี้สามคืนแล้วเอ็งคอยดูสามวันเจ็ดวันเท่านั้นว่าอะไรจะเกิดขึนไอบัวเอ็งคอยดูแกตกใจตื่นปู่หายไปแล้วแกฝันไปเจอเสียงปู่ยังดังกล้องในหูนี่จำได้แม่นปู่ตายไปนานแล้วแต่ยังมาบอกแกรู้ว่าปู่เมื่อตอนที่ยังอยู่นี่เคยเป็นคนเล่นของมาก่อนมีวิชาอาคมเพียบเลย แต่ว่าจะทำตามปู่บอกดีหรือเปล่าแกก็คิดไม่ออกแกคิดอยู่สามวันในที่สุดก็ตัดสินใจที่ตัดสินใจก็เพราะเมื่อตอนเย็นแกเจอไอ้ปังที่หลังหมู่บ้านใกล้ต้นไทรใหญ่มันถุยน้ำลายใส่หน้าแกช่ยไอ้บัวตั้งแต่เด็กหัวดำจนแกจะตายอยู่แล้วหัวหงอกแล้วมึงไม่เคยคิดสู้กูเลยเอ่ะอันนี้แหละ ที่ทําให้คืนนันยามดึกสงัดแกต้องลงมือทําตามที่ปู่บอกเขียนชื่อนามสกุลมันใส่ในแผ่นกระดาษลกล่านใจบิดกระดาษแผ่นนั้นจดเป็นเกลียวจุดไฟเผาแล้วก็แช่งชักหักกระดูกงไปด้วยมนบิดกระดูกบทที่ปู่บอกเนี่ยแกกระนําพร่ำบนอย่างหนักน่วงหนักแน่นจิตแน่วแน่พุ่งไปที่ตัวไอ้คนข่มเหงรังแกแล้วแกก็มุ่งหน้าไปวัดไปยังเมนเผาศพที่มืดมิดน่ากลัว ที่รวมของศพทั้งคนตายดีตายร้ายต้องเอามาเผากันที่เนี่ยแกก็โปรยเท่ากระดาษลงไป พ, พึมพำนสาบแช่งไปด้วยอย่างจริงจังเอาเป็นเอาตายตอนที่แกหันหลังพล่าออกมาจากเมนที่อยู่ใกล้ป่าชาแกรู้สึกเยือกเย็นไขสันหลังบอกไม่ถูกหมาวัดนี่หอนโหยหวนมองไปทางไหนก็ล้วนแต่น่ากลัวชวนวังเวงทั้งนั้นแต่ด้วยใจที่มุ่งมั่นแน่วแนว่ต้องการจะให้คนที่มันทากับแกต้องมีอันเป็นไป แกก็ข่มความหวาดกลัวเอาไว้อย่างสุดชีวิตเลยแกทำพิธีแช่งบิดกระดูกอยู่สามคืนหลังจากนั้นแกก็คอยฟังข่าวน่าแปลกหลังจากคืนแรกที่แกแช่งมันเนี่ยแกไม่เคยเจอมันอีกเลยแล้วอยู่ๆแกก็ได้ข่าวมันตอนบ่ายของวันที่ห้าข่าวนี้มากับหลานชายลุงลงลุงลุ ง, ล ง, ล ง, ลงรู้ไรเปล่าอะไอ้อ้วนอ้วนหลานชายอะเพิ่งปั่นจักรยานกลับมาจากข้างนอกอะไรของเองอะไอ้อ้วน อ่ะไอปังสิลุงมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาว่าแขนขามันบิดเบี้ยวไปหมดไปโรงพยาบาลหมอก็ไม่รู้จะรักษาอย่างไงจริงๆนะลุงเขาว่าอยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาอย่างงั้นอ่ะเขาบอกว่ามันบวดร้อนร้อ น, อนหนาวหนาก่อนคขั้นเนื้อขั้นตัวหนักเข้าก็ปวดเมื่อยไปหมดแล้วก็บิดตัวไปบิดตัวมาเหมือนกับคนเราที่เวลาเมื่อยๆอ่ออะลุงแต่หนักขา้าวแขนขานั่นแหละมันบิดเบี้ยวไปเอง เขาบอกว่าแก็บเริ่มเป็นมาสองสามวันแล้วแต่วันนี้เป็นมากเขารีบพาไปหาหมอใครเป็นคนเล่าเองฟังเขาคุยกันที่ร้านค้านะผมได้ยินมาแกนึกถึงคำพูดของปู่สามวันเจ็ดวันได้ผลจริงๆมนบิดกระดูกของปู่นี่รัังเหลือเกินคนป่วยโรคประหลาดไปอยู่โรงพยาบาลนานสามเดือนก็ไม่หายไม่ดีขึ้นมีแต่สุดลงไปเนื้อตัวแขนขาบิดเป็นเกลียวหมอ หลายคนสายหน้าอย่างจนปัญญาต้องพากลับมารักษาที่บ้านยิ่งนานวันร่างนั้นก็ผอมแห้งแล้วก็บิดเหมือนกระเกลียวเชือกสุดท้ายก็หมดลมลุงบัวไม่ถูกกัเจ้าภาพก็จริงแต่คืนนี้แกจะไปดูหนังแกได้ยินเขาโจทย์ขานกันว่าเจ้าภาพหาหนังมาฉายให้ดูคนดูจนสว่างละ่ะคืนนี้ละ่ะแกก็รู้สึกคล้มใจอย่างประหลาดเจ้าหลานชายก็ถามตอนหัวค่ำบอกลุง ลุงจะไปดูหนังหรือเปล่ปาอะแกก็มองหน้าหลานชายแกอ่าไปสิไปใกล้บ้านแค่นี้เห็นว่าจะมีหนังสว่างเลยไม่ใช่เหรอคงไม่ครับลุงเาวบ้านก็พูนกันไปเองมากกว่าตอนที่ลุกจากนั่งกินข้าวมีบางอย่างลอยผ่านหน้าแกแวบหนึ่งแกรู้สึกวูบมึนงงกระเซยมือเปะปากคว้าขอบประตูครัวนึกอยู่ในใจว่า เอ๊ะมันเป็นอะไรทําไมโลกมันเอียงบูบว่ะน่าจะคว้า ข, าขอบประตูไม่ทันแกก็คงล้มคว้าจะพื้นนั่นแหละหลานชายเหลียวมาจะเก็บสําหรับกับข้าวเข้าตู้เห็นลุงเอามือจับขอบประตูไว้มือสั่นเนี่ยมองมืออีกข้างก็สั่นไม่ต่างกันลุงลุงเป็นอะไรไปอ่ะลุกขึ้นคว้าต้นแขนอ่าหมายจะประคองลุงแต่ว่าลุงบัวสายหน้า ย, ยกมือปฏิเสธไม่เป็นไรไม่เป็นไรมัน ง, งงงหน่อยๆเท่านั้น อะไรไม่รู้เว้ยมันลอยผ่านหน้า ว, ว, วูบวบุบวาบว่าบลุงบัวแกไปดูหนังแกไม่ได้ไปกับหลานชายหลานชายไปกับเพื่อนๆนตัวลุงบัวไปนั่งหลบอยู่ข้างหลังจอแกไม่อยากให้คนอื่นเห็นโดยเฉพาะลูกหลานน้องคนตายแกชอบดูหนังมันทันอกทันใจไม่เหมือนลิเกอืดอาดยืดยาหน่ารำคาญ แล้วการแสดงเขามันก็เป็นจริงเป็นจังให้เห็นบ้านเมืองแปลกแปกเหมือนก็ได้ไปเที่ยวที่โน่นที่นี่จริงๆระหว่างที่นั่งดูอยู่นั้นแกก็หันมองคนอื่นที่นั่งดูหนังหลังจอมีอยู่ไม่กี่คนนะส่วนใหญ่เขาดูกันทางหน้าจอแกนั่งห่างจากคนอื่นมากไอตรงที่แกนั่งนี่มันใกล้ปา่าช้าแกก็รู้สึกเสียวสหลังอยู่เหมือนกันแล้วแกก็แวบนึกถึงไอสิ่งที่มันลอยผ่านหน้าแกแวบในครัวที่บ้าน แล้วทำให้แกมึนงงไปเลยว่ามันคืออะไรแกไม่เคยเจอเจอแบบนี้มาก่อนมันเหมือนเปลวไฟสีแดงจ้าแกตั้งใจจะดูหนังให้มีความสุขหนังจีนกําลังภายในแต่แกกลับกระวนกระวายใจแกรู้สึกเหมือนกับว่ามีสายตาคู่หนึ่งแอบดูอยู่แกก็เหลียวมองข้างหลังก็ไม่เห็นมีใครความรู้สึกแบบนี้รบพวนแกมากอุยไม่ไหวละไม่ดูแล้วหนังกลับบ้านนอนดีกว่าแกก็บอกตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นยืนสลัดแขนสลัดขานั่งนานๆมันเมื่อย เสรแล้วแกก็ดุมเดินออกจากวัดห่างออกมาจากเสียงภาคหนังสนันวันไหวยังไม่มีใครเขากลับ ก, บกันเราแกเดินมาตามถนนที่เปรียวเปล่าไส้มือเป็นลำคลองขวามือก็เป็นหมู่ไม้ทอดยาวไปตลอดข้างในหมู่ไม้ก็มีบ้านปลูกอยู่มีบ้านบางหลังก็ปลูกริมถนนบ้านแต่ละหลังมักจะว่างเปล่าไม่มีคนนอนอยู่คนในบ้านไปดูหนังกันหมดทิ้งบ้านในเป้าตัวเองช่วยตัวเองไปบางช่วงก็ไม่มีบ้านแม้แต่หลังเดียว ข้างทางเป็นเลือกสวนคระครึมไปด้วยต้นหมากรากไม้แกก็เดินเขาแกเรื่อยมาแกไม่ได้นึกกลัวก็อายุปูนนี้แล้วเสร็จแล้วอยู่ๆแกก็รู้สึกมีบางอย่างตามมาข้างหลังแกหันกลับไปมองเอ๊ะไม่เห็นมีใครแกเดินอยู่คนเดียวแล้วทําไมแกเกิดความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาได้เอ๊ะอะไรของมันแกก็รีบๆเดินเพื่อจะให้ถึงบ้านเร็วๆเสร็จแล้วก็มีแสงแดงจ้าเป็นเปลวไฟลอยไล่มาข้างหลังมันพุ่งเข้าใส่แกแกออกวิ่งอ่า วิ่งหนีมันเห็นท่าจวนตัวก็หลบเข้าไปหลังพุ่มไม้หลบได้แล้วก็รอบมองมันเนื้อตัวนี้สันสะท้านใจเต้นรัวเชียวมันเป็นเปลวไฟลอยวนเวียนคล้ายๆมองหาอยู่เหนือพุ่มไม้แกนี่ไม่กระดุกกระดิกอ่ะมันไม่ใช่ดวงไฟกลมๆแต่เป็นเปลวไฟบิดบิดเบี้ยวเบียวแกจําได้ว่ามันคือเปลวไฟแดงจ้าที่ลอยแวบผ่านหน้าแกไปแล้วทําให้แกหน้ามืดมึนงงเมื่อตอนหัวค่านี่แกได้ยินเสียงแววแววดังมาจากเปลวไฟ ไอบัวไอบัวเสียงไอปังนี่แกคิดเอ๊ะใช่เนี่ยเสียงทาไมเสียงมันดังออกมาจากเปลวไฟนั่นได้เฮอหรือว่าวิญญาณมันมันลอยวนเวียนอยู่หลายอุดใจในที่สุดแล้วมันก็ลอยห่างออกไปคล้ายกับหาไม่เจอก็พละจากไปมันลอยห่างกลับไปทางวัดแกขยับตัวถอนหายใจเบาๆเมื่อครู่นี้ลืมหายใจไปชั่วขณะแต่ตอนนี้โล่งอกแล้ว แกก็ออกจากปุ่มไม้เหลียวมองไปรอบๆเออมันไปแล้วจริงๆแกก็รีบจำอ้าวอ้าวกลับบ้านมันต้องเป็นวิญญาณขอไอ้ปังแน่เลยมันบิดเบี้ยวเหมือนกับเนื้อตัวของมันน่ะแหละแกกลับถึงบ้านกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าบ้านก็เห็นบางอย่างนอนบิดตัวอยู่นั่นข้างต้นชมพู่แสงจันข้างแรมส่องสลัวแล้วอยู่ๆเปลวไฟแดงจ้าลอยวูบพุ่งเข้าไปในร่างนั้น แล้วร่างนั้นก็กลิ้งเข้ามาหาแกแกก็วิ่งพรวดเข้าบ้านก็กลิ้งหลุนๆเข้าขัดขาแกล้มควม่ะเจ้าอ้วนลานชายกลับจากดูหนังตอนก่อนสว่างเสียงไก่ขันและ้ะก็เห็นลุงบัวนอนตัวบิดตัวเบี้ยวอยู่กลางลานลานดินหน้าบ้านลุงลุงเป็นอะไรอ่ะแกพูดไม่ได้นอกจากร่างกายแขนขาบิดเบี้ยวแล้วปากก็เบี้ยวพูดไม่เป็นภาษาคนเยเวรัง อุปเนยะหันติเวรังเตสังนะสัมมติเวนของผู้จองเวณย่อมไม่ระับเวนของผู้จองเวนมีเช่นนี้เวนไม่มีทางดับระับผันยิ่งแกล้งเขาเวณชั่วยิ่งพัวพันไม่มีวันสิ้นสุดไม่หยุดเลยเพราะต่างฝ่ายต่างปองจองอาคาตพยาบาทเขีนฆ่านิจยาเอย๋ยยิ่งบีบคั้นบ้าคลั่งอย่าหวังเลยเวนจะเฉยหยุดลง คงไม่มีสวัสดีครับเมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์ก็มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับ วันนี้จะเล่าเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่อำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังเมื่อวันที่15เมษายนปี2511ที่บ้านหมู่ที่1ตำบลบ้านแป้งอำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเกิดเหตุฆาตกรรมที่บ้านนางจำรัดนามสกุลสุภานินมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงนางจำรัดเจ้าของบ้านได้รับบาดเจ็บสาหัส ญาตินำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแต่ว่านังจำรัดทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลนี่คือข่าวสั้นๆข่าวหนึ่งที่ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์รายวันข่าวขจตกรรมทำนองนี้มีให้อ่านกันเป็นประจำคนอ่านก็ไม่ได้รู้สึกสะดุ้งสะเทือนสักเท่าไหร่เพราะว่าบ้านนี้เมืองนี้มันชาชินไปซะแล้วกับข่าวฆ่ากันตายทุกวันทุกวัน การที่มีสาเหตุล้างแานชีวิตสังหารกันเป็นรายวันเหมือนกับเป็นเรื่องปกติธรรมดาคือภาวะส่วนหนึ่งซึ่งสะท้อนในเห็นสภาพจิตใจของกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยที่ตกต่ำถึงขั้นไม่สานึกถึงบาปเวรอะไรทั้งสิน้นคนเหล่านี้ไม่ตระหนักถึงกรรมดีกรรมชั่วที่จะส่งผลต่อตัวเองทั้งในชาตินี้และชาติหน้า กว่าจะรู้ว่าผลแห่งกรรมนั้นเป็นยังไงก็ต่อเมื่อตัวเองกำลังแหลกสลายอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสที่เรียกว่านารกภูมิกลับมายัางเรื่องราวของนางจำรดสุภานินซึ่งตกเป็นเหยื่อฆาตกรรมรายนี้นางจำรดนี่เป็นชาวชนบทพื้นบ้านเมื่อมีอายุสูงวัยขึ้นก็เริ่มเขาไปรับใช้ใกล้ชิดวัดวาอารามในฐานะพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ธรรม วัดคูคือวัดใกล้บ้านที่นางจำรัดไปทำบุญเป็นประจำกระทั่งก่อนสิ้นชีวิตประมาณหนึ่งปีนี่นางจำรดไปถือโบสถที่วัดคูทุกวันพระนับเป็นอุบาสิกาผู้เคร่งครัดพอสมควรวันที่ 15, สิบห้าเมษา ย, ยนสองพรสิบเอ็ดซึ่งเป็นวันที่นางจำรัดต้องจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับและเป็นวันสุดท้ายของตรุษสงกรานประจําปี พอดีขณะนั้นนางจำรัดกำลังยืนป้อนขนมหลานอยู่ตรงชานเรือนมีฝาไม้ระแนงตีเป็นช่องเล็กๆกัก้นอยู่ทุกด้านอยู่ๆนางจำรัดก็สะดุ้งสุดตัวแล้วสุดหวบลงไปนั่งกับพื้นนางจำรัดเล่าให้ฟังก่อนตายว่ารู้สึกเจ็บแลบลบตรงชายโครงแล้วก็จุกเสียดจนหมดแรงจะยืนเมื่อก้มมองตรงชายโครงนางจำรัดก็ตกใจสุดขีดก็เห็นเลือดทะลักออกมาแดงฉานไปหมด พอดีกับลูกออกมาจากหลังบ้านเห็นเข้าก็ร้องเรียกให้คนช่วยแล้วก็ถลาเข้ามาประคองแม่ซึ่งตอนนั้นแน่นิ่งไปแล้วคราวนี้ก็โอลห ม, ม่านกันทั้งบ้านรีบช่วยกันพานางจำรัดไปส่งโรงพยาบาลนางจำรัดสิ้นใจตายโดยไม่ทันถึงมือแพทย์ยังความโศกเศร้าเสียใจให้แก่ลูกหลานญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่งผลของการชนะสูตรศพนางจำรัดพบว่าถูกรอบยิงด้วยอาวุธปืนขนาดสิบเอ็ดมม ซึ่งมีอนุภาพประหัตประหารร้ายแรงเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ามาสอบสวนหาสาเหตุการฆาตกรรมก็ไม่พบว่านางจำรัดมีกรณีทะเลาะวิวาทหรือว่าขัดแยง้งผลประโยชน์อย่างรุนแรงกับใครที่พอจะเป็นสาเหตุให้เกิดความโกรธแค้นถึงกับมีผู้ลอบสังหารหรือว่ามีผู้จ้างวันแล้วที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งก็คือผู้ที่อยู่ใกล้บริเวณที่นางจำรัดยืนอยู่นี่ไม่มีใครได้ยินเสียงปืน หรือว่าเสียงดังผิดปกติคล้ายเสียงปืนได้อย่างใดทั้งสิน้นมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆกันคนหนึ่งกําลังอาบน้ําที่ท่าน้ําหน้าบ้านเล่าให้ฟังว่าเขาได้ยินเสียงคล้ายๆปืนแต่ว่ามันดังมาจากฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฟากตรงกันข้ามแต่สําหรับกรณีนี้ถ้ามีคนยิงปืนข้ามแม่น้ํามาจริงๆก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะว่าความกว้างของแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงนั้นน่ะวิถีกระสุนไม่มีทางจะข้ามมาถึงบ้านนางจํำรัดอย่างแน่นอน ที่น่าแปลกใจอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงบริเวณระเบียงซึ่งนางจํำรัดยืนอยู่นั้นมีฝาไม้ระแนงตีกั้นเอาไว้ที่ยิบหากมีผู้รอบยิงนางจํำรัดไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือไกลก็าตามวิถีกระสุนจะต้องทะลุทะลวงซี่ไม้ระแนงก่อนแต่ตรงฝาไม้ระแนงกลับไม่มีร่องรอยอะไรเลยทําให้ไม่รู้ว่าวิถีกระสุนนี่มาจากทิศทางไหนมันก็ยากที่จะระบุตาแหน่งของผู้รอบยิงได้ ผลของการสืบสวนหาผู้กระทำผิดรอบสังหารหนางจำรัดก็เลยมืดมนไปหมดแล้วในที่สุดก็ไม่อาจจะหาตัวคนร้ายมาลงโทษได้คดีหนึ่งสำหรับศพของนางจำรัดนั้นลูกหลานญาติพี่น้องก็ทำพิธีชาปนากิจให้ตามประเพณีจนเรียบร้อยในตอนแรกๆที่นางจำรัด จ, จากไปอย่างไม่มีวันกลับผู้ใกล้ชิดต่างก็โศกเศร้าเสียใจยด้วยความรักอะไรอย่างรุนแรง แผนเวลาล่วงเลยไปความรู้สึกม่นหมองคลองเศ้าก็ค่อยๆห่างหายไปทีละน้อยกระทั่งเหลือแต่รอยอะไรรำลึกถึงกันเท่านั้นหลังจากนางจำรัดตายไปแล้วคนที่รู้จักมักคุ้นกับนางจำรัดต่างก็คิดไปตามประสาความเชื่อของตัวบางก็ว่านางจำรัดนี่คงจะไปเกิดใหม่แล้วแต่จะไปเกิดเป็นลูกเต้าเหล่าใายไปเกิดที่ไหนนะ่ะสุดปัญญาจะอย่างรู้ได้ ส่วนบางคนก็เชื่อว่านางจำรัดนี้น่าจะไปเกิดเป็นนางฟ้านางสัปเรบร้อยเพราะเห็นนางจำรัดเข้าวัดเข้าวารักษาศีลอุโบสถเป็นอุบาสิกานุ่งขาวห่วมขาวไปอยู่วัดทุกวันพระแต่ที่จริงแล้วนางจำรัดไม่ได้ไปไหนเลยจิตวิญญาณยังวนเวียนวุ่นวายอยู่ระหว่างวัดคูกับวัดอัมพวันซึ่งเป็นถิ่นเดิมขณะที่นางจำรัดยังมีชีวิตอยู่และแล้ววิญญาณนางจำรดก็มาปรากฏ เป็นครั้งแรกเห็นโดยกลุ่มเพื่อนอุบาสิกาของนางจำรัตนั่นแหละคือทุกวันพระเพื่อนอุบาสิกาของนางจำรัตต่างก็มารักษาศีลอุโบสถนอนค้างคืนที่วัดเป็นปกติแล้วก็จะนอนอยู่ที่นั่นเย็นวันรุ่งขึ้นถึงเวลากลับบ้านแต่ละคนก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมัน วันนั้นอุบาสิกาเพื่อนของนางจำรัดสี่ห้าคนก็เดินเกาะกลุ่มกันออกจากประตูวัดมาได้ไม่เท่าไหร่ก็อมองเห็นผู้หญิงใบกลางคนนุ่งขาวห่วมขาวแต่ออกสีมบนเดินนำหน้าห่างออกไปไม่ถึงยี่สิบเก้าเพื่อนเพื่อนของนางจำรัด จ, จำด้านหลังของผู้หญิงถึงดุมเดินอยู่ข้างหน้าได้แม่นยำว่าเป็นรูปร่างลักษณะของนางจำรัดแน่แน่และแม้แต่ท่าเดินก็เหมือนกันไม่ผิดพินแต่จะเป็นได้ยังไงเพราะว่า นางจำรัดในี่ตายไปนานแล้วอุบาสิกาคนหนึ่งใจกล้าว่าเพื่อนก็เร่งฝีเท้าเดินตามเข้าไปจนใกล้ตั้งใจจะดูหน้าให้ถนัดให้หายสงสัยว่าเป็นใครกันแน่เหลืออีกสองามก้าวเขาจะถึงตัวอยู่แล้วอุบาสิกาคนนั้นก็แทบจะล้มทั้งยืนเพราะผู้หญิงซึ่งด้านหลังเหมือนนางจำรัดประหนึ่งฝาแฝกที่กำลังเดินเนิบเนิบอยู่ตรงหน้านั้นหายวับไปในพริบตาคราวนี้เลยสิ้นสงสัย แต่เกิดอาการอกสั่นขวัญหายเข้ามาแทนที่อุบาสิกาใจกล้าคนนั้นพอตั้งสติได้ก็วิ่งขาสั่นพับผาพับกลับมารวมกลุ่มแล้วก็เกาะกลุ่มกันไปจนถึงย่านที่มีคนพลุกพล่านถึงได้แยกกันกลับบ้านของตัวเรื่องพบผีนางจำรัดเดินนําหน้ากลุ่มอุบาสิกาเพื่อนเก่านี่เป็นเรื่องอื้อฉาวกล่าวขานกันไปทั่วหมู่บ้านทั่วตําบลแล้วก็เป็นอันได้รู้สันทีแล้วว่าวิญญาณนางจำรัดยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดที่ไหน แต่ ว, ว่าวนเวียนอยู่ในละแวกบ้านเกิดนี่เองวิญญาณของนางจำรัดปรากฏเป็นกายอยา่าให้เห็นเพียงครั้งนั้นครั้งเดียวก็ไม่เคยไปหลอกหลอนใครอีกดังนั้นคนที่เคยสะดุ้งหวาเสียวว่าจะเจอนางจำรัดเดินงุ่มงามนำหน้าหรือว่าสวนทางมาก็เริ่มหายกลัวกระทั่งในที่สุดก็ลืมกันไปหลังวัดอัมพวันน้องสาวของนางจำรัดคนหนึ่งคือนางบุญชู มาได้สามีปลูกบ้านอยู่ที่หลังวัดอำมพวันสามีของนางบุญชูชื่อนายสงวนนามสกุลสีพวงวงทํทำงานเป็นพานโรงประจำโรงเรียนประชาบาลวัดอำมพวันนางบุญชูอยู่กินกับนายสงวนเป็นปกติสุขตามสมควรกระทั่งมีลูกด้วยกันสองคนเมื่อนางจำรัดพี่สาวตายไปนางบุญชูก็โศกเศร้าเสียใจเป็นธรรมดาแล้วความอะไรก็ผ่อนคลายจางไปในที่สุดตามวิสัยชาวโลก ข่าวที่ผีนางจำรัดมาปรากฏ ร, ร่างให้อุบาสิกาเพื่อนเก่าเห็นเนี่ยนางบุญชูก็รับรู้รับฟังแต่ไม่ได้สนใจใส่ใจอะไรนักแล้วก็ออกจะไม่เชื่อโซได้ซัมก็คิดว่าเพื่อนเก่าของพี่สาวเนี่ยอาจจะตาฝาดไปก็ได้พอถึงเดือนเก้าปีเดียวกันกับที่นางจำรัดถูกยิงตายนางบุญชูซึ่งมีโรคประจําตัวคือปวดข้อมือข้อเท้าแล้วก็มีอาการเกรงกระตุกแทรกเป็นบางครั้ง เกิดอาการโรคประจำตัวกำเริบขึ้นมาอย่างฉับพลันแล้วก็มีอาการรุนแรงยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาถึงกรองครางโอยๆดิ้นทุรนทุรายเพราะปวดกระดูกข้อเหลือจะทนในสงวนสามีก็ตกใจก็รีบไปตามญาติพี่น้องมาช่วยดูแลเป็นโกละหลุนพวกญาติญาติต่างก็ช่วยกันหาน้ำมันหายาที่จะทำให้ร้อนมาฉโลมทาแล้วก็บีบนวดเป็นการใหญ่แต่อาการของนางบุญชูก็รู้สึกจะไม่ทุลาเอาเสียเลย บางครั้งชักกระตกดิ้นรนจนญาติถึงก็ต้องขึ้นไปทับทั้งตัวให้หยุดดิน้นนางบุญชูทุรนทุรายไม่ได้สติตั้งแต่เช้าถึงบ่ายสี่โมงเย็นอาการถึงได้ทุเลาแล้วก็หลับไปเล่นเอาฝวายที่มาช่วยพยาบาลนี่อ่อนระโหยรวยแรงอ่อนอกอ่อนใจไปตามๆกันนางบุญชูทำท่าจะหายเป็นปกติไปจนถึงทุ่ม ข, ขวา่าโรคของนางบุญชูก็เกิดกําเริบขึ้นมาอีกนายสงวนและญาติๆก็ต้องผลัดเปลี่ยนกันบีบนวดไม่หยุด กระทั่งเกือบเที่ยงคืนอาการทุรนทุรายนั้นได้สงบลงแล้วนางบุญชูก็หลับไปญาติพี่น้องที่มาช่วยพยาบาลเห็นว่าดึกดื่นค่อนคืนแล้วก็เลยพากันนอนค้างที่บ้านนายสงวนเฉยเลยเช้า ว, วันรุ่งขึ้นญาติๆเห็นนางบุญชูนอนหลับสนิท่างก็แยกย้ายิกันกลับบ้านของตัวส่วนนายสงวนสามีก็รีบไปทํางานที่โรงเรียนประชาบาลวัดอัมพวันเหมือนกันตั้งใจว่าตอนใช้าสายทํางานตามหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้แลวก็จะ กลับมาดูนางบุญชูใหม่พอนายสงวนทํางานของโรงเรียนเสร็จกําลังจะกลับบ้านเดินผ่านไปทางด้านหลังตัวอาคารเรียนซึ่งมีโอ่งน้ําขนาดใหญ่ตั้งเรียงรายอยู่ก็เห็นนางบุญชูนั่งพิงโอ่งใบหนึ่งหันหลังให้ไม่รู้ว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นายสงวนก็แปลกใจเพราะว่านางบุญชูเจ็บไข้ไม่สบายนอนสมอยู่กับบ้านแท้ๆทําไมถึงได้ลุกออกมาเดินเพ่นพ่านไกลบ้านอย่างนี้นายสงวนก็เดินเข้าไปใกล้แล้วก็ถามด้วยความเป็นห่วง แกมาทำไมที่นี่ฮะกำลังไม่สบายทำไมไม่นอนอยู่บ้านก็จะมาช่วยแกกวาดถูโรงเรียนนะ่ะนางบุญชูตอบทั้งทั้งที่ไม่มองหน้าตอนนั้นขัดทำเสร็จหมดแล้วละ่ะกำลังจะกลับไปดูแกเนี่ยไปกลับบ้านไปนอนพักผ่อนโอยไม่รู้มาทำมหอะ่ะเออนายสงวนบอกให้เมียกลับบ้านนางบุญชูก็ลุกขึ้นอย่างว่าง่ายออกเดินนำหน้าไปไม่พูดไหมจ๊ะ นายสงวนก็เดินตามหลังเมียไปห่างๆแทนที่นางบุญชูจะตรงไปที่บ้านตัวกลับเลี้ยวเข้าประตูวัดอัมพวันแล้วก็ดิ่งไปที่โรงครัวที่เป็นสำนักผ่ายแม่ชีที่โรงครัวมีแม่ชีนั่งอยู่หลายคนนางบุญชูก็เข้าไปหยุดยืนทื่อๆเอวยปากขอข้าวกินแม่ชีทุกคนสนิทสนมกับนางบุญชูอยู่แล้วเพราะนางบุญชูมาช่วยงานโรงครัวที่วัดเป็นประจำแม่ชีคนหนึ่งก็เอวยทักทายอ่าไปยังไงไมายังไงกันละแม่ชู เห็นได้ข่าวว่าไม่สบายไม่ใช่เหรอพ่ออายุธมันไม่ให้กินข้าวพ่ออยุตนี่นางบุญชูหมายถึงนายสงวนสามีแม่ชีก็เลยตักข้าวราชกับข้าวเอามาให้นางบุญชูก็รับไปนั่งกินไม่มองหน้าใครพอดีนายสงวนตามมาถึงว่าเข้าไปคุยกับแม่ชีเล่าเรื่องที่นางบุญชูไม่สบายเพราะโรคประจําตัวก like ําเล่าให้ฟัง ขณะเดียวกันนายสงวนกับแม่ชีก็พากันสังเกตเห็นว่านางบุญชูมีอากัปกิริยาแปลกๆไม่เหมือนเดิมในตาขุนขาวแล้วก็ไม่ยอมสบตาใครฝ่ายนางบุญชูกินข้าวภูนจานจนหมดเกลี้ยงแล้ววางจานเปล่าทิ้งไว้เดินไปคว้ากระจุกกระเทียมซึ่งแขวนไว้ในโรงครัวจะเอากลับบ้านหน้าตาเฉยนายสงวนรีบโดดก็ไปแย่งกลับมาเก็บไว้ที่เดิมแล้วก็ดุเมียแกจะเอาของเขาไปไหนนี่มันกระเทียมวัดนะ ของของเราทำไมจะเอากลับบ้านไม่ได้ล่ะนางบุญชูทำท่าหึดฮัดในสงวนเห็นท่าไม่ได้การรีบพาเมียออกจากวัดอัมพวันกลับบ้านเลยถึงบ้านแล้วก็ให้นางบุญชูนอนพักผ่อนก่อนตัวเองก็รีบผงข้าวทำกับข้าวเตรียมไว้ให้พอข้าวสุกก็เรียกลูกเมียมากินข้าวนางบุญชูซึ่งกินข้าวที่โรงครัววัดอัมพวันมายกยกลุกขึ้นมากินข้าวอีก ขณะนั่งกินข้าวนางบุญชูมีกิริยาอาการท่าทางไม่เหมือนเดิมเอาเสียเลยตักข้าวเข้าปากหกเรียราชเลอะเทอะมุมมามแล้วก็ไม่ยอมมองหน้าในสงวนสามีซึ่งเฝ้าสังเกตอยู่กินข้าวหมดจานแล้วก็คดเติมอีกหลายรอบเทน้ำปลาราดข้าวจนชุ่มกินได้กินดีเหมือนกับอดอยากยหิวโหยมานั่นในสงวนยิ่งดูก็ยิ่งแปลกใจเพราะไม่เคยเห็นนางบุญชูมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนกินข้าวเสร็จ นางบุญชูก็นั่งพูดพึมพำพึมพำไม่เป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวพอนายสงวนเข้าไปพูดด้วยกว็หันหน้าหนีไม่ยอมศบตาด้วยเวลานั้นประมาณบ่ายสามโมงญาติพี่น้องก็พากันมาเยี่ยมดูอาการป่วยไข้ทักทายถามไถ่อะไรนางบุญชูก็ไม่ตอบไม่มองหน้าใครเอาแต่พูดเพ้อเจ้อชมบ้านตัวเองว่าสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้เหมือนกับคนเสียสติป้าจะนี่แกเป็นญาติผู้ใหญ่ของนายสงวน สังเกตดูความผิดปกติของนางบุญชูอยู่นานเห็นท่ามาได้เรื่องก็เรียกนายสงวนมาหาใกล้ๆเสร็จแล้วก็กระซิบบอกไอ้ทิศอีชูเมีย เ, เองเนี่ยดูท่ามันจะผิดท่าผิดทางเสียแล้วเลยเขาว่าผีเข้ามันแน่ๆเองรีบไปตามหมอมาเร็วๆเฮ้อหน้าแปลกที่ปัจจกระซิบกระซาบกับนายสงวนเบาๆแล้วอยู่ไกลผสมควรแต่นางบุญชูกลับได้ยินที่พูดกันชัดเจนโวยวายขึ้นมา หาหมอมาทําไมอะไรอะไรไม่ดีก็ว่าผีโทษผีเอาหมากให้ขะกินหน่อยข้จะกินหมากญาติก็จัดหาหมากมาให้ตามที่ต้องการนางบุญชูรับมาใส่ปากเคี้ยวหยับหยับหยับกินหมากติดต่อกันสามคำรวดปรจชญเห็นอย่างนั้นก็พูดเสียงดังเยเอ๋อีนี่มันไม่ใช่อีชูกินหมากเนี่ยมันต้องมีผีมากินหมากซะแล้วล่ะ อะไรก็ผีอะไรก็ว่าผีนางบุญชูก้มหน้างุดเทําท่าไม่พอใจแล้วก็เรียกหมากมากินอีกเอาหมากไม่กูอีกเนกูจะกินหมากอีกคํานางบุญชูพูดไปเอามือคำชายโครงด้านหนึ่งไปในตาคุณขวางยิ่งกว่าเกาญาติาาคนอื่นๆก็พากันถอยออกไปอยู่ห่างๆด้วยความชักจัจว่วเสียวพอเริ่มแน่ใจกันแล้วว่านางบุญชูนโดนผีเข้าสิงแน่ๆมีแต่ป้าจะคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมถอย เรียกว่ากล้าประจันหน้ากระผีเห็นนางบุญชูคลําชายโครงไม่เลิกปจัจจก็ถามด้วยความสงสัยมึงคลําชายโครงทําไมอ่ะมันเจ็บอ่ะในสงวนก็ถามทําไมถึงเจ็บละ่ะอยู่ดีๆจะเจ็บได้ยังไงกันมึงแน่เองว่วนมึงไม่รู้จักกูหรือไงนางบุญชูชีนะ้หน้ากูมาเยี่ยมอีชูไม่ได้ยังไงมันเป็นน้องสาวกู คราวนี้พอจะรู้กันแล้วว่าผีที่มาเข้าสิงนางบุญชูก็คือนางจํารัดพี่สาวซึ่งถูกยิงตายไปไม่นานเนี่ยคนที่นั่งอยู่ห่างๆกันก็รีบเขยืบเข้ามาสามัคคีรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยทีนี้ส่วนปัจจะก็ทําหน้าที่เจราจากับผีหรือว่าวิญญาณนางจํารัดต่อเอ็งมายังไงอ่ะอิรัดข้าก็มากับพวกที่ไปเรียนนักธรรมมาแหละเพื่อนข้าต้เลยแวะมาเยี่ยมอีชูมันมาขอหมากมันกินเท่านั้นแหละ เขาทำหมากทำพลูทำบุญส่งไปให้กินแล้วนี่เองไม่ได้กินหรือไงฮะอิรัดคราวนี้วิญญาณ น, นางจํำรดที่แขวงร่างนางบุญชูน้องสาวไม่ตอบอ่ะไม่ตอบว่าได้รับหรือไม่ได้รับหมากพลูที่ทำบุญส่งไปให้แต่ว่าพูดเฉยไฉไปอีกทางไปขอหมากทิศมงคลกับ น, นางขวัญกินมันก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ให้กิน ไปขอหมากนางสีกินอีกนางสีมก็ทำเฉยข้าก็เลยต้องมาหาหนางบญชูน้องข้าบุคคลที่วิญญาณนางจำรัดระบุชื่อเป็นญาติและคนรู้จักคุ้นเคยกับนางจำรัดทางนั้นปจัจจซึ่งแกไม่กลัวผีก็พูดกับนางจำรัดบอกว่าตอนนี้เองก็ได้กินหมากกินผูสมใจแล้วก็กลับไปเ ส, สีทีสิจะมารบกวนอีชูมันทําไมกะกูไม่ไปกูจะอยู่กับอีชู อิชูมันจะเข้าไปอยู่กับหลวงพ่อจรันกูเคยมาปฏิบัติทำกรรมาฐานกับท่านแต่ว่าตอนนี้กูเข้าวัดไม่ได้เจ้าของวัดก็าไม่ให้เข้ากูก็ต้องเข้าไปกับตัวอิชูกูถึงจะเข้าได้ปัจจะนึกขึ้นมาได้เรื่องที่นางจํารัดถูกยิงตายก็เลยถามอิรัดมึงรู้ตัวคนยิงมึงไหมมันเป็นใครฮะใครเป็นคนยิงมึงกูรู้แต่กูไม่บอก เราเคยทำกันมายังไงก็ใช้กรรมไปมันเป็นเพราะมีกรรมต่อกันขณะที่ปะจะกำลังเจราจากับผีนางจำดัดในสงวนก็แอ บ, บลงเรือนไปตามในบ่ายพ่อของตัวซึ่งเป็นหมอศัยศาสตร์มีวิชาอาคมพอตัวในบ่ายก็รีบมาที่บ้านลูกชายลูกสะั้ยพอขึ้นมาบนบ้านในบ่ายก็เข้าไปนั่งตรงหน้านางบุญชู ส่วนนางบุญชูซึ่งขณะนั้นมีวิญญาณ น, นางจำดัดเข้าสิงก็แสดงกิริยาอาการหวาดกลัวในบ่ายอย่างเห็นได้ชัดในบ่ายก็พูดกับ น, นางจำดัดที่แขวงร่างนางบุญชูลูกสะพ้ยอีรัตมึงควังให้ดีนะมึงตายไปแล้วไปอยู่ที่อื่นเนจะไม่อยู่กับ น, นางชูมเขาไม่ได้ฮะกูยังอยู่ที่ไหนไม่ได้จะเข้าไปอยู่กับวัดกล้หลวงพ่อก็ไม่ได้เจ้าของวัดก็าไม่ให้เข้าก็แล้วเดี๋ยวนี้มึงอยู่ที่ไหนอ่ะ กูอยู่ต้นมะพร้าวหลังวัดกูไม่อยากอยู่ที่ต้นมะพร้ากกูอยากจะอยู่กับอีชูในบ่ายเห็นว่าผู้จ่าขอร้องกันดีๆผีนางจำรัดก็คงไม่ฟังคาแน่ก็เลยเอามือจับหัวหนางบุญชูไว้แล้วก็ไายคาถาเป่าลงไปที่หัวสามครั้งนางบุญชูร้องสุดเสียงดิ้นพราดประา ด, าดแล้วก็ปุ๊บแน่นิ่งเหมือนกับหมดสติอีกสินาทีต่อมาก็ค่อยๆลุกขึ้นมาผเป๋ผเป๋ เหลียวมองดูคนที่มาอ้อกันอยู่เต็มบ้านอทำหน้างุนงงสงสัยก็ถามนายสงวนสามีว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมญาติพี่น้องถึงได้มากันเยอะนายสงวนก็บอกให้รู้ว่าวิญญาณนางจำรัดพี่สาวนํามาเข้าสิงนางบุญชูสารภาพว่าไม่รู้สึกตัวอะไรเลยคิดว่านอนหลับไปซะอีกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ย่อมพิสูจน์ได้ดีว่าวิญ ญ, ญาณนั้นมีจริงทุกคนที่ตายไปสังขารร่างกายเท่านั้นที่เน่าเปื่อยสิ้นสลาย แต่จิตวิญญาณนั้นยังทรงสภาพอยู่แล้วต้องเวียนว่ายไปตามกระแสกรรมของตัวมีผู้นำเรื่องนี้ไปกราบเรียนเล่าถวายหลวงพ่อจรันธิตะธรรมโมพระธรรมสิงหักบุราจารย์วัดอัมพวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อท่านอธิบายชี้แจงบอกว่าวิญญาณมันจะมาทาบกระจิตของคนได้ชั่วขณะหนึ่งถ้าไม่สบายนะ มันจะทำในคนไข้นั้นไม่ได้สติจะพูดจะโต้ตอบตามผู้ซักถามแสดงอาการเหมือนกับบุคคลผู้นั้นเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่กรณีวิญญาณของนางจำรัดนิแสดงวักกรรมยังไม่หมดยังมีความหิวโหยรอการช่วยเหลือและมีการปรารถนาใครต่อทำอยากจะฟังเทศฟังธรรมอยากจะได้บุญได้ทานที่เขาทำกันในวัดแต่ก็มีวิญญาณเจ้าของที่คอยกีดกันไม่ให้เข้าร่วมอุโบสถ ครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อเจรันทิตาธรรมโมท่านเล่าให้ฟังครับเรื่องของพูดผีจิตวิญญาณที่เป็นเรื่องจริงๆเนี่ยท่านผู้ฟังที่มีหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าไฟผีไหมครับ ไฟผีเนี่ยมันลุกขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องมีเชื้อเพลิงอะไรทั้งนั้นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของบริษัทมอเตอร์เอเชียในปีนังประเทศมาเลเซียเกิดอักคีภัยเผาผลาญสถานที่ไปหลายส่วนความเสียาหายคิดเป็นมูลค่าหลายล้านเหรียญมาเลเซียสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบไม่พบเพียงแต่คาดการว่าน่าจะเป็นไฟฟ้าช็อต หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็เกิดเปลวไฟลุกวูบขึ้นมาอีกโดยไม่มีเหตุไม่มีผลทําให้ต้องรีบดับไฟกันโกรหลนแล้วก็เหตุการณ์ที่มีเปลวไฟลุกขึ้นมาอย่างประหลาดนับสิบครั้งก็ทําให้ทางการต้องส่งเจ้าหน้าที่สองชุดถ้าเปลี่ยนกันมาประจําตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมดับไฟอย่างทันท่วงทีเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ติดต่อ กับหัวหน้าชาวปาปัวนิวกกนีที่เก่งทางสายศาสตร์ให้มาทําพิธีตรวจดูว่าเหตุไฉนจึงได้เกิดเพลิงลุกไหมเหมือนกับคอยจ้องจะทําลายล้างสถานที่แห่งนี้นะักหัวหน้าปาปัวนิวกกนีก็ตรวจดูแล้วก็แจ้งใหอาสาว่าสถานที่นี้มีวิ ญ, ญญาณสิงสถิตยอยู่แล้วก็รับอาสาจะขับไล่ให้แต่ว่าทําไม่สาเร็จเนื่องจากเป็นวิญ ญ, ญาณที่มีอิทธิฤทธิ์กล้าแข็งมาก เรื่องวิ ญ, ญญาณที่สิงสู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนี้เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรทีเดียวเพราถ้าหากว่าปราบผีไม่ได้ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ก็คงทําการซ่อมแล้วก็เปิดกิจการไม่ได้ดังนั้นก็มีการสอหาผู้ที่มีความสามารถปราบผีไปทําพิธีขับไล่ผีที่มาเลเซียมีผู้รู้จักพระอาจารย์จำเนียนศรีละเสถหวัดถ้ำเสือวิปัสนาจังหวัดกระบี่ว่าเป็นผู้ทรงฌานสามารถสยบวิ ญ, ญญาณร้ายมานับไม่ถ้วนแล้ว ก็มีการติดต่อข อ, อนิมนต์ท่านไปช่วยสงเคราะห์โดยผ่านทางพระครูผันวัดสายขาวซึ่งมักจะมีกิจนิมนต์เดินทางไปกัวลาลําเปอร์อยู่บ่อยๆพระครูผันก็มาพบพระอาจารย์จำเนียนก็เล่าให้ท่านได้รับรู้เรื่องวิญญาณที่สิงอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็นิมนต์ให้ท่านไปช่วยเมสตาสงเคราะห์พระอาจารย์จำเนียนก็ยังไม่รับปากว่าจะกระทําสําเร็จหรือไม่แต่ว่าจะไปตรวจสอบดูให้ก่อน จากนั้นพระอาจารย์จำเนียนก็เดินทางไปยังมาเลเซียพร้อมกับพระครูผันเมื่อไปถึงปีนงังเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้จัดเตรียมพานะมารับพระอาจารย์จำเนียนไปตรวจดูสถานที่ทันทีแล้วก็เล่าให้ท่านฟังว่าก่อนที่ท่านจะมาถึงก็เกิดไฟลุกขึ้นมาเองหลายครั้งแล้วเมื่อพระอาจารย์จำเนียนไปถึงหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตบิญญาณร้ายก็เหมือนจะต้องการท้าทายแสดงความไม่ยำเกรงพระภิกษุไทย ก็บันดาลให้เกิดเปลวเพลิงลุกฮือขึ้นมาภายในซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งคอยระวังเตรายอยู่แล้วก็รีบเข้าไปดับไฟกันชุลมุลจนจนกระทั่งเพลิงสงบพระอาจารย์จำเนียนยังไม่ได้เข้าไปภายในสถานที่เพียงแต่ลวงลงไปในยามหยิบเหรียญจอปรอของท่านขึ้นมาสงบจิตจนแน่วแน่แล้วก็ถามพระเจปรอในใจว่าวิ ญ, ญญาณที่สิงสถิตยอยู่ณสถานที่นี้มีความเป็นมาอย่างไร ก็ได้คำตอบมาว่าที่ดินซึ่งใช้ก่อสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ก่อนนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งของมัสยิดเก่าตั้งแต่โบราณเมื่อสองร้อยปีก่อนกระทั่งมัสยิดชำรุตุโสมพังทลายไปหมดและที่มัสยิดเก่าแห่งนี้มีผู้คนล้มตายเนื่องจากเป็นอะิวาตากรโรคจำนวนไม่น้อยวิญญาณผู้ตายยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดก็สิงสถิตยอยู่ที่นี่ต่อมาได้มีการปลูกสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตขึ้นผู้ที่อยู่เนี่ยเป็นคนจีน ก็ทิ้งเศษอาหารซึ่งมีส่วนของหมูลงไปก็ทำให้วิญญาณเหล่านั้นโกรธแค้นก็บัรดาลให้เกิดไฟลุกไหม้พระอาจารย์จำเนียนถามต่อไปอีกว่าจะให้ทำอย่างไรถึงจะยุติเรื่องร้ายนี้ให้จบสิ้นลงได้ก็มีคำตอบว่าให้เจ้าของสถานที่เนี่ยจ่ายค่าเช่าสถานที่เนี่ยปีละสิบเหรียญโดยมอบให้แก่มัสยิดอิสลามตลอดไป นอกจากนี้พระอาจารย์จำเนียนก็ยังบอกว่าจะทำห้องห้องหนึ่งภายในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยให้เป็นเขตหวงห้ามโดยสมมุติให้เป็นมัสยิดจำลองของเหล่าวิญญาณทั้งหลายแล้วก็จะห้ามไม่ให้คนอื่นคนนอกศาสนาเข้าไปภายในห้องนี้จากนั้นพระอาจารย์จำเนียนก็เข้าไปภายในซูเปอร์ก็บอกเจ้าของสถานที่ให้จัดหาห้องไมห้ห้องหนึ่งแล้วก็ได้ห้องของฝ่ายธุรการชั้นบน แล้วก็ขนของในห้องไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ตู้เอกสารและคอมพิวเตอร์ออกจนหมดเหลือแต่ห้องเปล่าๆเจ้าของสถานที่ก็ถามพระอาจารย์จำเนียนว่าจะทําอะไรต่อไปพระอาจารย์จำเนียนซึงเขบอกว่าจะทําน้ำมนต์พรมน้ํามนต์ให้เมื่อพนัก ง, งานเข้ามาทําความสะอาดในห้องนั้นเรียบร้อยพระอาจารย์จำเนียนและพระครูผันก็เข้าไปในห้องจุดเทียนขึ้นจากนั้นพระอาจารย์จำเนียนก็ทําพิธีอัญเชิญวิ ญ, ญญาณที่สิงสถิตยอยู่ ให้เข้ามาในห้องซึ่งจำลองเป็นมัสยิดแต่ว่ามีหัวหน้าผีเข้ามาเพียงคนเดียวส่วนผีบริวานนี่คอยอยู่รอบๆภายนอกพระอาจารย์จำเนียนก็บอกกล่าวให้หัวหน้าของเขารับรู้ว่าห้องนี้จะไม่มีคนต่างศาสนาล่วงละเมิดเข้ามาขอให้วิ ญ, ญญาณทั้งหลายเข้ามาสวดมนต์กันตามศาสนาของตนได้ทุกเวลาจากนั้นพระอาจารย์ก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาส่วนพระครูผันก็สวดวิปัสสิธำน้ำมนต์ ขณะที่พระอาจารย์ยำเนียนกำลังแผ่เมตตาก็ปรากฏว่ามีเท่าแก่เสียงเป็นนักธุรกิจซึ่งเป็นหุ้นส่วนในซูเปอร์มาร์เก็ตก็เข้ามาในห้องเท่าแก่เสียงคนนี้นอกจากเป็นคนไม่นับถือไม่ศรัทธาอะไรแล้วยังดื้อรั้นถือดีเพราะว่าตัวเองมีอาจารย์คนจีนเท่าแก่เสียงก็สุดตัวลงนั่งข้างหลังพระอาจารย์ยำเนียนแล้วยื่นหน้าเข้าไปถามว่าผีมันเอาไฟมาจากไหนอาจารย์ฮะแล้ว ผีมันเอาไฟมาจากไหนอ่ะมันยังมีไม่ขีดมาจุดได้เออแล้วมันทำยังไงมันเป็นเรื่องของผีอเปล่าพระอาจารย์จำเนียนได้ยินคำถามแต่ท่านกำลังสวดก็ไม่สามารถอธิบายให้คำตอบได้ที่นี่หัวหน้าผีเนี่ยเป็นอธิสมานากายคือรูปกายที่มองไม่เห็นคงจะไม่ชอบหน้าเท่าแกเซียงหรือว่าบังเกิดโทสะที่เท่าแกเสียงใช้คาพูดประหนึ่งหยามหมิ่นว่าไม่มีฤทธิ์จริง ก็แห่งไปที่เปลว เ, เทียนจนเปลว เ, เทียนติดเป็นกระสินไฟแล้วกสินไฟลุกพรึบไฟลุกพรึบขึ้นมาตรงพื้นเบื้องหน้าพระภิกษุทั้งสองรูปพระครูผันตกใจไม่ทันยังคิดยกบาทน้ำมนต์สาดโครมก็ใส่เปลวไฟก็ไปโดนเอาวิญญาณของหัวหน้าผีซึ่งอยู่ตรงนั้นคราวนี้ชุนละมุนกันเพราะว่าหัวหน้าผีซึ่งโดนน้ามนต์เต็มที่ทยานพรวดสวนเข้ามาเป็นรูปร่างสูงใหญ่เรือนเรือนสีดา หัวหน้าผีนี่ชนเท่าแก่เสียงกระเด็นหงายไปถึงกับ น, นาฬิการาคาแพงหลุดจากข้อมือแล้วก็พุ่งออกจากห้องชนกระป๋องที่ขวางหน้าในดังส น, นั่นจากนั้นก็วิ่งลงบันไดเลื่อนเวลานั้นมีหนุ่มอิสลามสองคนกำลังเดินสวนมาจะขึ้นบันไดเลื่อนก็ถูกวิญญาณนี้ชนล้มละในระนาดเสร็จแล้วหัวหน้าผีนี่ก็ยังทะยานไปชนเสาหักไปอีกต้นหนึ่งก่อนที่จะเลิดออกไปนอกตัวอาคาร แล้วตอนที่กําลังจะออกไปเนี่ยมีรถเก๋งคันนึงแล่นมาจอดเทียบกับฟุตบาทตรงประตูทางเข้าออกพอดีเท่ากับขวางหน้าโดยตรงเลยถูกหัวหน้าผีนี่ชนรถเต็มเหนี่ยวเสียงปังตัวรถเฉปัดออกไปเลยเจ้าของรถตกใจสุดขีดเปิดประตูออกมาได้วิ่งแนบเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนเห็นแล้วก็อยู่ในที่เกิดเหตุจํานวนมากทุกคนก็พากันตื่นตระหนกที่เห็นริษผีอย่างจัง และคิดว่าผีคงจะอรารวาดแต่จริงๆแล้วการที่หัวหน้าผีเผ่นผนโจรทยานออกมาจากห้องคนเนื่องจะไปโดนน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสำคัญเพราะน้ำมนต์น่ะร้อนแรงยิ่งกว่าน้ําเดือดเป็นร้อยเป็นพันเท่าเวลากระทบเข้าก็ร่างผีก็ปวดแสบปวดร้อนสุดเจริญนาพระอาะจารย์จําเนียนพระครูผันแล้วก็เท่าแก่เสียงตลอดจนคนอื่นๆก็รีบลงมาจากชั้นบนมีคนบอกกันเซงแสชี้มือกันใหญ่เห็นผีไปทางนั้นไปทาง น, น, างนี้วุ่นวายไปหมด แต่พระอาจารย์ยำเนียนท่านรู้ว่าหัวหน้าผีนี่จะไปที่ไหนก็ตรงไปขึ้นรถซึ่งจัดเตรียมไปแล้วโดยมีพระครูผันกับเท่าแก่เซียงร่วมเดินทางไปด้วยจุดหมายปลายทางก็คือที่บ้านเท่าแก่เซียงบ้านเท่าแก่เซียงอยู่ไกลออกไปประมาณสี่สิบกว่ากิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณสามสิบนาทีมาถึงปากทางจะเข้าบ้านเท่าแก่เสียงก็เห็นคนจานวนมากมายืนมุงกันเต็มหน้าบ้านไมหมด ตอนแรกก็คิดว่ามีอุบัติเหตุเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นพระอาจารย์จำเนียนพระครูผันแล้วก็เท่าแกเสียงก็ลงจากรถก็ไปสอบถามคนที่มงดูได้ความว่าก่อนที่ท่านจะมาถึงอยู่ดีๆก็เกิดเสียงดังโครมครามโครมครามขึ้นที่บ้านเท่าแกเสียงคนที่อยู่ในบ้านวิ่งหน้าตาตื่นออกมาตะโกนบอกผีอารวาดหรือบ้านชาวบ้านและแวกนั้นต่างออกมาดูไม่กลุมใหญ่ ทุกคนก็เห็นภาพอันเหลือเชื่อและหน้าขนลุกมันเป็นเงาที่ถูกยับหักลงมาเป็นแถบแถบพระอาจารย์จำเนียนพระครูผันแล้วก็เท่าแก่เสียงพอมองไปที่บ้านก็เห็นสภาพบ้านเป็นจริงตามที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังสําหรับเท่าแก่เสียงนั้นแทบจะเป็นลมลม้มทั้งยืนเมื่อเห็นบ้านตัวเองเสียาหายอย่างนั้นเรื่องผีซูเปอร์มาร์เก็ตเรื่องนี้พระอาจารย์จำเนียนศรีลเสรถวัดถ้ําเสือวิปัสนาจังหวัดกระบี่ ท่านได้ไรเชิญมาก็เล่าเอาไว้ในหนังสือโลกทิพย์เล่มที่สองร้อยสี่สิบสามอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วก็เป็นการยืนยันถึงวิญญาณต่างพบต่างภูมิที่มีอยู่จริงแล้วก็ยังมีกิเลสโลภหลงครบถ้วนท่านได้กล่าวตอนท้ายเรื่องบอกว่าที่อาจจะมาเล่ามานี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในมาเลเซียทีเดียวเขาเล่าลือกันมากแต่ว่าทางรัฐบาลเขาห้ามลงข่าวในหนังสือพิม แล้วตำรวจก็จะคอยมาดูแลใครจะมาถ่ายรูปก็ไม่ได้เขาบอกว่าเสียชื่อเสียงเมืองของเขาหัวหน้าผีที่สิงสู่อยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตนนี้ภายหลังไปเข้าส่งคนทรงก็บอกว่าเมื่อถูกน้ำมนเข้าเต็มร่างร้อนแสนสาหัสแล้โกโรธเท่าแก่เสียงมากก็เลยไปทำลายบ้านเท่าแก่เสียงเป็นการระบายอารมณ์โกโรธ ตอนที่พระอาจารย์จำเนียนและพระครูผันก็เท่าแก่เสียงตามมาถึงที่บ้านเขาเนี่ยจะเข้าไปทำร้ายเท่าแก่เสียงอยู่แล้วเพียงแต่ไม่กล้านเนื่องจากเห็นแสงสว่างพวยพุ่ง<พ><พ>ออกมาจากร่างของพระอาจารย์จำเนียนดูน่ากลัวสำหรับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ว่าเนี่ยก็เป็นอันยุติลงอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ก็เพราะผีพอใจในข้อตกลงที่ว่าทางเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตยอมบริจาคเงินให้แก่มัสยิดปีละสิบเหรียญ ซึ่งเขาถือว่าเป็นเงินจํานวนมากมายมหาศาลเมื่อเทียบกับค่าของเงินเมื่อ200ร้อยปีก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผีพอใจมากก็คือพระอาจารย์จำเนียนทํามัสยิดจําลองไว้ในซูเปอร์มาร์เก็ตบรรดาวิญญาณทั้งหลายซึ่งสิงสถิตยอยู่หนะ้าที่นั้นก็สามารถเข้าไปทํากิจการทางาศาสนาได้เรื่องผีที่ปีนังเนี่ยเป็นประสบการณ์ทางวิญญาณของพระอาจารย์จำเนียนศรีรเศรษฐโววัสม์ถ้ำเสือวิปัสนาจังหวัดกระบี่ครับ ผมมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัดเรื่องแปลกๆวัดกกบางขุนเทียนสมัยนั้นกรุงเทพพระมหานาครยังไม่มีไฟฟ้าชาวบ้านใช้ตะเกียงลานตะเกียงรั่วตะเกียงกระป๋องเป็นเครื่องให้แสงสว่างในตอนกลางคืนวัดกกบางขุนเทียนเนี่ยได้รับการกล่าวขานว่าผีดุชะมัดเนีย ดุจนเรียกได้ว่าใครผ่านวัดกกตอนดึกถ้าไม่ถูกผีหลอกนะดวงแข็งร้อยทั้งร้อยนี่โดนหลอกหัวโขนไปตามๆกันบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับวัดกกพอตกค่านี่พ่อแม่จะเรียกลูกเรียกหลานเข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างด้านที่หันไปหาวัดคนที่ต้องทํางานกลับดึกก็หาที่นอนค้างคืนพอเช้าถึงจะกลับเข้าบ้านคนที่ถูกหลอกมากที่สุดก็ไอ้พวกพรานเบ็ดจะพวกจับกบหาปลา อ่าเพราะว่าหน้าวัดเนี่ยปลาชุมกบชุมนะมันก็ชอบนัดจะมาหาปลาแล้วก็โดนผีหลอกกันไปตามๆกันตับรวนตัพรวนนี่ตายไปนานแล้วเคยเล่าให้เจ้าอาวาสวัดกกฟังสมัยที่แกยังอยู่นะแกะบอกว่าผมพายเรือจะมาหาปลาที่หน้าวัดนะหลวงพ่อมองเห็นคนนั่งสู่บุรีไฟแดงวาบวาบัวบ ก็คิดว่าเป็นให้พวกนอนดึกไปเที่ยวมาหรือยังไงไม่รู้ก็กะว่าเดี๋ยวจะขอบุรีมันสูบสักตัวก็ว่าถัวเรือเข้าไปพอเข้าไปใกล้รีบพายเรือหนีจนเรือล่มตะเกียกตะกายเข้าฝั่งแทบไม่ทันไอคนที่นั่งสูบบุรีมีผ้าคลุมหัวนี่มันหันมาโอ้ยตาฮิโโบเลยหลวงพ่อแววตาไม่มีวันก็ไม่มีมีแต่ลิ้นแลบมาถึงหน้าอก ไอบุรีที่ว่าไฟแดงๆนะ่ะควันมันออกทางหูทางตาพอจะหนีได้ยินเสียงปรอบพอหันไปดูไอ้ผีบ้านนั่นเอามือหักคอตัวเองแล้ว โ, โยนหัวมาใส่เรือผมมาหลวงพ่อแค่นั้นแหละผมโดดน้ำหนีเลยปายไม่ไหวแล้วลาไม่ปายเสียเวลาแล้วตอนเช้าต้องตามไปกู้เรือคืนแล้วก็มาหาหลวงพ่อมิ่งให้รถน้าบนหลวงพ่อมิ่งก็บอกว่าผมเป็นคนบาปเพราะว่า ปลาหน้าวัดไม่มีใครเขาหากันหรอกมันเป็นบาปขนาดผีมันยังไม่ชอบเลยบางรายเล่าว่าขณะกําลังลงเบ็ดราวได้ยินเสียงตูมตุมตุ ม, ตมหันไปดูเห็นแต่น้ําแตกกระจายแต่ไม่มีใครคว้างอะไรลงมาพอหันไปทางซ้ายมันก็ดังทางขวาพอหันข้างขวามันดังทางซ้ายเสร็จแล้วหนสุดท้ายมันดังตรงหัวเรือคราวนี้ชัดเจนเลยเห็นเป็นคนโดดน้ําแล้วโผล่ขึ้นมาก็ผีอะ เส้นผมหลุดเป็นยอมยอมมุยหน้าเกลียดลูกตาก็ไม่มีไม่เก็บแล้วเบ็ดเบิดนีพายจำพรวดพรวดกว่าจะถึงบ้านจะหมดลมในหนูพ่อค้าไม้รว่วจากเมืองการแกมีอาชีพทอแพรไม้รว่วมาขายที่แสมดําแกก็ต้องผ่านหน้าวัดกกบังขุนเทียนทุกเที่ยวล่ละแกเล่าว่าเที่ยวนั้นพอแกทอมาถึงศาลาน้าวัดก็เห็นคนชุดขาวโดดแผลวจากศาลามาลงที่แพรไม้ร่วของแก คนธรรมดานะี่ยไม่มีทางหรอกจะโดดลงมาได้ตัวแกนะถ่ออยู่ท้ายแพผีมันก็นั่งเอาเท้าราหนามที่หัวแพรนานๆก็หันมาหาแกสักครั้งไม่ได้หันแบบธรรมดาแต่หันแบบหมุ น, มนคอได้อะ่ะแกไม่กลัวเพราะว่าแกมีคาถาคอาคมเคยประจนกับผีมาเยอะนะแกก็ถ่อไปเรื่อยมึงจะนั่งก็นั่งเรื่องมึงพอจะออกจากเขตวัดไอ้ผีนั่นก็โดดกลับไปที่สราราท่าน้ําบินไปยังกระขางขาว ผีวัดปกอาราวาสไม่เลือกหน้าอินหน้าพรมทําให้ชาวบ้านร้านตลาดเดือดร้อนไปทั่วด้วยว่าสมัยเมื่อหลวงพ่อเท่าพ่วงอดีตเจ้าอาวาสท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้สะกดผีพวกนี้ไว้ในอํานาจไม่ให้หลอกหลอนผู้คนแต่เมื่อหลวงพ่อเท่าพ่วงมรณภาพไปแล้วพวกมันก็พ้นอํานาจออกอาราวาสอีกครั้งแล้วก็รุนแรงกว่าเก่าเพราะว่าพวกมันถูกกักถูกขังเกิดความแค้นความโกรธ หลวงพ่อมิ่งในฐานะเจ้าอาวาสใหม่ก็เลยตกอยู่ในฐานะต้องรับเรื่องราวร้องทุกข์ท่านก็ออกเดินตรวจวัดในตอนกลางคืนเป็นประจำเพื่อที่จะสะกดผีพวกนี้แต่จะด้วยว่าผีเหล่านี้กล้าแข็งหรือ ย, อยังไงไม่รู้ได้พอหลวงพ่อมิ่งหยุดการออกเดินตรวจวัดผีมันก็ออกอาละวาดอีกหลวงพ่อมิ่งก็บอกกับคนที่ร้องเรียนเรื่องผีหลอกเจ้าบ้านเนี่ยให้บอกต่อๆกันไปว่าผีที่อาราวาดเนี่ย เป็นผีที่เป็นบริวารเจ้าของวัดของผู้สร้างวัดกกนี้ขึ้นมาเขามีหน้าที่คอยปกปากรักษาสมบัติสงฆ์แล้วก็สิ่งที่มีชีวิตที่ท่าน้ำหน้าวัดเช่นปูปลาคอยเล่นงานพวกที่จะเข้ามาลักขโมยของวัดพวกที่มาจับปลาจับกบหน้าวัดแต่ด้วย ว, วิสัยของผีมันดุร้ายก็อาจจะหลอกไม่เลือกหน้าโดยเฉพาะคนที่ดวงอ่อนชาวบ้านก็เลยขอให้หลวงพ่อมิ่งทาของขังกันผีหลอกให้ หลวงพ่อก็ให้ไปเอาดินที่หน้าอ่าที่ท่าน้ําหน้าวัดมาให้ท่านแต่ว่าอย่าเอามาเยอะเพราะว่ามันเป็นดินวัดนะเป็นเป็นของเจ้าของวัดเขาพอพวกชาวบ้านลูกเล็กเด็กแดงพากันนําดินที่ท่าน้ําหน้าวัดมาให้ท่านแล้วท่านก็รวบรวมเอาไว้แล้วก็บอกว่าอีกสามสี่วันค่อยมาเอาท่านจะทําพิธีให้ปรากฏว่าหลวงพ่อมิ่งนําดินที่ชาวบ้านนํามาให้นี่ผสมรวมกันนวดจนเหนียวดีแล้วก็แบ่งปั้นเป็นลูกกล ม, กลม คล้ายๆลูกกระสุนหนังสติกที่ใช้ยิงนกอ่ะเรียกลู ก, กลมดินจากนั้นก็ผึ่งจนแห้งแล้วก็ปลูกเศกแล้วก็จานอักขระที่ลู ก, กลมดินนั้นทุกก้อนพอครบกําหนดหลวงพ่อมิ่งก็แจกลู ก, กลมดินนั้นกับชาวบ้านแล้วก็กําชับว่าให้เอาลู ก, กลมดินของท่านติดตัวไปด้วยแต่มีข้อแม้ว่าห้ามยิงนกตกปลาในเขตวัดให้เป็นคนดีมีเมตตา รับรองว่าจะไม่มีผีมาหลอกให้เกิดความหวาดกลัวอีกต่อไปเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าผู้ที่มีลูกกลมดินที่หลวงพ่อมิ่งแจกไปเนี่ยไม่เคยถูกผีหลอกเดินกลับบ้านดึกดึกเดินๆก็รู้สึกเหมือนมีคนคอยตามคุ้มครองมีหลายคนเหมือนกันที่คิดว่าหลวงพ่อมิ่งพูดเล่นนะปรากฏว่ามันไม่เชื่ อ, อเอาลูกกลมดินติดตัวแล้วมาจับปลาที่หน้าวัดปรากฏว่าเจอของจริงจนหลายรายบ้าเลยหรือไม่ก็เจ็บหนัก แต่หลวงพ่อมิ่งก็ปัดรังควานให้ทุกรายรอดตายแต่ก็ผมร่วงจนหัวโกรนไปตามๆกันหลวงพ่อมิ่งก็บอกกับชาบ้านบอกว่าวิญญาณสำมพเวสีเหล่านี้เขารอไปเกิดจะค่อยๆทยอยออกไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะหมดไปแต่ระหว่างที่เขายังต้องรับกรรมอยู่ที่นี่เขาก็ต้องทำหน้าที่ในการรักษาวัดตามกำลังที่จะทาได้ใครที่ทาผิดเขาก็สั่งสอนเอาแต่บางครั้งก็อาจจะหนักไม้หนักมือไปบ้าง ครับวัดกกปัจจุบันความเจริญเข้าถึงหมดแล้วเรื่องผีหลอกผีดุนี่ก็หายไปเหลือแต่ตำนานผีดุที่เล่าขานต่อกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกมีวัดอยู่วัดหนึ่งครับชื่อวัดยุลามานีเป็นวัดเก่าแก่โบราณมีประวัติอันพิสดารและน่าอาศัศจรรย์ วัดนี้ตั้งแต่ก่อสร้างสําเร็จเรียบร้อยมาห้าร้อยกว่าปีแล้วนะครับปรากฏว่าไม่เคยเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับวัดอื่นๆทั้งๆที่เป็นวัดที่เจ้าฟ้าหรือว่าลูกเจ้าเมืองเนี่ยเป็นคนสร้างโดยซ้ำมีแต่ทรงกระสุดเสื่อมความเจริญมาโดยตลอดถึงขั้นกลายเป็นวัดร้างหลายครั้งหลายคราจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของหลวงพ่อพัด ฉันทสุโภเป็นเจ้าอาวาสท่านก็เลยได้เดินทางมาพบกับหลวงพ่อเบาเอิงเจ้าอาวาสวัดยวนสะพานขาวเวลานั้นขอร้องให้หลวงพ่อเบาเอิงช่วยติดต่อจิตวิญญาณที่เคยเกี่ยวข้องกับวัดจุฬามณีแห่งนี้เพื่อสอบถามว่าทําไมวัดจุฬามณีถึงได้หาความรุ่งเรืองสถาพรไม่ได้เลยหลวงพ่อเบาเอิงก็ทําพิธีอัญเชิญจิตวิญญาณของผู้เกี่ยวข้องกับวัดจุฬามณีมาประทับทรง ก็ได้ความกระจ่างชัดเป็นเรื่องพิสดารน่าอัศจรรย์เรื่องเป็นอย่างนี้ครับวัดนี้เป็นวัดที่สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสีสุขซึ่งเป็นราชธิดาของพระเจ้าเมืองทองซึ่งเป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกสมัยนั้นได้สร้างขึ้นปรากฏว่าการที่วัดนี้ไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควรก็เนื่องมาจากเมื่อสร้างวัดเสร็จเนี่ยมีการฉลองพระอุโบสถแล้วก็ มีการบวชพระบวชเนรฉลองปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาขอบวชแต่ว่าเจ้าอาวาสท่านไม่ยอมบวชให้ท่านบอกว่าจำนวนของพระที่จะบวชเนี่ยพอแล้วผู้ชายคนนั้นก็เกิดโทสะจริตร้องประกาศว่าเมื่อไม่ให้บวชก็จะไปบวชที่อื่นและขอสาบวัดนี้ที่ไม่ยอมให้บวชให้วัดนี้จงตกต่ำอย่าได้มีความเจริญเลยหลายปีต่อมาวัดจุลามณีก็มีแต่ความร่วงโรย สมดังคำสาปของผู้ชายคนนั้นที่นี้ปัญหาก็คือว่าทำไมผู้ชายคนนั้นถึงได้มีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจปากเขาศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดสาบวัดทั้งวัดให้ล่มจมได้พระก็ไม่มีจะอยู่คนก็ไม่มีจะมาทําบุญทั้งๆ ท, ที่เป็นวัดหลวงเป็นวัดที่เจ้าฟ้าข้าเป็นดินเป็นผู้สร้างขึ้นสาเหตุอะไรที่ทาให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นผู้ชายคนนี้เป็นไคร หลวงพ่อเบาเอิงท่านก็นั่งสมาธิติดต่อกับเทพพรหมที่มีความสัมพันธ์กับวัดนี้ก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาซะแล้วเพราะเป็นเรื่องถึงระดับพระอิศวรน่แล้การบวชคราวนั้นไปเกี่ยวข้องกับพระอิศวรอย่างไรนะครับท่านก็นั่งสมาธิติดต่อไปอีกจนกระทั่งได้รับคำตอบเป็นที่ชัดเจน จากองค์พระอิศวนเองซึ่งเป็นผู้ให้คำสับกับวันนี้ท่านเล่าให้หลวงพ่อเบาเอิงฟังว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนดีเป็นคนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเมื่ออายุเขาครบบวชก็พอดีกับที่วัดเนี่ยเขามีการฉลองอุโบสถก็รับคนเข้าไปบวชแต่ปรากฏว่าดวงชะตาของผู้ชายคนนี้หมดลงพอดีอายุเขาขาดแล้ว ตอนนั้นคือจิตวิญญาณของคนที่จะบวชเนี่ยแล้วก็จิตวิญญาณของคนที่กําลังจะตายเนี่ยมันลอยขึ้นเบื้องบนนะในขณะที่เขากําลังเจ็บป่วยอยู่ชะตากรรมเขาถึงขาดจิตใจของเขาลอยวนขึ้นไปจนกระทั่งถึงพระองค์พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าวิญญาณของมนุษย์นี้น่าจะได้บวชได้เรียนนะไม่น่าจะมาตายด้วยอายุเพียงแค่นี้ แต่เขาจะบวชได้ยังไงในเมื่อร่างกายสังขารของเขาจะต้องดับลงแล้วพระองค์ก็คิดว่าต้องอาศัยในผ้าของเราที่จะแบ่งภาคลงมาสวมร่างพระองค์ก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะสวมร่างผู้ชายคนเนี้ยไปบวชบวชเสร็จแล้วก็จะปล่อยให้เขาอยู่ในผ้ากาสาวะพัดเขาจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเสร็จแล้วเมื่อไปถึงที่วัดเขาบอกว่า เต็มหมดแล้วที่นี้จะทำยังไงล่ะเมื่อเราพาเขาไปถึงที่นั่นแล้วก็ต้องบวชให้ได้อ้อนวอนขอร้องต่อสมภารวัตจุลามณีซึ่งเป็นสมภารที่มีนิสัยไม่ยอมเห็นด้วยกับผู้ที่ศรัทธาตั้งใจจริงๆเลยยืนยันแต่ว่าเมื่อรับครบแล้วก็ไม่รับต่อไปไม่พยายามเล็งดูเหตุผลที่ว่าผู้ที่มาขอบวชนั้นมีจิตใจเลื่อมใสจริงแท้แค่ไหน เราก็อ้อนวอนว่าถ้าไม่ได้บวดร่างกายนี้จะสูญแตกดับไปเน่าเปื่อยไปก็ไม่เฉลียวใจบ้างเลยพูดยังไงก็ไม่ฟังขอร้องทุกวิถีทางก็ไม่ได้ผลเราก็คิดว่าเมื่อถึงคราวที่วัดนี้จะไม่เจริญอยู่ในพระพุทธศาสนาไม่สนองศรัทธาของผู้คนแล้วจะเอาไว้ทำไมแต่เราก็อ้อนวอนอีกครั้งหนึ่งว่าขอกราบเถิดพระคุณเจ้า ที่กราบอย่างนั้นก็เพื่อจะให้ร่างนั้นได้บวชได้เรียนเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอ้อนวอนว่าถ้าร่างนี้ไม่ได้บวชไม่ได้เรียนก็จะถึงการเวลาเน่าเปื่อยไปขอให้ได้บวชเป็นองค์พระสมบูรณ์ซอกองคหนึ่งเถอะเมื่อบวชแล้วเราก็จะทิ้งร่างไปเพื่อให้เขาอยู่ในผ้ากาสาวพัฒน์เท่านั้นเองท่านสมพานก็ดื้อดึงไม่คํานึงถึงที่ว่าที่บอกออกไปนั้นมีเหตุผลอะไรไม่สงสยัยไม่ถามอะไรทั้งนั้นเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ การบวชนั้ไม่น่าจะถือว่าเท่านั้นองค์เท่านี้องค์แล้วจะรับต่อไปอย่างนั้นรับไม่ได้อย่างนั้นผู้ที่เขาศรัทธาแ ก, กร่าจริงๆเขาจะไปบวชที่ไหนจะพระเต็มวัดหมดแล้วนะก็บอกแค่นี้องค์แค่นี้องค์งคงก็บวชไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงขอสาบวัดนี้จงเป็นวัดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่โตจริงแต่อย่าให้มีใครเลื่อมใสายศรัทธานี่เป็นคํากล่าวตอนแรกเท่านั้น แล้วก็ตอนต่อไปที่เราได้ประกาศไว้ว่าเมื่อไม่ให้บวชก็จะไปบวชที่อื่นแล้วก็ขอสาบวัดนี้ที่ไม่ยอมให้บวชจงตกต่ำอย่าได้มีความเจริญเลยสมภารได้ยินเราพูดอย่างนี้ก็หัวเราะเยาะถือเสี้ยผู้ชายที่เห็นข้างหน้านะเป็นคนวิกลจริญก็บอกใครๆว่า น, นี่บ้ายิ่งบ้ า, ย, บายิ่งบวชไม่ได้เลยจะรับเข้ามาบวชเรียนไม่ได้ไล่ตะเพิดออกไป ไม่มีความฉเฉลียวฉลาดแม้แต่นิดหน่อยเอาเลยสั่งให้พวกลูกศิษย์ฉุดกระชากลากผู้ชายคนนี้ออกมาพอลูกศิษย์ฉุดกระชากออกมาถึงแค่หน้าประตูโบสถ์นะเราก็ตราเส้นเอาไว้ว่าวัดนี้จะมีผู้สนใจศึกษาค้นคว้ามเมื่อใดวัดนี้จึงจะเจริญต่อไปในภายภาคหน้าถ้าใครยังไม่สนใจอนะ่ว่าทําไมวัดนี้ถึงได้ไม่มีความเจริญสู้กับวัดอื่นเขาได้ วัดนี้ก็จะอยู่เพียงขึ้นชื่อว่าเป็นแค่วัดเท่านั้นไม่มีผู้ใดศรัทธาจะมาบูรณะวัดให้เจริญอยู่ชั่วการนานได้คําของเราเป็นคําศัสท์นับมาได้หลายการนานเป็นคําที่ไม่ตายนะกรรมใดของใครก่อไว้กรรมนั่นก็ตามสนองเสมอสมภารที่ไม่ยอมเล็งเห็นเหตุผลในผู้ที่เขาเลื่อมใสศรัทธาจริงๆนั้น ตัวท่านเองจงกระท่งตราบเท่าทุกวันนี้ก็ยังเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในโลกมนุษย์ไม่มีทางผ่านพ้นขึ้นไปเป็นสาวกของพระพุทธองค์ได้ก็เพราะความใจแคบเล็กๆหน่อยๆถ้าคิดว่าผู้ใดเป็นสมผานแล้วจงพยายามคิดการไกลๆให้มากอย่าเอาแต่อำนาจของตัวเองเป็นที่ตั้งพิจารณาในสิ่งแวดล้อมเสบ้างว่าความปรารถนาดีของเขานั้นเพื่ออะไรและเมื่อทําไปนั้นเป็นประโยชน์อะไรพอเราพูดอย่างนั้นเสร็จแล้ว ร่างของผู้ชายคนนั้นก็ล้มลงตรงหน้าธรณีประตูโบสถ์ร่างกายเน่าเละเฟะอยู่ตรงนั้นขนาดเหตุมาเกิดตรงหน้าเห็นอยู่เฉพาะหน้าอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่ได้เฉลียวใจเลยกลับหาว่าเป็นพูดผีปีศาจมาสิงมาแท็บทาพิธีขับไล่ผีเปรตเป็นการใหญ่ก็สมควรแล้วเรื่องนี้องค์อิสวนท่าน อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าการที่ลงไปบวชนั้นไม่ใช่ว่าท่านจะลงไปบวชเองเพราะว่าท่านย่อมรู้ดีว่าถ้าไม่ใช่มนุษย์แล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่จะไปบวชได้คำว่ามนุษย์โสสิที่พระท่านถามว่าเธอเป็นมนุษย์หรือเปล่าอันนั้นสำคัญแสดงว่าเขาบวชได้แต่เฉพาะมนุษย์ จะเป็นเทพเทวดาอะไรก็บวชไม่ได้นะบวชได้เฉพาะมนุษย์จะเป็นนาคเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรที่แปลงมาแต่สมัยก่อนนั้นก็ไม่ได้เราเป็นเทวดาทําไมเราจะไม่รู้นะแต่ที่จะให้เขาไปบวชเนี้ให้มนุษย์บวชเขาจะได้ดารงชีพอยู่มีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะเขาเป็นคนดีเขารักษาศีล ร, รักษาธรรมมาโดยตลอดเราก็จะช่วยยืดชีวิตของเขาและให้เขาได้รับผลในทางศ า, าสนา ที่เขาเคารพนับถือต่อไปในภายภาคหนาแต่สมภารไม่เล็งเห็นอะไรเลยนอกจากเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวเอาแต่ใจตัวเองเสร็จแล้วในตำนานของวัดจุฬามณีบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นล่วงได้เจ็ดวันหลังจากที่สร้างวัดสำเร็จแล้วเกิดมีเรื่องแปลกประหลาดขึ้นสองเรื่องคือเรื่องที่หนึ่ง เกิดมีเสียงดังก้องสนั่นเหมือนเสียงประทัดขนาดใหญ่ขึ้นในโบสถ์ดังแผ่กว้างไกลไปประมาณสามเส้นเศษเรื่องที่สองต่อจากนั้นไปไม่นานก็เกิดมีอุกาบัติเป็นไฟสว่างตกลงแล้วลอยเลี้ยวพุ่งเข้าไปในโบสถ์แล้วดับหายเข้าไปในโบสถ์นั้นทั้งสองเรื่องเนี่ยอ่าเป็นสุพมงคลเรื่องหนึ่งช่วะอ่าแล้วก็เป็นอภิมงคลเรื่องหนึ่ง เสียงดังกล้องสนั่นเหมือนเสียงประทัดอันนั้นสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเทพเจ้าผู้ทรงอํานาจในเบื้องบนบรรดาลให้เกิดขึ้นโดยความเลื่อมใสปิติปราโมทเห็นความสําเร็จเป็นวัดขึ้นนะเท่ากับการอนุโมทนาแท้ซองสาธุการแล้วสำแดงให้ปรากฏนะส่วนเรื่องที่สองที่เกิดมีลูกกาบาดเป็นไฟลุกสว่างตกลอยเลี้ยวพุ่งลงเข้าไปในโบสถ์นั้นเป็นเรื่องอภิมงคลเรื่องชั่วช้านะ ตรงข้ามกับเรื่องก่อนคือคํำสาบแช่งที่รุนแรงแสดงให้ปรากฏเทพบิณยาณผู้มีศักดาอนุภาพผู้หนึ่งโกรธแค้นเพราะไม่สมประสงค์ในการขอบวชก็เลยเกิดการสาบแช่งให้วัดเสื่อมโทรมไปเสียวัดก็เสื่อมโทรมไปจริงตามอํานาจของการสาบแช่งนั้นการใช้อํานาจในการสาบแช่งนี้มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณนนกาลมีผู้ได้รู้เห็นมามากมาย ห, หลายเรื่องผู้กล่าวอันด่า ด, ดืนเหมือนกันพวกคนเกา่กาชอบใช้ในทาง สําสหรับพระภิกษุก็มีปรากฏว่าพระภิกษุนิดาสาบแช่งผู้อื่นเพื่อหวังความพินาศแล้วก็เกิดผลเป็นจริงตามการสาบแช่งนั้นพระภิกษุนั้นมีโทษต้องปรับอบัติถึงประราชิกเพราะเจตนาฆ่าคนได้อีกอย่างหนึง่งยายแก่คนหนึ่งโกรธแค้นถึงคนที่ทําความเสียหายแ ก, แก่ตัวจนถึงขีดสุดเดือดพล่านงุ่นง่าน แกเอาพริกกระเทียมมาเผาไฟแช่งด่าคำสาบนั้นปนไปกับการเผาพริกเผากระเทียมให้มันจิตหายตายห่งอ่าด่าสาเสียเทเสียเพราะฉะนั้นการแช่งสาบดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้กันมาตั้งแต่ครั้งโบราณแลกันที่นี้คำสาบหรือว่าการแช่งสาบเนี่ยเป็นการทําเพื่อลงโทษแก่ผู้กระทําผิดไม่ดีไม่ชอบโดยทางใดทางหนึ่งการลงโทษก็แล้วแต่ผู้มีอํานาจซึ่งได้รับความเสียหายจะเสกสันโทษอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นตามความประสงค์ ส่วนการแก้การแช่งสาบนั้นหมายความว่าเมื่อผู้กระทำผิดหรือว่าพักพวกของผู้กระทำผิดรู้ตัวแล้วว่าผิดถูกผู้มีอำนาจลงโทษแช่งสาบก็คิดแก้ร้องขอให้ยกโทษถอดถอนคำสาบนั้นเสียทาพิธีขอเรียกว่าสัจโยโทษคืออภัยโทษเมื่อทำพิธีขอประธานอภัยโทษแล้วการที่จะงดโทษให้นั้นหรือว่าถอดถอนคาแช่งสาบก็แล้วแต่ผู้มีอานาจ เจ้าของคํำสาบจะโปรดผ่อนผันประการใดสรุปแล้วว่าแล้วแต่จะโปรดสมควรอย่างไรก็เอาอย่างนั้นไม่โต้แย้งขัดขืนความประสงค์การถอนคํำสาบของพระอิศวรในครั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าทรงคืนสัจจะวาจาไม่ทั้งนี้เพราะไม่ได้ทรงถอนคําสาบทรงเห็นใจและทรงมีพระเมตตาจึงมีพระอิศวราราชองค์การมีความว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้ถือว่าวัดยุรามณี นี่เป็นวัดที่สถาปนาขึ้นใหม่ไม่อยู่ในความสนพระไทยของพระองค์ะเหมือนกับการสร้างวัดใหม่ขึ้นอีกวัดหนึ่งเพราะฉะนั้นอารามนี้จึงไม่ใช่เป็นอารามเดิมที่ถูกสร้แต่เป็นอารามที่เกิดใหม่ย่อมเป็นประจักษ์กันโดยทั่วไปว่าทรงมีเมตตาต่อมนุษย์โลกและเป็นการเชื่อชูระาศาสนามาโดยตลอดทรงแก้ไขเหตุการณ์ร้ายให้กลายเป็นมงคลด้วยเทพปัญญาหลวงพ่อเบ้าเอิงท่านเล่าให้ฟังว่า ในองค์การทับคำสาป พ, พระอิศวนท่านตรัสว่าดูกรวัดยุลามณีขอจงพ้นคำประกาศสิทธิที่เราผู้ใหญ่ได้ขอไปบวชและสมภารเก่าไม่ยอมให้บวชนั้นถือเสียว่าตอนนี้เป็นอันสิ้นสุดกันเสียให้ถือว่าวัดนี้เป็นวัดใหม่ไม่ต้องอยู่ในสายตาเราแล้วการใดที่นำความเจริญมาสู่วัดให้เป็นหน้าที่ของสมภารเราอิศวรไม่รับรู้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นั่นก็คือเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นที่วัดยุลามณีอาจารย์ยอดเอามาเล่าให้ฟังก็เพื่อให้เห็นถึงว่าความศักดิ์สิทธิ์ของการบวชเนี่ยมีอำนาจมากนะท่านผู้ฟังอ่าไม่ใช่ว่าจะนึกทำกันได้เล่นๆเทวดาฟ้าดินรับรู้อนุโมทนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะไปขัดขวางเรื่องบวชเรื่องเรียนเนี่ยต้องพิจารณาดูให้หนักนะไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่เพราะว่าการบวชนี่มีพลังอำนาจ เหนือโลกนะครับไม่ใช่ของล้อเล่นเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรื่องของกรรมอีกเรื่องหนึง่งท่านผู้ฟังคุณสมควรเล่าว่าแต่ก่อนโน้นแกอยู่ต่างจังหวัดบ้านเกอยู่ใกล้ๆบ้านนาสาวก็เลยเห็นนาเขยเนี่ยนาเขยเนี่ยชื่อในช่วง แกชอบกินเต่าแกก็เผาเตากินบ่อยๆเพราะาเขาเป็นคนชอบเครื่องดองของเมาไม่ว่าน้ำตาลเมาเหล้าแดงเหล้าขาวเหล้าเถื่อนกินได้ทั้งนั้นนะ่ะแล้วถ้าใครไปมาหาสู่แล้วหิ้วเหล้าติดมือมาหาแกด้วยโอ้จะชอบอกชอบใจยิ้มแย้มแถบแตกเลยนะอ่าคือแกชอบพวกกินเหล้าเนี่ยคือว่าถ้าเขายังโสดอยู่ก็อยากจะยกลูกสาวให้เลยซะทีเดียวละ่ะนะ แล้วก็จะออกปากชมโอ้ไอคนนี้เอาได้เอาได้เท่าที่คุณสมควรจำได้เนี่ยณช่วงเนี่ยเป็นคนชอบทางนักเลงมากๆเลยปืนผาหน้าไม้มีมีดพกก็มีไปไหนก็เอาติดตัวไปด้วยนชช่วงเนี่เป็นคนตัวเล็กหัวลานช่วงนั้นก็อายุประมาณสักสี่สิบสี่สิบห้าล้ส่วนตัวคุณสมควรนะยังเด็กอยู่มากก็ชอบไปดูเวลาเขาทาอะไรกันที่หลังบ้าน ข้างๆยุ่งข้าวมันมีต้นมะพร้าวอยู่สองต้นตรงนั้นะเย็นๆแดดมันจะร่มมีร่มเงาจากเรือนหลังใหญ่มันเป็นที่เหมาะมากสำหรับตั้งวงเล่าแล้วในช่วงนี้มักจะไม่ได้กินคนเดียวจะต้องมีพวกพ้องมาร่วมด้วยพวกพ้องก็เป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงคอเดียวกันคุยกันถูกคอนั่งล้อมวงกินกันบนแคร่ไม้ไผ่กินกันไปก็คุยหัวเราะกันไปมีเรื่องอะไรต่อนไหนมาลูกมาเล่าสู่กันฟัง คุณสมควรก็ชอบฟังเรื่องที่เขาคุยกันแต่ว่านาช่วงนี่มักจะไล่ไม่ให้ไปอยู่แถวนั้นก็บอกว่าผู้ใหญ่จะคุยกันมาฟังทำไมไปไปไ ป, ไปเล่นที่อื่นพอเขาไล่เนี่ยก็กลัวเขาดิเพราะว่านาช่วงเป็นคนขี้มโมโหเวลาโกรธนี่หน้าแดงก่าแล้วผงผางเสียงดังอะไรอยู่ใกล้มือก็คว้างก็าปาเอาคุณสมควรโดนบ่อยเพราะว่าชอบไปยุ่งกับเขาเวลาจะเข้าไปก็เลยต้องดูอารมณ์เขาก่อน ดูสีหน้าสีตาเสียงพูดเป็นยังไงทําไมชอบมาพาคนก็อยได้เสียงเข้าไปเจ่ะเดี๋ยวได้เรื่องหน้าสาวของคุณสมควรก็คือเมียของนช่วงเนี่ยเขาก็มักจะเตือนคุณสมควรบอกว่าอย่าไปทำให้เขาโกรธนะแล้วก็ยังเล่าว่าสมัยที่เขายังหนุ่มๆเนี่ยเขาเป็นคนไร้กาศมากมากกว่านี้หลายเท่านี่แก่แล้วดีขึ้นว่าก่าวเยอะก่อนนั้นอ่ะมีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่เป็นประจํา ไม่ว่าจะไปไหนก็มักจะไปมีเรื่องที่นั่นเคยโดนไล่ฆ่าไล่แกงปางตายมาแล้วก็ไม่เข็ดไม่หลบับวันหนึ่งนะช่วงล้มป่วยนอนกลางบ้านท้องโตเบอ้อเลยตัวแเล็กแต่ว่าพุงป่องสมัยนั้นก็ไม่เห็นเขาพาไปโรงพยาบาลกันเลยเห็นแต่เขาตามหมอมารักษาที่แรกก็เห็นมีหมอหนุ่มๆหน่นอยขี้กระเป๋าใบาใหญ่มามาฉีดยาให้ ต่อหลังก็ไปตามหมอผีแก่ๆมาทําพิธีกันคุณสมควรแอบดูก็เห็นเขาเอามีดหมอสับๆที่ท้องไล่ไปทางปลายเท้าบางทีก็พ่นเล่าขาวกับสมุนไพรที่ตำหมอใส่ปากเคี้ยวพ่นปรวดเพื่พร ว, ร ว, ร ว, รวใส่ท้องใส่ขาคนป่วยท้องคาถาเสียงพึมพำพึมพำ พ, พ, พอตำหมอไปแล้วก็ได้ยินพวกผู้ใหญ่เขาคุยกันว่าณนะช่วงเนี้ยถูกกุญสัเล่นงานก็ตามหมอมารักษาหลายคนหลายคน ก็ดีขึ้นมารู้ทีหลังว่าแกให้กินยาถ่ายด้วยหลังจากกินยาถ่ายท้องก็โล่งสบายกินข้าวได้ลุกนั่งสีหน้าสีตาดีขึ้นนาสาวก็ดีใจลูกๆก็หมดห่วงเขาก็ค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นมาเรื่อยๆจนแข็งแรงดีกินเหล้าเมายาได้อีกแต่ว่ากินไม่มากอะทีนี้ส่วนกับแกล้มพวกเต่าพวกกบอะไรก็ยังไม่ได้ไปหามาเต่ากบหรือว่านกอะไรพวกเนี้ยณช่วงจะเป็นคนไปหาเอง ที่นอกทุ่งหลังหมู่บ้านเขาเป็นคนชอบกินของพวกนี้ไม่ว่าผักปลาต่างๆปลาไหลนกหนูปูปลาอะไรแล้วแต่ออกไปกลับมาเป็นต้องได้ติดไม้ติดมือมาพอมอกแกงะพอเป็นกับแกล้มเวลาที่เขาได้เต่ามาเนี่ยเขาจะเผามันในกองไฟมันร้อนมันก็หนีออกมาเขาก็เอาไม้เขีย่ยให้มันกลับเขาไปอีกท่าทาค ง, งทรมานน่าดูพราะเขาเห็นมาอาหารมาเห็นคุณสมควร เขาก็จะไล่ไปห่างๆไม่ให้ดูแต่คุณสมควรก็แอบเห็นว่าเขาเผาเต่าจนไหมเกรียมเอาออกมางัดกระดองออกแล้วก็ช่วยกันยำยำเต่าใส่พริกหอมกระเทียมอะไรพวกนี้ยหอมพุ่งเนี่ยเขากินแก้มเล่ากันอย่างอริดอร่อยแล้วถ้าเป็นกบเขาจะต้มก่อนแล้วค่อยยำบางทีเขาก็แกงกบแกงเผ็ดพวกปลาไหลพวกนกหนูเอามาแก้มเล้าก็กินได้หมดอนะ่ะน้าเขยเนี่ย ตายเมื่ออายุหกสิบกว่าประมาณปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดตอนอายุมากก็ยังกินเหล้าอยู่นะตอนนั้นคุณสมควรทำงานกรุงเทพละกลับไปก็เห็นตั้งวงที่แค่ไม้หลังเรือนอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่เพื่อนร่วมวงเปลี่ยนหน้าไปแล้วบางทีก็เห็นกินกันอยู่สองคนพวกหน้าเก่าเนี่ยอาจจะล้มหายตายจากไปตามสังขารบางคนก็เลิกราไม่มาอีกเพราะคุยไม่ถูกคอกันก็ หมางเมินกันเพราะได้ข่าวว่าน้าเขยตายคุณสมควรก็รีบลางงานไปเพราะถึงบ้านก็ได้รู้จากแม่ว่าศพแกนายอยู่ที่วัดแม่เล่าว่าแกล้มเจ็บแล้วไม่ยอมไปหาหมอที่โรงพยาบาลแกว่าไม่เป็นไรหรอกป่วยได้ก็หายได้ว่ายอย่างนั้นแกก็ผอมลงเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ยเรียวแรงไม่มีจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอ่าสามเดือนเนี่ยผอมโกรกแล้วกินอะไรไม่ได้ไม่อยากอาหาร มันเป็นอย่งงางนั้นอยู่เป็นเดือนก่อนจะป่วยนี่แกไม่แตะเหล้ายาปลาปิ้งของชอบของแกเลยเพื่อนร่วมวงมาชวนก็บอกไม่นึกอยากกินให้เพื่อนกินคนเดียวแกแกนั่งคุยเป็นเพื่อนคุยก็ไม่สนุกเฮฮาเหมือนก่อนเพราะสีหน้าแกหมกมุ่นครุ่นคิดนาสาวเมียแกก็ถามว่าแกเป็นอะไรแกก็บอกว่าใจคอไม่ดีเลยอ่าแล้วนาก็ถามว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่า นั่ช่วงก็บอกว่าแกรู้หรือเปล่าเขาฝันไม่ดีแกก็เล่าให้นาสาวฟังบอกว่าแกฝันเห็นงานศพเขาจัดที่บ้านมีคนแต่งชุดดํามากันเต็มบ้านเลยมาฟังพระสวดมีโลงศพตั้งอยู่บนบ้านตรงระเบียงพระสี่รูปก็นั่งสวดอภิธรรมถือตละลับัดคนนั่งพนมมือฟังพระสวดกันเยอะแกก็เห็นเมียเห็นลูกเห็นคนในบ้านหน้าเศร้าเห็นว่าทุกคนยกเว้นแกไม่เห็นตัวเอง ไม่รู้ว่าแกไปอยู่ที่ไหนแกสงสัยมากก็เที่ยวมองหาก็ไม่เจอก็เลยไปดูที่ในโรงดูว่าเป็นศพของใครพอแกชะโงกหน้ามองลงไปเท่านั้นแกก็ตกใจในโรงมีศพนอนอยู่บนเนื้อตัวของศพก็มีกบมีเต่านกหนูปูปลาสัตว์อะไรต่างๆอีกเยอะแยะพวกปลาไหลด้วยเลื่อยไปเลื่อยมาเหมือนกับงูยยเ้อะแยะอยู่บนศพที่นอนเหยียดยาว พวกเต่าพวกกบก็ตายไปคลานไปกระโดดอยู่บนศพนั่นแหละหยุบหยับเต็มลงไม่หมดแค่มองไม่เห็นศพที่นอนอยู่ข้างล่างแกมองหน้าศพให้ชัดจนเห็นว่าแท้จริงแล้วผู้ชายที่นอนเป็นศพอยู่นั่นน่ะก็คือตัวของแกเองนั่นแหละนอนพนมมือมัตราสังอยู่แกตกใจตื่นแกใจเสียเสียขวัญเลยแกคิดว่าแกคงจะตายแน่ นาสาวก็ปลอบใจบอกฝันไปเท่านั้นแหละคนโบราณเขาบอกว่าฝันว่าตายนี่จะอายุยืนนาสาวพูดอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้ผ ล, ละนะช่วงเล่าต่ออีกว่าก่อนนั้นสมัยที่แกยังหนมนมอยู่แกเคยเจอพระหมอดูองค์หนึ่งดูหมอให้แล้วก็บอกแกว่าแกจะชะตาขาดเมื่ออายุหกสิบสี่ปีในตอนนั้นแกยังอายุไม่เท่าไหร่ก็ไม่สนใจมันอีกนานในแะกคิดอย่างนั้นความจริงแกลืมเรื่องคําทํานายของพระไปนานแล้ว แต่พอมาฝันอย่างนี้ก็นึกออกเพราะว่าตอนนี้แกอายุหกสิบสี่ปีแล้วทั้งความฝันทั้งคําทํานายของพระหมอดูมันมาตรงกันเข้าพอดีเลยก็ยิ่งทำให้แกยิ่งเชื่อว่าตัวเองจะต้องตายในไม่ชานี่แล้วหลังจากเล่าให้นาสาวฝังวันต่อมาแกเข้านอนแล้วอพอเช้านี่แกหมดเรี่ยวหมดแรงลุกไม่ขึ้นนะอยากจะนอนอยู่เฉยๆแล้วแกก็นอนอยู่อย่างนั้นนะสองวันนาสาวก็เลยไปตามหมอมาห ม, มาฉีดยาให้ หมอบอกว่าแกอ่ อ, อนเพลียต้องฉีดยาบำรุงกําลังสักเข็มเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นอย่างนั้นไม่ดีขึ้นเลยข้อสาคัญก็ไม่อยากกินอะไรข้าวปลาต้มแกงที่เคยชอบก็สายหน้าเหม็นเบือ่อพวกพ้องคอเหล้ามาเยี่ยมมาถามมาหยอกมาเย้าว่าข้าวไม่กินจะกินเหล้าไหมล่ะแกก็สายหน้าเขาก็ยาวต่อย้ำเตาไปไงไหวไหมหรือจะเอาผัดเผ็ดประไหลเผ็ดๆร้อ น, อนๆใส่กระทายเยอะๆอย่างที่เคยชอบ ก็เท่านั้นแกมีสีหน้าแปลกๆซีดเผือดเบือนหน้าหลบไปถอนหายใจเฮือกใหญ่ไม่ให้ใครเห็นคนพูดเยนะ้ยไม่ได้สังเกตอะไรก็ยังดันทุรังถามออกไปอีกหรือจะเอาย้ำกบแสบใส่มะม่วงซอยน้ำพริกเผาบีบมะนาวณนะช่วงก็รีบเอ่อยห้ามไมา่ให้พูดถึงอีกสีหน้าแกหวาดกลัวนาะสาวรู้ว่าเพราะอะไรก็ช่วยห้ามบอกกับเพื่อนคอล่าของแกไอย่าพูดอีกเลยเขาไม่ชอบ พอพวกนั้นไปแล้วน้าเขยก็คุยกับน้าสาวบอกว่าเขาไม่อยากได้ยินพวกนั้นพูดถึงกบถึงเต่าปลาไหลอะไรทั้งสิ้นไอตัวพวกนั้นที่แกฝันเห็นมันอยู่ในโรงศพของแกแกบอกว่ามันต้องเป็นกรรมที่แกเคยทําเอาไว้แน่ๆไม่อย่างนั้นพวกมันจะลงไปอยู่ในโรงได้ยังไงน้าสาวก็พยายามปลอบใจให้ทําใจสบายๆไม่มีอะไรหรอกไม่ได้เจ็บได้ปวดอะไรแค่หมดเรี่ยวหมดแรงเท่านั้นถ้ากินข้าวได้เดีสองต้อวันก็เดินไปไหนมาไหนได้แล้วไอที่มันเป็นอย่างนี้เพราะกินข้าวไม่ได้ นาสาวก็บอกว่าจะพาไปโรงพยาบาลแกก็ไม่ยอมแกสายหน้าอย่างเดียวนาสาวก็จนปัญญาแถวบ้านคุณสมควรเวลารักษาหมอแผนปัจจุบันไม่ได้ผลแล้วก็มักจะหันหน้าเขาพึ่งพาหมอคุณใส่หมอพระหรือว่ายาหมอ้อยาต้มกันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเมื่อตอนยายป่วยก็เหมือนกันน้าสาวก็คิดว่านช่วงนี้อาจจะโดนคุณใสเหมือนกับคราวที่แกล้มเจ็บหนักครั้งที่แล้ว แกก็เลยไปตามหมอศัยศาสตร์มาแต่ไม่ใช่คนกล่าวว่าคนเก่าวมันตายไปแล้วพอหมอมาหมอก็บอกว่าสงสัยจะถูกคุณก็ทําการรักษานาเขยก็ไม่รู้ว่าอะไรรักษาก็รักษาไปแต่ผลออกมาก็ไม่ได้ผลอะไรนอนอยู่อย่างนั้นหมอก็รักษากันไปหมอยาบ้างหมอผีบ้างยาต้มยาลูกร้อนก็ว่ากันไปเกือบสองเดือนต่อมานาเขยก็ทนไม่ไหวแล้วแต่ว่าช่วงเดือนท้ายๆนี่แกเพอหน้ากลัวหน้าขนลูก แกเป็นในตอนกลางคืนกลางวันเน่นอนหลับดีพราะตกกลางคืนเท่านั้นน่ะแกก็ร้อนรุ่มนอนไม่ได้กระวนกระวายบอกร้อนร้อนร้อนร้อนมากร้อนเหมือนนอนอยู่ในกองไฟเอากองไฟไปห่างหางอยากเข้ามาใกล้ๆแกคลานหนีไปเลยแล้วก็ยังไม่หายร้อนให้ลูกเมียช่วยขันย้ายที่นอนย้ายไปตรงนั้นไปตรงนี้นนมุมนั้นมั่งมุมนี้มั่งทั่วบ้านไปหมดคนในบ้านแทบจะไม่ได้หลับได้นอนกันเลยตอนกลางคืนเดี๋ยวก็เต่ามากัดนิ้วมือเดี๋ยวก็มากัดนิ้วเท้า ปลาไหลเลื้อยเข้าปากเข้าคอนกมาจิกลูกในตาแกร้องลั่นเลยเจ็บจังเลยปวดจังเลยเอามันออกไปทีไล่มาไปทีอ่าประเดี๋ยวก็เอาอีกแล้วกบมาอีกแล้วมันมางับหูกูแกหวาดกลัวในตาเหลือกรัน่นยกมือไหว้ประหลอกประลอกล ก, กลัวแล้วกลัวแล้วยกโทษให้ด้วยยกโทษให้ด้วยไม่ทําอีกแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งคืน พวกสัตว์นั่นมันล้วนแต่เป็นสัตว์ชนิดที่แกเคยไปหาไปล่าฆ่าชีวิตเอามาทำกับแกล้มเล่าทั้งหมดทั้งสิน้นน้าสาวก็ยกมือไหว้บูญบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานา น, านานานิมนพระมาต่ออายุทําบุญที่บ้านทําทุกวิถีทางแล้วอยู่มาวันนึงงบ่ายๆก็อยู่กันสองคนกับน้าสาวน้าช่วงก็เหมือนจะสั่งเสียก่อนที่แกจะสิ้นลมบอกว่า ปิดขวาลงให้แน่นๆนะอย่าให้ตัวอะไรมันลงไปได้แกพูดแค่แนั้นไม่นานแกก็หมดลมครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อวัดลานมากวิดไหมครับ วัดลานมะขิดนี่เป็นชื่อเดิมของวัดป่าเลไลบวรวิหารซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสุพรรณบุรีหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อวัดโดยทั่วไปแล้วคนสมัยก่อนนี่เขามักจะตั้งชื่อวัดโดยอาศัยสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณวัดหรือว่าผู้ที่ได้บริจาคที่ดินให้กับทางวัดตัวอย่างเช่นวัดส้มเกลียงชื่อวัดก็มาจากชื่อของคุณหญิงส้มเกลียง ซึ่งท่านเป็นผู้มีจิตศรัทธาถวายปัจจยัยรวมทั้งที่ดินแลว้วก็การก่อสร้างวัดหรือว่าวัดลานมะกิดที่ว่าเนี่ยที่มาของชื่อก็มาจากบริเวณวัดซึ่งมีต้นมะกิดขึ้นอยู่เป็นจํานวนมากข้างๆวัดลานมะกิดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนกันนสูตศึกษาไล่ซึ่งเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดสมัยนั้นทุกวันศุกร์ก่อนที่โรงเรียนจะปล่อยให้นักเรียนกลับบ้านนักเรียนจะต้องมาฟังธรรมะภายในวัด ในความรู้สึกของเด็กการที่จะต้องเดินเข้าวัดเป็นอะไรที่ทรมานมากนะคุณมานิตกับพวกเพื่อนๆก็เลยวางแผนกันว่าเวลาที่ครูขานชื่อเสร็จนะพวกเราก็จะแกล้งลาเข้าส่วมจากนั้นก็ค่อยแวบไปจับยิ่งรีดที่หลังวัดวันนั้นทุกอย่างดูราบเรื่อนครูที่มาคุมเด็กนักเรียนก็ไม่ได้ขานชื่อนักเรียนเหมือนอย่างทุกครั้งพอเข้ามาในวิหาร คุณมานิดกับพวกเพื่อนเพื่อนก็ลาครูเข้าห้องน้ําจากนั้นก็เดินลัดเลาะออกไปทางด้านหลังซึ่งด้านหลังของห้องน้ําเป็นที่สําหรับเก็บศพที่รอวันเผาก็คือโ ก, กดังเก็บศพนั่นแหละคุณมานีดกับเพื่อนเพื่อนจับจิ้งดีใสกก่กระป๋องจนเพลินมารู้ตัวอีกทีก็เป็นเวลายเย็นมากแล้วเฮ้ย hey, ตายแล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามเข้าไปแล้วก็ไม่รู้กลับกันเยอะอืมยังไม่อยากกลับเลยว่ะจิงดีถแถวนี้ชุมเป็นบ้าเลยรู้งี่มาจับที่นี่ตั้งนานแล้ว เอาอย่างงี้ดีไหมคืนนี้มาจับจิ้งหรีดที่นี่กันอีกชวนพวกไอแดงไอป้อมมาด้วยอุยตอนยังคืนไม่เอาอะแถวนี้มันป่าช้านะกลัวเลยวะมากันหลายคนคืนนั้นคุณมานิดกับพวกเพื่อนๆก็มาลา่จับจิ้งหรีดอย่างสนุกสนานทุกอย่างก็เป็นปกติดีจนกระทั่งขากลับก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วก็ได้ยินเสียงคนพูดขึ้นว่ะสนุกกันใหญ่เลยนะใครพูดวะ ฮะก็หันไปมองรอบๆก็ไม่เห็นใครเฮ้ย hey, หูแหววไปเองมั้งไม่มีอะไรแล้วนะในขณะที่ทุกคนเข้าใจว่าเสียงได้ยินเป็นเสียงที่แหววมาตามลมคุณมานิดก็กลับคิดว่าหากเป็นเสียงลมทําไมทุกคนถึงได้ยินเหมือนกันตอนนั้นคุณมานิดสังเกตเห็นว่ามีบางสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นด้านหลังของเมนเผาศพเป็นภาพของต้นมะควิดที่มีความสูงพอสมควรแต่ทําไมต้นมะควิดถึงได้เคลื่อนที่ได้ คือ น, นั่นเป็นคืนเดือนหงายแสงจันทร์ที่พ้นจากเงาของก้อนเมฆทําให้แกมองเห็นภาพต้นมะกวิดอย่างชัดเจนในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ต้นมะกวิดอย่างที่เข้าใจในตอนแรกหากแต่มันเป็นเปรตจะเอาแกไปสาบานที่ไหนก็ได้ว่าตาแกไม่ได้หวาดเพื่อนๆทุกคนต่างก็เห็นเหมือนอย่างที่แกเห็นทุกคนตะโกนด้วยความตกใจกลัวสุดขีดแล้วก็วิ่งหนีกันอย่างสุดชีวิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้น ทำให้คุณมนิตรวมทั้งเพื่อนเพื่อนทุกคนถึงกับจับไข้คนที่อาการหนักกว่าเพื่อนชื่อไอ้ป้อมนะมันผมร่วงหมดทั้งหัวเลยแม่ก็พาคุณมนิตไปให้หลวงพ่อถินซึ่งเป็นเจ้าวาดในสมัยนั่นรถน้ำบนให้หลวงพ่อถินซึ่งมีศักดิ์เป็นญาติทางฝ่ายแม่หัวเราะชอบใจเฮ้เฮดีแล้วโดนซะบังถามหน่อยเธอจิงรีดมันทาอะไรให้พวกเองเดือดร้อนหรื อ, อยังไงเปล่าหรือครับเปล่า ในเมื่อเองบอกเปล่าแล้วเองไปจับมันทำหม่จับไปให้ไก่กินจับไปตกปลาบาปทั้งนั้นเสียแรงเป็นเด็กวัดโตมาจากข้าวกลบาตพระแต่ไม่รู้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกสิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรผมผมจะไม่จับจิงรีดอีกแล้วครับอืมคิดได้อย่างงั้นมันก็ดีไม่ใช่เฉพาะจิงรีตแล้วสัตว์อื่นๆมันก็อย่าไปรังแกมันชีวิตใครๆก็รักอืด แล้วเรื่องเปรตตัวนั้นนะครับหลวงพ่อไปถามถึงมันทําไมอยากจะเจอมันอีกใช่ไหมล่ะคําพูดของหลวงพ่อทําอาคุณมานิตถึงกับขนลุกสู้มันมีจริงๆริงเหรอหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยสิครับเปรตนะั้มีจริงแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งถามอะไรเลยสักวันหนึ่งแกก็จะรู้ถึงเรื่องราวของเปรตตนนี้เองแหละทุกครั้งที่คุณมานิตไปปฏิบัติหลวงพ่อที่วัดก็อดไม่ได้จะต้องเรียบเรียบเคียงเคียงถามท่านเรื่องเปรตตัวนั้น แต่หลวงพ่อก็จะบ่ายเบียงเปลี่ยนเรื่องพูดทุกครั้งมันก็ยิ่งทําให้แกอยากจะรู้ความจริงมากยิ่งขึ้นในที่สุดแกก็ได้พบกับคุณลุงทองคุณลุงทองแกเป็นสัพเรอที่ย้ายมาจากวัดบางประหมอทราบว่าลุงทองในแกมีวิชาอาคมแล้วก็ยังเลี้ยงกุมารทองอีกด้วยแกเชื่อเรื่องขุนช้างขุนแผนหรือเปล่าล่ะหลายคนเชื่อว่ามันไปแค่หนังสือวรรณคดีแต่เขาโครงเรื่องมันมาจากเรื่องจริง ถ้าต้องการอยากจะรู้เรื่องเปรตเดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังเปรตที่มาปรากฏตัวให้เห็นเนี่ยคนเฒ่าคนแก่เขามีความเชื่อว่าเป็นเปรตของพลายงามพลายงามนี่มีความผูกพันกับวัดบ่าเลไลเพราะว่าเป็นวัดที่สายงามมาพลายงามนี่มาบวชแต่ว่าบางคนก็เชื่อว่าเปรตที่เห็นนั่นไม่ใช่เปรตพลายงามอย่างที่หลายๆคนเข้าใจแต่เป็นเปรตข้าทาสบริวารขุนช้างที่มีหน้าที่ต้องเฝ้าสมบัติของเจ้านาย ซึงก็คือขุนช้างนั่นเองคุณลุงทองและคนเฒ่าคนแก่ยังมีความเชื่อว่าภายในบริเวณวัดป่าเลไลหรือว่าวัดลานมะขิดเป็นสถานที่ซึ่งขุนช้างนําเอาสมบัติล้ําค่าอย่างแก้วแหวนเงินทองเป็นจํานวนมากมาซุกซ่อนอยู่ภายในบริเวณวัดแต่ไม่รู้ว่าตําแหน่งของที่สมบัติซ่อนนั้นมันอยู่ตรงไหนสําหรับรูปปั้นหงาะนางพิมพ์ซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องขุนช้างขุนแผนก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่าทําไม ถึงได้มีรูปปั้นของนางพิมพ์มาตั้งอยู่ที่หน้าประตูหน้าวิหารหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีมีเรื่องเล่ากันว่าตอนที่พลายแก้วบวชเป็นเนนนางพิมพ์ได้นําข้าวปลาอาหารพักษาอาหารมาถวายพระเนนภายในวัดและนางพิมพ์จะต้องเข้ามาสักการะองค์หลวงพ่อโตภายในวิหารเป็นประจำด้วยเหตุ น, นี้ก็เลยมีรูปปั้นของนางพิมพ์ปรากฏอยู่ตรงนั้น ตรงบริเวณประตูทางเข้านั่นแหละไอ้ตรงบริเวณประตูทางเข้าอ่ะแต่ว่ามีข้อสังเกตตรงชื่อของนางพิมพ์ทางวัดเขาเขียนคําว่านางพิมพ์น่ะเป็นนางพิมพ์มีพอพ่านกา ร, รันโดยเป็นหนังสือพิมพ์เลยซึ่งสมัยก่อนนี้คําว่านางพิมพ์ขาพอสไลอ์มอพิมพ์แค่นั้นเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นเรื่องอศัศจรรย์ซึ่งมักจะเกิดขึ้นก็คือภายในบริเวณวัดแห่งนี้ ชาวบ้านรวมทั้งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่จะมาขายของภายในบริเวณวัดจะพบผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งบนศรีรษะเนี่ยผมขาวโพลนแล้วเหมือนดอกเลาชายคนที่ว่านี่จะมากวาดลานวัดในเวลากลางคืนพระที่จำพรรษาในวัดท่านเล่าให้ฟังว่ามีอยู่คืนนึงท่านนอนไม่หลับก็ลงมาเพื่อที่จะเดินจงกรมท่านก็ได้พบกับผู้ชายคนที่ว่านี้ครั้งแรกท่านก็เข้าใจว่าเป็นชาวบ้านก็เดเดินเข้าไปเพื่อที่จะคุยด้วย ปรากฏว่าชายชราคนที่ว่านี่พอหันมาเจอท่านเขาก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาพอตั้งสติได้พระรูปนั้นก็รีบกลับขึ้นไปสวดมนต์บนกุฏิสลายสิบจบแล้วก็ไม่คิดจะลงมาเดินจงกรมในเวลากลางคืนอีกเลยลุงสวัสดิ์นี่เป็นอีกผู้หนึ่งที่เคยพบเรื่องราวแปลกๆทานองนี้ลุงสวัสดิ์กับคนงานได้ขับรถผ่านวัดช่วงเวลานั้นเป็นเวลากลางคืน เขาได้พบกระแสงสีทองสุกปล่งพุ่งออกมาจากช่องหน้าต่างด้านหลังของวิหารหลวงพ่อโตคนที่นั่งมาด้วยเห็นเหมือนกันทุกคนเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากครับนั่นก็คือเรื่องแปลกๆที่วัดลานมากิดหรือว่าวัดป่าเลไลบวรวิหารนะครับประวัติของหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลนั้นเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่โดยเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลสูง23เมตร ซึ่งตามความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมานั้นเชื่อว่าแต่เดิมหลวงพ่อโตไม่ได้สร้างขึ้นเป็นปางป่าเลไลร์หรอกแต่การที่เพี้ยนมาเป็นปางป่าเลไลร์นั้นสันนิษฐานได้สองประการประการแรกนั้นเกิดจากช่างที่บูรณะปฏิสังขรไม่มีความรู้ประการที่สองอาจจะเป็นเพ่อช่างที่สร้างมาสร้างเพี้ยนมาแต่เดิมแล้วก็เป็นได้ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าหลวงพ่อโตนั้นได้ถูกสร้างขึ้นมานานแค่ไหนหรือว่าสมัยใด มีเพียงแต่คําสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นที่สมัยอู่ทองแต่หลายคนก็แย้งว่าหลวงพ่อโตมีลักษณะศิลปะที่ไม่ใช่สมัยอู่ทองเช่นพระขนงหรือคิ้วที่มีลักษณะเหมือนกับศิลปะในสมัยอยุธยาแต่เมื่อพิจารณาลักษณะหลวงพ่อโตจริงๆแล้วก็จะเห็นได้ว่าประกอบไปด้วยศิลปะของหลายยุคหลายสมัยไม่ว่าจะเป็นพระพักพระเนตรพระโอร์ไรพระเกษาพระเกษา เ, เล็ก ที่เป็นศิละปะแบบอู่ทองส่วนพระขนงก็เป็นแบบอยุทยาสังคติภาพเป็นแบบสุโขทยัยแต่ก็มีผู้แย้งว่าอาจจะเกิดจากการที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์บ่อยครั้งเดิมทีนั้นหลวงพ่อโตถูกสร้างขึ้นเอาไว้กลางแจ้งไม่ได้มีวิหารครอบองค์ไว้เช่นปัจจุบันและความที่อยู่กลางแจ้งก็อาจจะทำให้พระพุทธรูปมีความเสียหายได้ง่ายยิ่งขึ้นดังนั้นจึงต้องปฏิสังขรณ์บูรณะก็อยู่เนือง โดยเฉพาะบริเวณพระ ก, กรและพระหัตถ์ที่มีความเสียหายมากและในส่วนนี้ก็ได้สันนิษฐานกันว่าแต่เดิมนั้นคิดที่จะสร้างเป็นปางปฐมมเทศนาแต่ต้องกลายมาเป็นปางป่าเลไลก็เพราะว่าช่างที่บูรณะไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวนั่นเองตามหลักฐานที่ปรากฏนั้นได้พบว่ามีการบูรณะปฏิสังขรณ์สามครั้งด้วยกันครั้งแรกในปีพศ1706โดยมอนน้อย ครั้งที่สองในช่วงกรุงศรีธยาตอนปลายในสมัยพระเจ้าเอกาทศรถโดยครั้งนี้มีการสร้างวิหารขึ้นครอบองค์หลวงพ่อโตส่วนครั้งสุดท้ายนี่เป็นสมัยของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่โดยโปรดเกล้าให้พระยานิกรบดินเป็นผู้ที่ควบคุมการบูรณะปฏิสังขรณ์ลักษณะของวิหารที่ครอบหลวงพ่อโตเอาไว้นั้นสร้างผนังชิดพระพักด้านขวา และเหลือที่ทางพระหัต์ด้านซ้ายเอาไว้ส่วนด้านหลังขององค์พระก็ชิดติดวิหารซึ่งวัดป่าเลไลยนั้นได้ปรากฏในเรื่องขุนช้างขุนแผนอีกด้วยโดยบรรยายถึงความสำคัญของวัดป่าเลลายเอาไว้ว่าทีนี้จะกล่าวเรื่องเมืองสุพรรณจะทำบุญให้ทานการศรัทธาหญิงชายน้อยใหญ่ไปแออัดก็พระเจดีทายเรียงรายไปยามสงกรานต์คนนั้นก็พร้อมหน้า ต่างมาที่วัดป่าเลไลขนทรายเข้าวัดอยู่ขวักไกวจะเลี้ยงพระกะไว้วันพรุ่งนี้นอกจากนี้ที่วัดป่าเลไลก็ยังมีเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อนมัส ก, การหลวงพ่อวัดป่านะมีลปีละสองครั้งนั่นก็คือในวันขึ้นเจ็ดค่าถึงเก้าค่าเดือนห้าแล้วก็เดือนสิบสองหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่มีการบูรณะหลายต่อหลายครั้ง เนื้อองค์เป็นปูนปั้นจากนั้นก็ลงรักปิดทองจากฐานถึงประเสียรมีความสูง23เมตรเล็กน้อยเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไยสร้างตามแบบศิลปะสมัยอู่ทองเชื่อกันว่าการบูชาหรือนมัสการหลวงพ่อโตนั้นจะช่วยทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงและหากว่ารักษาศีลด้วยผลบุญก็จะช่วยดนบันดาลให้ได้ตามที่ประสงค์เอาไว้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เรื่องความเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตวัดป่าเลไ ล, ะละก็มีอยู่ไม่น้อยทีเดียวเรื่องหนึ่งที่จะขอยกมาเป็นเรื่องของนักการเมืองคนหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เรื่องของเรื่องก็คือวันนั้นนักการเมืองท่านนี้ไปเปิดงานงานนึงแต่พอขับรถมาจากกรุงเทพกำลังจะถึงที่สุพรรณซึ่งเจ้าตัวก็ขับรถมาได้ความเร็ว120กิโเมตรต่อชั่วโมง ระหว่างทางที่ขับมานั่นก็มีรถมอเตอร์ไซค์เลี้ยวรถตัดหน้าทําให้ต้องหักหลบรถจักรยานยนต์หนักคันดังกล่าวนั่นจนทําให้รถเสียหลักพลิกคว่าแล้วก็ตกข้างทางไปจากสภาพเหตุการณ์ที่เล่ามาหลายคนอาจจะคิดว่านักการเมืองท่านนี้น่าจะบาดเจ็บสาหาัสแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะนักการเมืองท่านนี้ยังสามารถยืนให้ปากคํากับตํารวจได้เหมือนกับเป็นเพียงผู้เห็นเหตุการณ์หลังเหตุการณ์ดังกล่าวนักการเมืองท่านนี้ท่านกล่าวว่าตนเองเป็น ผู้ที่เคารพนับถือหลวงพ่อโตวัดป่าเรียไยอยู่แล้วแล้วตอนที่รถกำลังพลิกคว่ำก็อธิษฐานจิตให้ท่านช่วยและท่านก็ช่วยชีวิตเอาไว้จริงๆเหตุการณ์ครั้งนี้แม้ว่าอาจจะไม่ชัดเจนนักแต่ทำให้เราตั้งข้อสงสัยได้ว่าปฏิหารของหลวงพ่อโตนั้นมีจริงหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่มีอะไรที่สามารถบอกได้ชัดแจ้งว่าอะไรเป็นอะไรคาถาบูชาหลวงพ่อโตก็คือตั้งนโมสามจบโตเสนโตวระธรรมเมนะ โตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาศิชันตูนังโตสะ จ, จิตตังนมามีหังอันนี้หลวงพ่อถิน่นหรือว่าพระวิสุทธิสาระเถระวัดป่าเรไรบวรวิหารท่านให้ไว้ครับมาถึงผีเจดีร้างท่านดูฟัง ที่บ้านดอนกอกตําบลตะพังตรุอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ50ปีล่วงมาแล้วยังเป็นบ้านนอกสุนบทวามเจริญเข้าไปถึงน้อยมากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่อ้อยแล้วก็ทำไร่ข้าวโพดเป็นบางส่วนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของนายดาบตำรวจชื่อดาบฉไหนซึ่งเกษียณอายุราชการแล้วนะครับเล่าให้ฟังโดยมีรายละเอียดว่าช่วงเวลานั้นะ ดาบฉไหนยังมียศเป็นสิบตำรวจตรีประจําอยู่ที่โรงพักพนมทวนสะิบตรีฉนัยมีเพื่อนสนิทสองคนคือครูคํานวณครูประชาบาลวัตพังตรุและก็นายสนพ่อค้าพื้นไร่ทั้งสามคนมีอุปนิสัยใจคอคล้ายๆกันคือชอบสะสมพระเครื่องเมื่อไหร่ที่มาพบป่าสังสรรค์กันก็จะหยิบมาเรื่องพระเครื่องรุ่นต่างๆมาพูดคุยกันอย่างถูกคอไม่รู้เบื่อที่บ้านดอนก อ, อกนะั้มีเจดีย์ร้างอยู่องค์หนึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่โบราณ ตั้งอยู่บนเนินดินแวดล้อมด้วยป่าละเมาะรกเรือแล้วก็หน้าแปลกที่บริเวณรอบๆเจดีย์ไม่มีร่องรอยของสิ่งก่อสร้างซึ่งแสดงว่าเป็นวัดร้างปรากฏอยู่เลยคล้ายๆกับว่าเจดีย์นี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวเพียงองค์เดียวทําให้ยากจะคาดเดาได้ว่าผู้ที่สร้างเจดีย์นี้มีเจตนาอะไรแล้วก็เห็ตุไห น, นถึงได้สร้างเจดีย์ขึ้นมาบนที่เปลี่ยวร้างอย่างนี้ สิปรีชไนสนใจเจดีย์องนี้มากเคยสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่บ้านดอนกอกหลายรายว่าพอจะรู้ประวัติความเป็นมาของเจดีย์แห่งนี้บ้างหรือเปล่าแต่ว่าผู้สูงอายุในหมู่บ้านไม่มีใครรู้เรื่องเจดีย์แม้แต่คนเดียวทุกคนบอกสิปรีชไนเหมือนกันว่าเห็นเจดีย์องนี้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแม้แต่รุ่นปู่รุ่นย่าก็ไม่มีใครรู้ความเป็นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่มีผู้ใดรู้ประวัติเจดีย์ลึกลับองค์นี้ สิบตรีชไนได้นําเรื่องเจดีไปพูดคุยกับครูคํานวณแล้วก็นายสนว่าภายในเจดีน่าจะมีการบรรจุพระเครื่องเอาไว้เป็นแน่ถ้าขุดเจดีทะลุเข้าไปได้ก็อาจจะเจอกลุกพระอยู่ข้างในก็ได้ครูคํานวณและนายสนก็พลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะความที่อยากจะได้พระเครื่องแต่ครูคํานวณก็ยังอดหวาดไม่ได้อยถ้าตํารวจมาเจอพวกเราตอน ก, นากําลังขุดเจดีอยู่แล้วก็สุดไวแน่แล้วนะะนายสนก็หัวรอกัก ก็บอกกับครูคำนวณอย่างขำๆบอาเฮ้ย hey, มูไหนก็มาช่วยขุดทั้งคนยังจะกลัวตำรวจที่ไหนอีระครูครูคำนวณก็เพิ่งนึกได้ว่าสิบปีฉัไหนก็เป็นตำรวจก็พลอยหัวเราะขำตัวเองแต่มูฉัไหนกลับฉุกคิดถึงความผิดทางกฎหมายขึ้นมาเออครูพูดอย่างนี้ก็เท่ากับเตือนสติกันจะว่าไปแล้วก็จริงของครูถ้ากำลังขุดจะดีอยู่แล้วมีใครมาเห็นข้านะ่ะคงจะเป็นเรื่องแน่ พอถึงจะเป็นเจดีย์ร้างก็ยังเป็นโบราณสักใครไปขุดเจาะทําลายก็มีความผิดทางกฎหมายทั้งนั้นน่ะผมเป็นตํารวจต้อมาทําผิดเสียเองอย่างนี้เจอโทษหนักเป็นสองเท่าแน่แน่เมื่อสิบตีฉนยัยพูดออกมาอย่างนี้ก็เล่นเอาครูคํานวณกันในสนถึงก็อึ้งไปคราวนี้วงสนทนาก็เปลี่ยนมาเป็นกระซิบกระซาบ พ, พูดคุยกันเบาๆแล้วก็ช่วยกันวางแผนการจะไปขุดกรุที่เจดีย์ร้างโดยจะแอบไปตอนกลางคืนโดยจะเปลี่ยนกันเฝ้ายามคอยดูต้นทาง หากมีผู้คนเดินผ่านมาก็จะส่งสัญญาณให้พวกที่ขุดเจดีหลบหนีไปก่อนเมื่อตกลงนัดหมายกันแล้วทั้งสามคนก็แยกย้ายไปจัดเตรียมอุปกรณ์การขุดถึงคืนกำหนดไปขุดกรุในสนก็ขับรถปิกอัพมารับครูคำนวณแล้วก็สิบตรีฉัไหนพอไปถึงบริเวณใกล้ๆกับเจดีรางในสนก็ขับปิกอัพไปจอดซุ่มในละเมาะทึบลับตา แล้วทั้งสามคนก็แบกอีเตอร์กับฉลงตรงไปยังเจดีร่างซึ่งอยู่ห่างจากทางเดินประมาณสองร้อยเมตรโดยให้ครูคำนวณเป็นคนเฝ้าดูต้นทางก่อนถ้าเห็นมีคนเดินผ่านทางก็ให้วิ่งไปบอกจะได้หลบไปที่รถปิอัตแล้วก็ขับหนีไปทันทีเวลานั้นประมาณสี่ทุ่มเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านดอนกอกเงียบเจี๊ยบแต่คืนนั้นเป็นคืนข้างึ้นอ่อนๆแสงจันทร์เสี้ยวสองแสงสลัวสลวไม่ถึงกับมืดสนิท สตรีชไนกับนายนนสนก็หิ้วอุปกรณ์ขุดกรุแยกไปที่จะดีส่วนครูคำนวณก็เข้าไปหลบอยู่ในเงาเมื่อข้างทางคอยดูว่ามีคนจะผ่านไปผ่านมามาหรือเปล่าครูคำนวณยืนตบยุงด้วยความรำคาญได้ครู่หนึ่งก็หยิบบุหรี่ออกมาจุดสูบสูบบุหรี่ไปได้ไม่ถึงครึ่งมวนก็รีบโยนบุหรี่ทิ้งแล้วก็เหยียบให้ดับเนื่องจากได้ยินเสียงคนเดินสวบสาบตรงเข้ามาจากปากทางพอชะโงกหน้าออกไปดูก็เห็นพระภิกษุรูปนึงแบกโหลดที่อยกาน้ําเดินเข้ามา ครูคำนวณเรคิดว่าต้องเป็นพระธุดงค์กำลังจะเดินไปที่เจดีรางแน่ก็เลยรีบหลบออกจากที่ซุ่มวิ่งไปยังพักพวกที่กำลังขุดเจดีอยู่ขณะนั้นในสนกำลังหัวดอีเตอร์ได้ไม่กี่ทีและสิบตรีฉันไห้ยังไม่ทันใช้ชแฉล ง, งัดเอาอิดที่แตกหักออกมาครูคำนวณก็วิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่ามีพระธุโดงค์กำลังตรงมาที่นี่สามเกลก็ลรีบหิว้วอุปกรณ์ขุดกรุลุยดงหญ้าหลบออกไปอีกด้านนึง ลัดเลาะไปที่รถปิ้อ้าที่จอดซุ้มไว้สตาร์ทเครื่องขับออกไปทันทีเป็นอันว่าคืนนั้นการขุดเจดีย์ต้องล้มเลิกไปโดยปริยายต่างคนต่างก็แยกย้าย ก, กันกลับบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นในสนก็รีบขับรถไปดูบริเวณเจดีย์รังคิดว่าต้องพบพระธุดงมาปักปลดแถวแถวนั้นปรากฏว่าไม่พบเห็นพระเนรูปไหนทั้งสิน้นทั้งไม่มีเ้าเงื่อนร่องรอยว่าจะมีพระธุดงมาปักปลดอาศัยในบริเวณนั้นจึงได้นําความไปบอ ก, กบครูคํานวณกับ สิบตรีฉไนแล้วก็ประเมินว่าครูคํานวณอาจจะตาฝาดไปก็ได้เนื่องจากคอยคิดกังวลว่าจะมีใครมาเจอมาพบเห็นการขุดเจาะพระเจดีแต่ครูคํานวณได้ยืนยันมั่นคงว่าตัวไม่ได้ตาฝาดอย่างแน่นอนเห็นพระธุดองแบบกรดเดินเข้ามาจริงๆดังนั้นสิบตรีฉไหนกับนายนนสนก็เลยนัดหมายกันใหม่ว่าคืนนี้จะไปขุดเจดีอีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะให้ในายสนเป็นคนดูต้นทางส่วนสิบตรีฉไหนกับครูคํานวณเป็นคนขุด คืนต่อมาสามเกลือก็ย้อนกลับไปที่เจดีร้างที่เดิมโดยให้ในายสนเป็นคนเฝ้าต้นทางส่วนสิบตีฉไหนกับครูคำนวณเป็นคนขุดสิบตรีฉนัยใช้อีเตอร์ฟันลงไปที่ฐานเจดีเจาะจนเป็นช่องครูคำนวณก็ช่วยกันงัดอิดด้วยแลงหลุดออกมาเป็นกะบิ่ความเก่าของอิฐทําให้ทั้งสองเปิดเป็นช่องกว้างขึ้นเรื่อยๆกระทั่งกลายเป็นช่องวูขนาดพอจะลอดหัวเข้าไปได้สบายๆครูคำนวณก็บอกให้สิตีฉนัยหยุดชั่วคราว ตัวเองคว้าไฟฉายส่องเข้าไปในรูโว่นั่นครูเห็นอะไรเหตปบ่าวะ่ะมาข้างในมันมืดเหลือเกินดูมันจะมีจอมปลวกขวางปากรูอยู่ด้วยนะครูคํานวณบอกแล้วก็สอดกระบอกไฟฉายลอดก็ไปส่องดูภายในให้เห็นชัดๆพร้อมกับปุ่มลงไปมองเพื่อให้เห็นถนัดทันใดนั้นครูคํานวณก็ร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีดเมื่อกระบอกไฟฉายในมือคล้ายกับมีใครคว้าจับแล้วกระชากจนหลุดจากมือ ครูคำนวนโดดผุงออกจากทางช่องโหวของเจดีย์บอกกับสิบตีฉไหนาปากคอสันเฮ้ ee, ไม่รู้มืออะไรกระชากไฟฉายไปจักมือผมเฮ้ย hey, ครูอุปทานไปเองหรือเปล่าสิบตีฉไหนไม่เชื่อแล้วก็เดินเข้าไปสุดนั่งยองๆตรงช่องโหวที่ช่วยกันทะลวงผนังเจดีย์จนทะลุส่องไฟฉายเข้าไปดูบ้างแต่เห็นอะไรไม่ถนัดเพราะว่าภายในเจดีย์คล้ายกับมีละอองฝุ่นนึกวันคราครุงเลยทาให้แสงไฟฉายไม่สามารถส่องทะลุ ขณะสิบตรีชไนกำลังก้มลงมองเข้าไปในช่องโหว่โดยมีครูคำนวณยืนอยู่ข้างๆทั้งสองก็สะดุ้งขึ้นพร้อมๆกันเมื่อได้ยินเสียงทักทายจากทางด้านหลังทำอะไรกันหรือโยมครูคำนวณกับสิบตรีฉไนเหลียวไปมองยืนตะลึงตัวแข็งขนลุกเกรียวเมื่อเห็นเจ้าของเสียงยืนตำงานอยู่ห่างออกไปไม่ถึงสามว่าผู้พูดเป็นพระธุดงแบกกรดสะพายอัธบริขานพระ ง, ง์พลัง ถ้าหากว่าเป็นพระธุดงซึ่งมีรูปร่างปกติธรรมดาก็คงไม่ถึงก็ต้องตื่นตระหนกตกใจแทบเป็นอมพาสาแต่ที่ทั้งสองเกลอเห็นอยู่นี่พระธุดงผู้ปรากฏตัวในายามวิกาลมีรูปร่างสูงใหญ่่าคุณปกติธรรมดาเกินเท่าตัวตระง่านเงื้อมยังกระยักปักกลันดูเป็นเงามืดทะมึนน่ากลัวเป็นที่สุดโยมทั้งสองกลับไปเสถะ สิ่งที่โยมกําลังทําด้วยความโลภแบบเนี้มีแต่จะทําไม่เกิดความบิบัติแก่ชีวิตกลับไปตอนนี้เลิกละเสียตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปคําพูดที่เนิบเนิบฟังแล้วเย็นจะเยือกจับใจทําให้ครูคํานวณและสิบตรีชนยัยยกมือพนมด้วยความหวาดกลัวจากนั้นทั้งสองก็ค่อยๆก้าวถอยหลังทีละก้าวพอออกห่างมาได้ก็หันหลังวิ่งตะเตลดิดเปิดเปิงไปยังรถปิ้ ง, ง, งอับที่จอดซุ่มไว้ไม่คิดชีวิต ไม่คิดอ่วงหาอะไรอีเตอร์กับแลงที่ทิ้งไว้ที่รถปิกอัพนะ์ในสนนั่งตัวสานงานงกรออยู่ก่อนแล้วพอครูคำนวณกระสิบตีฉนันมาถึงในสนก็โลนลานสตาร์ทรถพุ่งออกจากดงละมาะไม้แล่นลิ้วไปยังบ้านของตัวทันทีในสนเล่าให้เพื่อนเกลอฟังว่าขณะที่เขากำลังเฝ้าต้นทางอยู่ได้ยินเสียงดังสวบสาบเหมือนกับคน ลุยพงหญ้าออกมาแล้วก็เห็นพระธุดงรูปร่างสูงใหญ่สูงเกือบเท่ายอดไม้เดินตรงเข้ามาเขาก็ออกวิ่งไม่คิดชีวิตวกอ้อมมายังรถวิ่งอัพพอดีกับครูคำนวณและสิบดีฉนัยวิ่งหน้าตาตื่นมาสมทบจึงได้ขับรถหนีย อ, อกมาพร้อมกันทั้งสามคนไม่สงสัยแม้แต่น้อยว่าพระธุดงที่เห็นจะต้องเป็นผู้ผีวิญญาณที่คอยเฝ้าบิทักษ์เจดีย์แห่งนี้อย่างแน่นอนและวิญญาณที่เห็นเนี่ไม่อนุ ญ, ญาตให้พวกเขาแตะต้องสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเจดีย์อย่างเด็ดขาด วันรุ่งขึ้นในสนครูคำนวนและสิบตีฉไหนก็พากันย้อนกลับไปที่เจดีร้างอีกครั้งโดยนำปูนซ้ายไปด้วยหลังจากจุดทูปเทียนขอขมาที่พวกเขาได้ล่วงเกินต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วก็จัดการซ่อมรอยโวให้ปิดสนิทดังเดิมจากนั้นก็ไม่ได้ย่างกลเข้าไปใกล้เจดีลึกลับโดดเดี่ยวแห่งนั้นอีกเลยซึ่งอีกหลายปีต่อมาเจดีร้างก็ได้พังทลายลงมากลายเป็นกองเศษอิฐ เศษหินจมดินท่ามกลางความรกชัดของพงไม้ใบหญ้าที่ขึ้นคลุมจนมิดชิดโดยไม่มีใครไปรื้อค้นหาพระเรื่องหรือว่าของมีค่าใดๆมาตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องที่ท่านพันเอกพิเศษเสนอจินตรัต ท่านเล่าให้ฟังสมัยเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านเล่าว่าที่ห้องแถวที่ท่านอยู่เนี่ยในกองพันธุ์สารวัตรทหารบกที่อยู่ติดถนนทางด้านรถเมล ส, สายสิบหกวิ่งผ่านนั้นใครๆก็เล่าขานไปเรื่อยๆลือกันว่าแถวนั้นน่ะผีดุเพราะว่ามีคนเห็นผีหัวขาดรูปร่างสูงใหญ่ไม่มีหัวแล้วเดินอยู่แถวนั้นนะบ่อยๆคุณพ่อท่านย้ายมาก็ได้อยู่ห้องที่สาม ก็เลยจัดการกั้นห้องให้เป็นสองชั้นแล้วก็จัดให้คุณสนเนี่ยอยู่ชั้นล่างคุณแม่สอนว่าเวลาจะหลับจะนอนในะให้สวดมนต์ไหว้พระทุกคืนแล้วแผ่เมตตาอุทิศถวายกุศลขออโหสิกรรมกับเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเราไม่รู้ว่าที่เรานอนเนี่ยไปทับใครหรือบ้างเราไม่มีเจตนานอนทับท่านนะถ้าหากว่าผมทาอะไรไม่ถูกไม่ควรก็ขอให้ท่านจงอโหสิกรรมแล้วก็ปกปากรักษาเราด้วย แม่วาอย่างนั้นท่านก็บอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าการขอหัวสิก ร, รมนี้เป็นยังไงท่านผู้นั้นมีรูปร่างหน้าตายังไงมีจริงหรือเปล่าก็ได้แต่ทำตามที่คุณแม่สอนทุกอย่างเพื่อความอยู่ดีมีสุขหลับสบายอยู่มาวันหนึ่งผมฝันว่ามีผู้ชายคนนึงรูปร่างสูงใหญ่ใหญ่โตมากความสูงประมาณสักร้อยแปดสิบเซนได้ ใส่เสื้อแขนสั้นตัดด้วยผ้าได้ดิบแล้วก็นุ่งกางเกงขาสั้นสีเขียวกีมาคล้ายๆผ้าพันแข้งสมัยก่อนของทหารเนี่ยถ้าเอาผ้านี้มาตัดเป็นกางเกงรู้สึกว่าจะถาวรดีผู้ชายคนนี้ตัดผมสั้นทรงลานบินคล้ายๆกับทรงพระเจ้าตากันแหละส่วนดวงตามีอำนาจมากแกจ้องมองผมขมแ็งเลยไม่พูดไม่จาผมก็วิ่งหนีผู้ชายคนนั้นเป็นการวันครั้งแรกที่เจอ มาขวัญครั้งที่สองขวัญว่าไปดูลิเกแล้วก็ไปเจอผู้ชายคนนี้อีกแล้วผมก็หนีสุดชีวิตแล้วก็โดดลงไปในน้ําน้ําก็ใสอีกต้องคลานขึ้นมาจากก้นคลองขึ้นมากราบเท้าผู้ชายคนนั้นแล้วก็บอกว่ากลัวท่านเล็กเกินนะครับแล้วก็สะดุ้งตื่นเสร็จแล้วผมก็เล่าให้คุณแม่ฟังว่าผมขวัญอย่างเนี้ยหลายครั้งแม่ก็บอกว่าลูกคิดมากไปถึงได้ขวัญอย่างนี้สงสัยว่าเด็กคนอื่นอดขนม ส่วนลูกคงจะอดข้าวหิวข้าวแล้ววันมากไปเพราะฝันครั้งที่สามก็ฝันว่าผู้ชายคนนั้นมาอีกแล้วถามผมว่าต้องการอะไรไหมผมก็หนีด้วยความตกใจจนตื่นมาฝันครั้งที่สี่ผู้ชายคนนั้นบอกว่ามีอะไรก็ให้บอกเขาผมฝันพบเขาบ่อยจนไม่เคยกลัวแล้วก็บอกเขาว่าโอ้ลูกอยากยนต์ลึกเกินอยากจะมีข้าวกินครบมือทั้งสามมือก็พอแล้วขนมไม่ต้องเอาก็ได้ แล้วก็ขอให้มีเสื้อผ้าใส่ดีๆหน่อยเพราะขณะนี้ผมนุ่งกางเกงตูดป่ารูปใบโพแล้วเสื้อก็ไม่มีใส่เข็มขัดไม่ต้องพูดถึงอ่ะต้องใช้เชือกกล้วยผูกแล้วเราก็ต้องทํางานกันอย่างเหงื่ อ, อไหลใครย้อยผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าถ้าอยากจะรวยก็ขุดลงไปที่หัวนอนนี่แหละขุดลงไปแล้วเธอก็จะพบสมบัติเองผมดีใจตื่นขึ้นมาผมก็รีบเปิดมุ้งไปบอกคุณแม่ว่าเรารวยแล้วคุณแม่เพราะว่าที่ผมนอนอยู่นี่มีสมบัติซ่อนอยู่ข้างล่าง คุณแม่บอกว่าคุณพ่อเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่นี่บ้านก็เพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่ๆปูนก็ใหม่แล้วอยู่ข้างใต้พื้นก็มีแต่ขี้กบเต็มไปหมดเลยถ้าขุดลงไปไม่มีสมบัติอะไรในพื้นปูนก็จะเสียหายคุณพ่ออาจจะมีความผิดฐานทำลายของหลวงต้องถูกไล่ไม่ให้อยู่ที่นี่อีกแล้วเราก็จะต้องลำบากเพราะเราไม่มีบ้านอื่นอยู่ขอให้ลูกคิดซะว่าที่นี่ไม่มีสมบัติหรอกขุดลงไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรไปหลับเถอะ ผมฟังอย่างนี้แล้วก็ได้แต่ฝังความรู้สึกนี้ไว้ก่็นึกในใจว่าต้องมีสมบัติจริงขอให้ท่านนั้นจงมาเข้าฝันอีกเสร็จแล้วผมก็ฝันต่อว่าท่านมาอีกแล้วก็บอกว่าอยากจะรวยให้ขุดลงไปตรงที่หัวนอนผมก็กราบท่านแทบเท้าเสร็จแล้วผมก็ขุดลงไปตรงหัวนอนผมมีน้ําไหลออกมาแล้วก็พบพวกถ้วยชามสังฆโลกมีสีสันสวยงามวิจิตรวิสดานมากถ้วยก็คล้ายๆถ้วยเขยา่าไฮโลอ่าที่เขาเล่นพนันกันน่ะ ด้วยน้ำชากระถางที่สมัยโบราณเขาใช้กันนะเยอะแยะเลยขุดลึกลงไปสักร้อยยี่สิบเซนก็พบหายกระเทียมโบราณสองใบาชายคนที่บอกให้ขุดสมบัติเขายืนอยู่ข้างบนก็บอกให้ผมเอาไหายขึ้นมาในหายนั้นมีเพชรนินจินดามากมายใช้ได้ตลอดชีวิตก็ไม่หมดผมก็ยกไหายขึ้นมาหายนั้นหนักมากพอดีปากหายเปิดออก เพชรแก้วแหวนเงินทองพวกหยกเขียวไหลออกมากองรอบตัวผมเต็มไปหมดเลยมากมายเหลือเกินเออทีนี้เราจะไม่อยากจนแล้วหันหน้าไปดูผู้ชายคนที่บอกให้เราขุดสมบัติอีกครั้งหนึ่งก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเข้าไปบอกคุณแม่อีกครั้งหนึ่งว่าผมได้ขุดสมบัติแล้วท่านใช้คําพูดเหมือนเดิมอ่าก็เลยไม่สามารถที่จะขุดได้ระยะเวลาก็ผ่านไปเป็นปี ผมก็ฝันว่าคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่มาเข้าฝันบอกให้ผมขุดสมบัติตลอดเวลาด้วยความลำบากยากเข็ญของชีวิตในยามนั้นผมเห็นว่าถ้าเขาเรียนโรงเรียนในร้อยกับเขาได้ก็จะได้กินฟรีเรียนฟรีไม่เป็นภาระแกะคุณแม่คุณพ่อต่อไปผมก็นำความคิดนี้ไปกราบเรียนคุณแม่เพื่อขอความเห็นคุณแม่ท่านก็เห็นด้วยแล้วก็ให้การสนับสนุนทั้งกายและใจว่าดีแล้วลูกเป็นความคิดอันประเสริฐ เมื่อจบแล้วจะได้เป็นหลักให้กับน้องๆที่ยังเล็กอยู่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็แก่มากแล้วท่านยังขอร้องไม่ให้ผมโม่แป้งนวดแป้งที่จะทําขนมไม่ให้ไปซื้อมาพรา้าวสรุปคือเมื่อกลับจากโรงเรียนตอนเย็นคุณแม่ก็จะให้พักผ่อนไม่ต้องทํางานบ้านเพื่อจะได้มีเวลาดูหนังสือผมก็มีความตั้งใจอย่างสูงสุดมุมาณนะสนใจในการเรียนขยันหมั่นดูหนังสือจนถึงสองทุ่มบ้างสามทุ่มบ้างทุกวันด้วยความขยันหมั่นเพีย ن ของผมอย่างสม่ําเสมอและด้วยการสนับสนุนที่ดีจากคุณพ่อคุณแม่และพี่น้องผมก็ประสบความสาเร็จผมสอบเข้าเป็นนักเรียนในร้อยรุ่นที่สิบแปดปีพศ2499สมปรารถนาแล้วก็เริ่มต้นเรียนที่โรงเรียนเตรียมในร้อยสองปีก็มีค่าใช้ใจ่ายตอนเป็นนักเรียนเตรียมในร้อยสองปีเท่านั้นเองหลังจากนั้นผมก็ศึกษาต่อที่โรงเรียนในร้อยจป ร, ริเรียนตามหลัก สูตรเวสปอยอยู่ห้าปีค่ากินอยู่ค่าตำราเขาก็ไม่คิดเงินค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดแม้กระทั่งเครื่องแต่งกายตั้งแต่ถุงเทา้ากางเกงตลอดขึ้นมาถึงหมวกเขาออกให้ทั้งหมดการศึกษาของผมช่วงนี้ก็เลยแบ่งเบาภาระทางบ้านไปได้มากผมสำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยเจะปรอยแล้วก็เริ่มเข้าประจำการเมื่อผมเป็นนายร้อยใหม่ๆไปประจำอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ได้เงินเดือนเดือ น, นละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท แต่แทนที่ผมจะเก็บไว้ใช้จ่ายส่วนตัวผมกลับส่งเงินเดือนทั้งหมดไปให้คุณแม่เป็นค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วก็จะได้ส่งให้น้องๆได้เรียนต่อด้วยสําหรับผมนั้นส่วนมากก็จะใช้เฉพาะเบี้ยเลี้ยงผมทำอย่างนี้อยู่หลายปีโดยระยะนั้นผมไม่มีโอกาสที่จะไปเที่ยวเตะหรือว่าออกสังคมเช่นนายทหารหนุ่มๆทั้งหลายเพราะผมไม่มีเงินถ้าจะออกสังคมก็ไปเฉพาะงานศพเท่านั้นเพื่อนๆก็หาว่าผมน่นเป็นคนเก็บตัวไม่ยอมไปไหนมาไหน ผมก็บอกว่าผมยากจนใครๆก็ไม่เชื่อเขาเหล่านั้นส่วนใหญ่คิดว่าผู้ที่จบจากโรงเรียนนร้อยนี่ต้องมีเงินทุกคนแต่ความจริงผมไม่มีเงินผมต้องหาเงินทำงานด้วยความสุจริตเงินทองได้มาจากเงินเดือนอย่างเดียวเวลากลับกรุงเทพก็มีเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่อมาคุณพ่อได้เสียชีวิตเมื่อปีพศออ2512ก็ขาดคนส่งเสียน้องๆให้ศึกษาต่อผมก็เลยจาเป็นต้องสมัครไปรบเวียดนามลาว เพราะผมต้องการเงินพิเศษก้อนนี้มาให้น้องๆผมเรียนหนังสือในระหว่างที่ผมเป็นนักเรียนในร้อยอยู่นั้นผมยังฝันถึงคนรูปร่างสูงใหญ่ที่มาชวนให้ไปขุดสมบัติตลอดเวลาเป็นความฝันในสิ่งแปลกๆหลายครั้งแล้วก็ฝันเรื่องเดียวกันซ้ําแล้วซ้าเล่าจนผมเอะใจว่าคงจะจริงอย่างที่ฝันแต่จนแล้วจนเล่าผมก็ไม่สามารถจะขุดได้บ้านช่องที่ผมเคยอยู่ก็เป็นที่อาศัยของพวกทหารอยู่จนกระทั่งวันหนึ่ง ผมก็ต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าท้องเพราะไส้ติ่งอักเสบผ่าเสร็จแล้วผมจะได้กลับบ้านวันนั้นเป็นวันที่หนึ่งมิถุนายนพศส5 1 9ตอนนั้นผมมียศเป็นพันตรีทำงานอยู่ที่สำนัก ง, งานประหลัดบัญชีกองทัพ บ, บกผมก็ให้ลูกน้องผมขับรถไปรับผมกลับมาบ้านที่พักที่สะพานสูงบางซื่อผมอยู่กับภรรยาที่นั่นเป็นบ้านพักขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกปรากฏว่ารถที่มารับแทนที่จะวิ่งไปตามถนนสายราชินี รถกลับมาทางทาเนียบแล้วรถก็วิ่งกลับผ่านมาทางแถวบ้านเก่าของผมคือทางสหทบ1ก็ปรากฏว่าห้องแถวที่ผมเคยอยู่นั้นถูกรื้อไปหมดแล้วเพราะว่าพันสหทบเขาย้ายไปอยู่อ่ทรงพยาไทยปัจจุบันใกล้กระโรงพยาบาลสงผมมีความรู้สึกดีใจมากว่าจะได้ขุดสมบัติเสีทีกับความฝันที่ค้างมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เพราะฉะนั้นระวันที่หนึ่งมิถุนายนปี25งิผมก็เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการขุดไปอย่างพร้อมมูลเลยแล้วผมก็คาดคเนดูฐานบ้านเดิมว่าด้านหัวที่ผมนอนในอยู่ตรงไหนคาดคเนว่าตรงนี้ใช่แล้วผมก็ทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วจุดทูบสามดอกพนมมืออธิษฐานบอกกล่าวว่าข้าพเจ้าพันตรีเสนกจินตรัดจะมาขุดสมบัติที่ท่านบอกให้ผมไว้การขุดครั้งนี้ขอให้ผมพบสมบัติของผม ผมก็ทำพิธีขุดโดยผมเอาพลัวขุดลักษณะขุดเบาๆหลอกๆเพราะว่าผมยังขุดไม่ได้ยังเจ็บแผลผ่าท้องไอตัดไส้ติง่งมาใหม่ๆจากนั้นก็จ้างเด็กอายุประมาณสิบสองปีด้วยค่าจ้างยี่สิบบาทเป็นลูกของนายสิบเขามาขุดให้เพราะว่าเด็กตัวโตแข็งแรงมากผมก็บอกให้เขาขุดเขาก็ขุดไปตามที่ผมฝันจนได้ครึ่งตัวก็มีน้าไหลพบถ้วยชามกระถางทูบเก่าๆแต่ปากแตก แล้วก็ของต่างๆเหล่านี้ผมก็นำไปเก็บรักษาไว้อยู่ที่ศาลกองบัญชาการทหารบกเมื่อขุดต่อไปเด็กก็บอกว่าไม่พบอะไรก็บอกให้เด็กขุดลึกลงไปอีกยี่สิบเซนน้ำก็ขึ้นมาถึงท่วมตัวเด็กบอกว่าได้พบสมบัติแล้วผมก็ดีใจว่าโอโห่กว่าจะพบสมบัติลึกและเกินจะต้องได้แก้แหวนเงินทองตามที่ผมขวัญแต่ที่จริงที่เด็กพบนั้นเป็นหัวกระโหลกคนครับใหญ่มาก ผมบอกว่านั่นแหะครับมันเป็นสมบัติของผมเอาขึ้นมาให้ได้ปรากฏว่าเมื่อเอากระโหลกนั่นขึ้นมาเป็นหัวกระโหลกคนที่ใหญ่กว่าหัวคนธรรมดาที่ผูกกร่อนมากแล้วเด็กก็บอกว่าไม่เจออะไรอีกแล้วตอนนั้นประมาณสักบ่ายสองโมงผมก็ยืนขึ้นเพื่อจะให้เงาทอดไปทางทิศตะวันออกเพราะว่าเวลาที่ผมฝันเห็นผู้ชายคนนี้ยืนแล้วเงาทอดไปผมก็ขุดตรงที่หัวพอดีก็เลยได้แนวใหม่ผมก็สั่งขุดตามเงา เด็กก็ขูดใหม่ก็ได้ส่วนต่างๆของคนนี้ทุกอย่างครบหมดมีทั้งกระดูก์หายปร า, รากระดูก์ซี่โครงแขนขาทั้งสองอย่างยาวมากสังเกตได้ว่าเป็นกระดูกที่ใหญ่โตตอนนั้นสมบัติของผมก็คือโครงกระดูกห่อใหญ่เบ้อเลยผมาเอากระดูกไปล้างน้ําประปลาให้สะอาดเสร็จแล้วก็ไปซื้อน้ําอบไทยที่นางเลิงแล้วก็ซื้อผักขาวแล้วก็ดอกมะลิมา จากนั้นผมก็อัญเชิญกระดูกมาเข้าหอ่อรวยด้วยดอกมะลิปราพรมด้วยน้ําอบไทยขณะนั้นคนก็มาดูกันมากมายหนังสือพิมพ์สยามรัฐหนังสือพิมพ์รายวันต่างๆมาสัมภาษณ์ผมหลายฉบับเป็นเวลาเกือบจะทุ่มนึงแล้วนักหนังสือพิมพ์หลายท่านก็บอกว่าควรจะจัดทําพิธีกระดูกนี้ให้ถูกต้องผมก็หิ้วกระดูกห่อนั้นมาที่วัดเบญจะเพื่อจะทําพิธีให้ถูกต้อง ได้ไปหาท่านเจ้าคุณท่านกรุณาแนะนำว่าวัดนี้ไม่ได้เผาศพทําพิธีด้านนี้ไม่ได้ให้ไปที่วัดใกล้ๆบ้านผมก็นึกถึงว่าบ้านผมอยู่ใกล้วัดสะพานสูงบางซื่อเพราะผมไปถึงวัดสะพานสู ง, สงนั้นก็ฟ้าก็มืดแล้วปกติผมไม่เคยเข้าไปในวัดแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าอาวาสท่านอยู่กุฏิไหนอาคารหลังไหนกันแน่แต่ว่าเชื่อไหมครับมีอะไรมาโดนใจก็ไม่ทราบผมเดินไปที่กุฏิเจ้าอาวาส แล้วหันมาถามเด็กว่าจเจ้าว่าท่านอยู่ที่ไหนมีเรื่องเดือดร้อนที่จะมาขอความช่วยเหลือเด็กก็บอกว่าตึกนี้ครับหันหลังแล้วขึ้นบันไดไปสามชั้นผมขึ้นไปก็พอดีแขกของท่านหกคนเดินลงมาผมก็หันไปหันมาได้พบกับเจ้าวาดวัดสะพานสูงพอดีผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าวิญญาณเจ้าของกระดูกคงจะมาโดนบันดาลให้ผมทําได้อย่างนี้ผมว่ากราบนมัสการท่านแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆให้ท่านฟัง ว่าผมต้องการทำอย่างไรก็ได้ให้ถูกาศาสนาพิธีทางสงฆ์เพราะผมกลัวเหลือเกินและบุคคลที่มาเข้าฝันที่ให้ไปขุดกระดูกเขานั้นก็คงอยากจะไปเกิดนะครับถ้าต้องเผาผมก็พอจะมีเงินประมาณหกร้อยบาทแล้วก็นิมนต์พระมาสวดหน้าศพใช้เงินไม่ถึงพันผมทำได้ท่านก็บอกว่าไม่ต้องเผาพรุ่งนี้เช้าโยมทำบุญใส่บาทพระหนึ่งองค์ตอนสายหน่อยก็นาดอกไม้ทูบเทียนและปั จ, จยัยแล้วแต่ศรัทธาจานวนหนึ่งมาถวาย แล้วอัตา ม, มาจะทําพิธีบังสุกุลให้ก็เป็นอันเสร็จพิธีเมื่อผมได้รับคําแนะนําอย่างนี้จากเจ้าวาดก็พนมมือกล่าวขอบพระคุณท่านแล้วก็กราบลาลงมาพอกลับบ้านแล้วตอนเช้าผมก็ทําตามที่ท่านสั่งทุกอย่างทําบุญใส่บาตรแล้วก็ซื้อดอกไม้ทูบเทียนไปถวายท่านก็บังสุกุลให้กระดูกนี้เป็นภาษาบาลีนะเสร็จแล้วท่านเจ้าวาดก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วส่วนกระดูกนั้นจะเก็บไว้เอง เรื่องขุดกระดูกนี้ผมได้นําไปกราบเรียนท่านจเจ้าวาดวัดเบญจฯท่านกรุณาแนะนําว่าวิญญาณนะเขาอยากจะไปเกิดแต่ว่าเขาไปเกิดไม่ได้เพราะไม่มีใครช่วยขุดกระดูกเขาขึ้นมาพราะเขาเห็นว่าเราน่ยมีกรรมพัวพันกับเขาพอที่จะช่วยเขาได้ก็เลยมาแสดงอภินิหารให้เรารู้ซึ่งโยมทําแล้วรู้สึกสบายใจไหมละ่ะอ่าผมก็กราบเรียนท่านว่า ด, ดีใจครับที่ได้สร้างกุศลช่วยเหลือเจ้าของกระดูกครั้งนี้ท่านก็แนะนําต่อบอกว่าถ้าอย่างนั้นโยมก็ไม่ต้องห่วงอะไรอีก บัดนี้เขาคงไปเกิดแล้วล่ะผมก็พยายามจุดธูปเทียนบอกวิญญาณเจ้าของหอกกระดูกนั้นว่าท่านผู้มีพระคุณที่มาเข้าฝันผมโดยตลอดได้ไปผุดไปเกิดแล้วหรือยังถ้าหากยังไม่ได้ไปเกิดเจ้กรุณามาเข้าฝันผมด้วยเพื่อว่าผมจะได้ทําในสิ่งที่มันถูกที่ควรต่อไปแต่จนแล้วจนรอดหลังจากนั้นมาผมก็ไม่ฝันถึงผีหัวขาดพู้นี้อีกเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดว่าวิญ ญ, ญาณนั้นมีจริง แล้วสามารถที่จะติดต่อกับเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ได้พวกเราที่จะรับการติดต่อจากวิญญาณ น, นั้นต้องเป็นผู้ที่มีบุญกุศลบ้างพอสมควรหรือไม่ก็เป็นผู้ฝึกการเจริญสมาธิมามากพอสมควรอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมีกรรมผัวพันกันมาก่อนอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนผูงที่มีการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดร่วมกันมาแต่ชาติไหนก็ได้ก็จะเป็นกระแสอํานาจอย่างหนึ่งที่ดึงดูดให้เข้ามาเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง วิญญาณเขาเห็นว่าเราเนี่ยสามารถจะช่วยเขาได้เหมือนอย่างตัวอย่างเช่นเขาจะมายืมเงินเราเขาก็ต้องพิจารณารู้ว่าถ้าเราไม่มีเงินเขาก็จะไม่มายืมแน่นอนพอยืมก็ไม่มีให้เขาจะยืมก็ต้องยืมกับคนที่มีเงินถึงจะได้เงินเจ้าของหอกกระดูกนั้นเราไม่ทราบว่าเขาตายมาแล้วกี่ปีแต่เรา ร, รู้อยู่อย่างหนึ่งว่าสถานที่ที่ผมขุดกระดูกนั้นกองบัญชาการกองทัพภาคที่หนึ่งเขาจะวางศาิลาฤกษ์ ในการที่จะทำอะกองมรจชาการกองทัพในที่แห่งนี้ถ้าหากว่าเขาไม่มาเข้าขวันผมให้ไปขุดกระดูกเขาขึ้นมาทําพิธีเสียก่อนเขาก็ไม่สามารถที่จะไปเกิดได้เพราะว่าเวลาเขาวางศิาลาฤกษ์นั้นจะทําพิธีทางศาสนาถ้าจะมีการก่อสร้างทัพถมกระดูกนั้นวิญญาณที่ยึดติดอยู่กับกระดูกก็จะไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้เลยครับนี่เป็นเรื่องจริงซึ่งมีทั้ง ผู้รู้และพระยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงครับเกิดขึ้นกับพันเอกเสนจินดรัตครับเรื่องของผีไตหงเจ้าพ่อดำเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2495พลตํารมตรีธํรรงหูตากรมนรับราชการตำรวจมียศร้อยตำรวจเอกเวลานั้น ได้รับคำสั่งให้ย้ายจากตำแหน่งผู้บังคับหมวดสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครไปรับหน้าที่ใหม่เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมการเดินทางไปรับตำแหน่งหน้าที่ใหม่พลตำรวจตรีธรรรงโยกย้ายไปเพียงคนเดียวเนื่องจากครอบครัวของท่านพักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพการเดินทางจากจังหวัดสมุทรสาครไปยังอำเภอสามพรานก็ใช้เรือเป็นพาหนะล่องเรือจากจังหวัดสมุทรสาคร มาขึ้นที่หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเลยการใช้เรือเดินทางสะดวกสบายกว่าเดินทางทางบกมากเมื่อเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางเป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นตอนนั้นพลตรีธรรมรงก็ได้นําสิ่งของที่ติดตัวมาฝากไว้กับหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอสามพรานคนเก่าที่บ้านพักของหัวหน้าสถานีตำรวจซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้ย้ายออกไปด้วยมีกําหนดจะเดินทางไปรับตําแหน่ง หน้าที่ที่สถานีตำรวจภูทร อ, อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครในวันรุ่งขึ้นหลังจากสนทนาวิาสาสะกับหัวหน้าสถานีตำรวจคนเก่าอยู่ครู่หนึ่งก็ขอตัวไปรับประทานอาหารในตลาดกับพักพวกที่เดินทางมาส่งถึงสามธานปีพศออนั้นที่อำเภอสามทานไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ถึงเวลากลางคืนต้องอาศัยแสงสว่างจากตะเกียง ระหว่างที่กินอาหารมีตำรวจสองคนทำหน้าที่เป็นสายตรวจเข้ามารายงานตัวแล้วก็บอกว่าที่วัดบางช้างเหนือมีงานและก็มีมหรหรสพกับรำวงด้วยท่านทรรรงก็สั่งให้ตำรวจสองนายนั้นรอสักครู่จะได้ไปวัดบางช้างเหนือด้วยกันเพื่อไปดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงานเมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยพักพวกที่มาส่งก็ลากลับจังหวัดสมุทรสาครท่านทรรรงก็เดินทางไปวัดบางช้างเหนือพร้อมกับตำรวจสองนาย เหตุการณ์ที่งานวัดเกิสงบเรียบร้อยดีกระทั่งงานเลิกจึงได้เดินทางกลับมาถึงสถานีตำรวจเป็นเวลาตีหนึ่งก็ไปที่บ้านพักหัวหน้าสถานีตำรวจหัวหน้าสถานีได้จุดตะเกียงวางไว้ให้มองเห็นทางแล้วก็จัดห้องหนึงในบ้านพักให้เป็นที่พักพอนหลับนอนท่านธรรรงก็เข้าไปนอนที่ห้องนั้นก่อนนอนก็สวดมนต์ตามปกติแล้วก็หลับไป นอนหลับไปประมาณหนึ่งชั่วโมงก็รู้สึกตัวตื่นได้ยืนเสียงเหมือนกับมีใครเดินเข้ามาทางปลายเท้าก็มองไปทางภาพนั้นภาพที่เห็นทําให้ท่านตะลึงไปชั่ววูบเพราะว่าที่ยืนอยู่ตรงปลายเท้าเป็นร่างธรรมืนของชายคนหนึ่งยืนจังก้าอยู่ตรงปลายเท้าหันหน้ามาประจันกับท่านแค่เห็นการมาปรากฏกายของชายลึกลับผู้นี้ก็รู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเพราะร่างซึ่งปรงหานอยู่นั้นสูงใหญ่ผิดมนุษย์ สีสัสูงติดคือบ้านพักเปลือยกายท่อนบนท่อนล่างนุ่งเงงเกงขาสั้นสีดำเพียงตัวเดียวท่านทารงใจตกไปวูบเดียวก็สามารถคุมสติได้มั่นคงด้วยจิตยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัยแน่แน่และท่านเคยพบเห็นสัมผัส พ, พูดผีวิญญาณมาหลายครั้งบางครั้งอมนุษย์เหล่านั้นก็มาปรากฏในรูปในลักษณะที่ไม่เจริญตาก็มีร่างร้ายนะั้นโยกมือขวาชี้หน้าท่านทำรงแล้วก็กล่าวด้วยเสียงห้าวน่ากลัวว่า อยู่ที่นี่ไม่ได้พรุ่งนี้ต้องออกไปจากบ้านหลังนี้ท่านธํารงก็ตอบไปว่าไม่ให้อยู่ได้ยังไงทางราชการก็ส่งให้มาดูแลความสงบของชาวบ้านไม่ต้องพูดมากอยู่ไม่ได้ถ้าขืนอยู่ไม่เกินเจ็ดวันจะต้องเห็นดีกันนะอามนุษย์คนนั้นกล่าวทำทำนองข่มขู่พูดให้รับรู้เดร่างสูงใหญ่ก็ค่อยๆจางหา ย, ายหไปการได้เห็นผู้ลึกลับในยามวิการเช่นนี้ไม่ใช่เกิดจากตาฝาดหรือว่าเคลิ้มหลับ ครึ่งตื่นแน่นอนเพราะว่าเห็นเป็นเวลานานพอสมควรแล้วก็เห็นอย่างชัดเจนเนื่องจากขณะพูดเจรจากันนั้นมีตะเกียงซึ่งจุดไว้แสงตะเกียงสองสว่างหน้าตามีลักษณะอย่างไรนี่จําได้ถนัดคณีอายุประมาณสักสามสิบเจ็ดสาสิบแปดเห็นจะได้การมาปรากฏรูปกายให้เห็นอย่างนี้แสดงว่าต้องเป็นบิญยาณซึ่งวนเวียนอยู่ในสถานที่นี้อย่างแน่นอนท่านทํารองก็คิด ทบทวนถึงลักษณะของวิญญาณที่มาปรากฏให้เห็นท้ท่านเคยเล่าเรียนจากพระอาจารย์หลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังอเมอปากเกร็ด จ, จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านอื่นเคยสอนไว้ว่าพูดผีที่มาให้เห็นตัวท่านนุ่งผ้าไม่ว่าจะเป็นกางเกงผ้าถุงหรือว่าเครื่องแต่งตัวอื่นๆเป็นสีดําพูดผีวิญ ญ, ญาณ น, นั้นจะเป็นพวกที่ตายไม่ปกติคือตายก่อนอายุไขเช่นฆ่าตัวตายถูกผู้อื่นฆ่าตายหรือตายด้วยอุบัติเหตุ เรียกรวมๆว่าผีตายโหงวิญญาณพวกนี้จะดุร้ายไม่ช่วยเหลือมนุษย์และอาจจะประทุสร้ายเอาด้วยชอบกินแต่ของแก้บนแกล้งมนุษย์ให้เกิดความทุกข์ต่างๆนาน า, นาเพื่อให้แก้บนตัวเองจะได้มากินการปราบผีประเภทตายโหงนี่ปราบยากมากต้องใช้คาถาอาคมชั้นสูงกำรบับถ้าเป็นคาถาพื้นๆและผู้ไร้คาถามีวิชาหรือ ว, ว่าพลังจิตไม่กล้าแข็งนี่ปราบไม่ได้จะกลับทาให้พวกผีพวกนี้กาเริบยิ่งขึ้นกว่าเดิม ส่วนผีที่นุ่งห่มเสื้อผ้าสีขาวแสดงว่าเป็นผีบ้านผีเรือนผีพวกนี้ส่วนมากจะเป็นวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปนานแล้วการมาปรากฏตัวไม่ได้มีเจตนามาหลอกหลอนให้เกรงกลัวหากต้องการมาเตือนให้ทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บ้างผีประเภทนี้ไม่ดูร้ายแล้วก็อาจจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้อยู่เป็นปกติสุขได้ส่วนผีที่นุ่งห่มเสื้อผ้าสีแดงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย จะเป็นผีที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเช่นพระภูมิเจ้าที่หากไม่ไปล่วงละเมิดหรือว่าแสดงกิริยาลบดูร่วงเกินก็จะไม่มาวุ่นวายด้วยแต่ถ้าไปล่วงเกินเข้าวจึงจะมาปรากฏร่างให้เห็นท่านก็นอนคิดถึงลักษณะของชายลึกลับหรือว่าวิญ ญ, ญาณที่มาปรากฏได้เห็นเมื่อครู่ท่านทำโรงก็แน่ใจว่าจะต้องเป็นประเภทผีไตห่วงอย่างไม่ต้องสงสัยเหตุ น, นี้ถึงได้ดุนักแล้วก็ออกจะห้าวหาญเอาการอยู่เพราะถึงกระกล้าขับไล่ตำรวจไม่ให้พักอาศัยอยู่ที่นี่ เวลานั้นดึกมากแล้วท่านก็เลยนอนหลับพักผ่อนต่อไปจนกระทั่งถึงตอนเช้าเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากท่านไปส่งหัวหน้าสถานีตำรวจคนเก่าขนของลงเรือเดินทางไปรับตาแหน่งที่สถานีตำรวจแห่งใหม่แล้วท่านก็กลับมาสํารวจบ้านพักซึ่งอาศัยนอนมาแล้วคืนหนึง่งบ้านพักหลังนี้สร้างไว้ใหญ่โตมากพื้นที่ภายในบ้านสามารถให้คนเข้ามาพักได้ถึงสิบสองถึงสิบห้าคนอย่างสบายๆหลังคามุงด้วยแฝก พื้นเป็นไม้เนื้อแข็งแผ่นใหญ่แล้วก็หนาฝาบ้านใช้ไม้พื้นมาตีเป็นข้างฝาป้องกันไม่ให้ลูกปืนทะลุทะลวงเข้ามาได้ส่วนหน้าต่างก็เล็กผิดปกติความสูงความกว้างแค่คนลอดศรีรษะเข้ามาได้คื อ, ค, อคือเท่านั้นเองการปลูกสร้างบ้านเพื่อให้เป็นที่พักของข้าราชการตำรวจในลักษณะนี้เป็นการมุ่งประโยชน์ด้านความปลอดภัยของผู้พักอาศัยเป็นสําคัญดังนั้นก็พอประเมินได้ว่าท้องที่นี้เห็นทีจะมีคนร้ายมากแล้วก็เป็นคนดุเอาเรื่อง ขณะที่พักของตำรวจยังต้องสร้างอย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นที่กำบังอย่างดีเวลายิงต่อสู้กันหรือว่าไม่ให้รอบยิงได้โดยสะดวกจากทางหน้าต่างเมื่อเดินอ้อมไปข้างหลังบ้านห่างออกไปประมาณสักสิบเมตรก็เห็นมีสารเจ้าปลูกสร้างเอาไว้อย่างดีบริเวณด้านหน้าสารมีชาวบ้านสิบปะคนกาลังกราบว่าอยู่จุดเทียนจุดธูปขวัคลุ้งตลบทีเดียว ที่หน้าศาลมีโต๊ะตั้งอยู่บนโต๊ะวางข้าวปลาอาหารขาวและผลไม้เป็นเครื่องสักการะแสดงว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่เคารพศรัทธาของคนจํานวนหนึ่งท่านทํารงอยากจะทราบความเป็นมาของศาลเจ้าดังกล่าวก็เลยเรียกตํารวจประจําสถานีมาสอบถามตํารวจนายนี้อายุมากแล้วแล้วก็เป็นคนพื้นที่ดั้งเดิมตํารวจก็เล่าให้ฟังว่าตรงบริเวณที่ตั้งศาลเจ้า น, านานมาแล้วมีผู้ชายชาวสามพรานอายุสิบ ปาสามสิบปดปีถูกฆ่าตายตรงนั้นแล้วก็เป็นผีหลอกหลอนที่น่ากลัวมากคนที่เคยถูกผีไต่หงหลอกเล่าว่าเห็นเป็นคนไม่ใส่เสื้อนุ่งกางเกงสีดำมาหลอกชาวบ้านก็เลยร่วมมันสร้างศาลให้อยู่อาศัยนับแต่นั้นผีก็หยุดอาลาวาดชาวบ้านให้ความนับถือมากเนื่องจากมาบนขออะไรก็มักจะได้ดังประสงค์แล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าเจ้าพ่อดาเมื่อทราบเรื่องจากตารวจคนนี้แล้ว ท่านธรรรงก็เชื่อว่าวิญญาณลึกลับที่มาปรากฏกายขับไล่คงจะเป็นเจ้าพ่อดำรายนี้แนะ่จึงได้จัดดอกไม้ทูบเทียนไปบอกกล่าวที่ศาลว่าไม่รู้ว่ามีสารเจ้าพ่อดำอยู่หลังบ้านเนื่องจากเพิ่งมาถึงพร้อมกันนั้นก็ขอขอมาด้วยคืนนั้นขณะที่ท่านธรรงนอนหลับได้ฝันเห็นเจ้าพ่อดำหรือว่าชายร่างสูงใหญ่ไม่ใส่เสือ้อนุ่งกางเกงดำเดินไปรอบรอบบ้านคล้ายกับตรวจตราดูแลรักษาบ้านนี้ ไม่เพียงแต่มีเจ้าพ่อดำเท่านั้นยังมีหญิงชราใส่เสื้อขาวผ้าถุงขาวทั้งชุดมีเส้นผมขาวมากนั่งพุบหน้าร้องไห้อยู่ข้างประตูบ้านความผันก็จบลงแค่นั้นเช้าวันรุ่งขึ้นนายตำรวจหนุ่มขณะนั้นพอคาดเดาได้ว่าการขอขมาและแสดงความนอบน้อมตามสมควรต่อเจ้าพ่อดำทำให้เกิดความเป็นมิตรต่อกันแล้วแต่ยังมีวิญญาณอีกดวงหนึ่งที่วนเวียนอยู่บริเวณบ้านพักแห่งนี้ไม่พอใจ ไม่รู้ว่าวิญญาณของหญิงชรานี i เกี่ยวพันอย่างไรกับบ้านหลังนี้ดังนั้นท่านทํารงก็จัดเครื่องสองเวยมีอาหารขาวหวานและผลไม้ไปกราบไหว้บอกกล่าวที่ประตูหน้าบ้านตามความฝันแสดงความเคารพต่อเจ้าของสถานที่พร้อมกับขอให้ปกป้องคุ้มครองให้ด้วยในคืนนั้นเวลาดึกสงัดท่านทํารงก็ฝันอีกในความฝันเห็นเจ้าพ่อดาเดินตรวจไปรอบๆ บ, บริเวณบ้านลักษณะเดิม แล้วก็มีหญิงชร า, าใส่ชุดขาวมีผมยาวลากดินเดินสวนกับเจ้าพ่อดำตรวจไปรอบๆ บ, บ้านเช่นเดียวกันเวลาที่เดินสวนกันต่างฝ่ายต่างไม่พูดจาอะไรเลยคล้ายกับต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนและนับแต่บัดนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์แปลกๆอะไรเกิดขึ้นอีกท่านทํารงพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นด้วยความสงบสุขเป็นปกติตราบจนกระทั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่อื่น จากประสบการณ์ที่ท่านตำรงหูตากระมลเผชิญกับการปรากฏของวิญญาณที่บ้านพรัคราชการตํารวจรอําเภอสํำพานย่อมแสดงให้เห็นว่าในบางแห่งบางสถานที่มีพูดผีวิญญาณสิงสู่อยู่จริงเหตุนี้เมื่อท่านทั้งหลายไปอยู่อาศัยในสถานที่ใหม่แห่งใหม่แปลกจากที่ที่เคยอยู่ควรจะแสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อเจ้าของสถานที่นั้นๆตามสมควรอย่าลบลู่ดูหมิ่นดูแคลนด้วยกิริยาหยาบคายเป็นอันขาด เพราะวิญญาณบางดวงอาจจะมีความดุร้ายและมีอำนาจทำให้ท่านเดือดร้อนได้อย่างคาดไม่ถึงทีเดียวล่ละครับถ้าจะเอ่ยถึงวัดบางนาในาเนี่ยหลายคนคงจะคิดว่าอยู่แถวบางนาสมุทรปราการแต่เปล่าหรอกครับวัดนี้อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี อยู่ลึกเข้าไปในสวนซึ่งหากไม่ใช่คนพื้นที่ก็มักจะเข้าไปไม่ถูกอะ่ะเมื่อก่อนนั้นว่ากันว่าวัดนี้เป็นวัดที่มีผีดุมากวัดหนึ่งเนื่องจากอยู่ห่างจากหมู่บ้านหรือว่าเขตชุมชนเรื่องนี้คุณทองอินเป็นผู้เล่าให้ฟังครับตอนนั้นอยู่ในช่วงประมาณปีพศ2523ขณะนั้นวัดยังไม่เจริญเท่าที่ควร หน้าวัดยังเป็นที่รกเต็มไปด้วยหญ้าแล้วก็สิ่งปรักหกักพังส่วนหลังวัดนั้นไม่ต้องพูดถึงโดยเฉพาะห่วงซุยที่เก็บศพนั้นวางระเกะระกะกันเต็มไปหมดบางศพก็มีญาติบางศพญาติก็ล้มหายตายจากตามกันไปด้วยก็เลยไม่มีใครคอยดูแลในช่วงระหว่างนั้นเองคุณทองอินไปเป็นเด็กอเด็กวัดรับใช้พระเนนอยู่ภายในวัดแห่งนี้กุฏิที่แกอาศัยอยู่ครับ อาจารย์น้องแกก็อยู่ใกล้ๆ ก, กับที่เก็บศพซะด้วยไอ้เรื่องกลัวผีนะ่ะแกเองไม่ไ ม, ไ ม, ไม่น้อยหน้าใครหรอกแต่ที่ต้องทนอยู่ก็เพราะความจําเป็นก็เลยต้องทนแล้วก็แกก็ได้อยู่ที่วัดนี้จนกระทั่งเกิดเรื่องเนี้ยจากนั้นมาถึงได้เปิดแนบไม่ยอมกลับไปอาศัยวัดนี้อยู่อีกเลยเพราะว่าเหตุการณ์คราวนั้นมันทําให้วังใจจําจริงๆตอนนั้นอาจารย์ที่แกไปเป็นลูกศิษย์ท่านอยู่เนี่ยอายุยังไม่ถึงสามสิบเลย แล้วท่านก็ชอบเล่นในสิ่งพิลึกพิลึ ก, ลกอ่าปัจจุบันนี้ท่านลาศิกขาไปแล้วว่าไปอยู่ไหนก็ไม่รู้คือวันดีคืนดีอาจารย์ท่านเนี่ยมักจะไปหยิบเอาหัวกะโหลกผีในป่าช้าหลังวัดมาเล่นบางทีก็เอามาวางไว้หน้ากุฏิหนักไปัว่านั่นเผลอๆเอามาวางไว้ในห้องของคุณทองอินเลยก็มีมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเอาหัวกะโหลกผีที่ว่าไปวางไว้ในห้องของพระใหม่รูปนึง พูดถึงพระใหม่รูปนี้เราต้องบอกว่าท่านเป็นคนกลัวผีชะมัดยาติเลยห้องที่ท่านอยู่น่ะเป็นตึกสามชั้นท่านอยู่ชั้นสามส่วนอาจารย์องค์ที่ว่ากับคุณทองอินน่ะนอนอยู่ชั้นที่สองคืนนั้นประมาณตีหนึ่งเห็นจะได้ขณะที่คุณทองอินกำลังนั่งคุยกับอาจารย์อยู่ในห้องก็เห็นพระใหม่องค์ที่ว่านี้กำลังเดินลงมาจากห้องนอนของท่านบนชั้นสามพอมาถึงหน้าห้องอาจารย์เนี่ยท่านก็หยุดยืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้พูดอะไร ยิ้มก็ไม่ยิ้มทักก็ไม่ทักคุณทองอินก็รู้สึกว่าดูแปลกๆเพราะว่าดูท่านตาแขวางๆชอบโงนหลังจากยืนอยู่ชั่วครู่ท่านก็เดินผ่านห้องอาจารย์ไปอาจารย์กับคุณทองอินก็เดินตามไปก็เห็นท่านมุ่งหน้าไปทางที่เก็บศพซึ่งห่างจากกุฏิไปประมาณสักสามสิบเมตรท่ามกลางความมืดแล้วก็ความเงียบกลางดึกสงัดนะคุณทองอินถึงกับตะลึงเพราะว่าในวัดนี้ใครๆก็รู้ว่าพระใหม่รูปเนี้ย เป็นคนขี้กลัวผีขนาดไหนแต่ทำไมคืนนี้ถึงได้กล้าเดินไปโกดังเก็บศพคุณทองอินกับอาจารย์ก็ร้องตะโกนถามไปว่าจะไปไหนอะ่ะแต่ก็ไม่มีคำตอบอะไรออกมาจากปากของท่านหลังจากหายไปสักครู่ใหญ่ก็เห็นพระใหม่รูปนี้เดินออกมาจากหวงสวิเดินในลักษณะตัวแข็งทื่อตาขวาง อาจารย์ก็รู้ทันทีว่าพระใหม่องค์นี้ต้องถูกผีสิงแน่ๆแล้วก็เดินตรงดิ่งมาที่อาจารย์กับคุณทองอินด้วยลักษณะท่าทางประสงค์รายทั้งคุณทองอินแล้วก็อาจารย์ต่างตกใจกลัวมากเพราะว่าสายตาของพระใหม่ที่ท่านมองจ้องมานั้นเต็มไปด้วยความเครียดแค้นชิงชังอาจารย์ก็บอกให้คุณทองอินไปปลุกหลวงพ่อจเจ้าวาดให้มาช่วยดูเพื่อหาทางแก้ไข หลวงพ่อมาท่านก็เอาน้ำมนต์ศาสตร์ก็ใส่ร่างของพระใหม่รูปนั้นเพื่อขับไล่ผีออกจากร่างพระใหม่รูปนั้นถึงกระสุดลมทั้งยืนพร้อมกระส่งเสียงร้องหวยหวยหน้าขนลุกขนพองสักรูปหนึ่งท่านได้สติหลวงพ่อท่านก็ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระใหม่รูปนั้นก็บอกว่ามีผู้หญิงแก่ๆในพาเดินไปที่ป่าช้านั่นแล้วก็บอกให้เข้าไปทำร้ายอาจารย์เพราะว่าโกรธแค้นที่อาจารย์ชอบเล่นผีลึกผีลึก ด้วยการเอากะโหลกจากห่วงซุยมาล้อเล่นก็เลยต้องการแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่อาจารย์ชอบล้อเล่นนะ่ะไม่ใช่สิ่งที่ควรจะกระทำเล่นเลยคืนนั้นทั้งคืนทั้งคุณทอ ง, งอินและอาจารย์แทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยเพราะขณะที่กําลังจะเคลิมเคลิ้มเครึ่องหลับเครื่องตื่นก็มักจะเห็นหญิงแก่คนหนึ่งในชุดสีขาวหมดหมนหน้าตาน่ากลัวมากมาปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลา จนต้องลุกขึ้นกรวดน้ำแล้วก็สวดมนต์แผ่มเมตตากันจนไม่เป็นอันหลับอันนอนหลังจากนั้นมาอาจารย์ก็ไม่กล้าเอากะโลกผีมาเล่นอีกเลยคุณทองอินก็แกล้งลองถามท่านว่าไม่เอาอีกเหรอท่านก็บอกไม่เอาแล้วเชื่อแล้วเค็ดจริงๆนะให้เลีนตายเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับคุณทองอินบอกว่าไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวละ เรื่องแปลกๆที่เกิดในวัดเนี่ยนะครับมีเรื่องหนึ่งคุณประชุมเล่าให้ฟังคุณประชุมบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยผมไม่เคยเชื่อเรื่องโลกหลังความตายหรอกตายแล้วจะไปไหนก็ไม่รู้อันนไ ม, ไม่ไม่สนหรอกแต่เมื่อตัวเองได้ประสบกับเหตุการณ์อย่างหนึง่งเข้าด้วยตัวเองก็เลยทําให้เปลี่ยนความคิดทั้งหมดโดยสิ้นเชิงทําให้เชื่อว่าโลกหลังความตายนั้นมีจริงซึ่งเราจะต้องได้พบกันทุกคนหลังจากดวงวิญญาณหลุดลอยจากร่างเมื่อตายไปแล้ว คือเมื่อห้าปีก่อนเนี่ยคุณยายของคุณประชุมเนี่ยเสียชีวิตลงด้วยโรคชราตอนนั้นคุณประชุมไม่เคยเชื่อเรื่องผีหรือว่าวิญญาณจนแต่ทั้งในคืนที่สามของงานศพแกก็ได้พบกับวิญญาณของคุณยายด้วยตัวเองโดยในคืนนั้นขณะที่กําลังนอนหลับอยู่ภายในมุง้งแกก็เกิดมีความรู้สึกเหมือนกับมีใครกําลังจ้องมองอยู่เป็นความรู้สึกซึ่งอธิบายได้ยากมากแต่รู้สึกเหมือนกําลังถูกมองโดยสัญชาตญาณ พอลืมตาตื่นขึ้นมามองก็แทบจะสิ้นสติเมื่อเห็นร่างคุณยายกําลังนั่งอยู่ข้างๆงมงุ้งแล้วก็ชะโงกหน้าเข้ามาห า, าผ่านผนังมุ้งเข้ามาโดยไม่ได้ตลบมุ้งขึ้นคุณประชุมกลัวจนแทบจะสิ้นสติแต่ไม่รู้จะทํายังไงได้แต่หลับตาปีแล้วก็นึกในใจว่าคุณยายอย่ามาหยอกล้อเล่นอย่างนี้นะเพราะกลัวจนหัวใจจะหยุดเต้นอยู่แล้ว คุณประชุมตกอยู่ในสภาพนั้นเกือบห้านาทีก็ค่อยๆรวบรวมความกล้าพเพือเปลือกตาขึ้นมองทั้งๆ ท, ที่ยังอยู่ในอาการหวาดหวั่นอยู่มากแต่ก็โชคดีเหลือเกินที่ไม่ได้พบกับใบหน้าคุณยายอีกคงจะเป็นเพราะท่านรับรู้ถึงคำอธิษฐานในใจของหลานแล้วพอตกเช้าก็เล่าเรื่องที่คุณยายมาหาให้แม่ฟังแม่บอกว่าคงจะเป็นเพราะคุณยายอยากจะให้บวชหน้าไฟให้อมังถึงได้มาปรากฏ ร, ร่างให้เห็น คุณประชุมก็ได้แต่ตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวกับท่านว่าตอนนั้นน่ะกาลังอยู่ใกล้ช่วงจะใกล้สอบแล้วไม่ไม่สามารถจะบวชให้ท่านได้เมื่อวันหนึ่งถ้าหากพร้อมกว่านี้นี่จะบวชให้แน่นอนว่าอย่างนั้นนี่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่ทำให้แกเชื่อแล้วว่าวิญญาณามีหลังจากนั้นประมาณสองปีตอนนั้นคุณประชุมยังเรียนอยู่ชั้นม .6 การเรียนก็ตกต่ำมาก ทำไม่คิดว่าตัวเองคงยังไม่สามารถสอบผ่านได้แกไม่รู้จะพึ่งอะไรก็เลยจุดทู่ บ, บอกกล่าวยายขอให้ท่านช่วยให้สอบผ่านปรากฏว่าสอบผ่านพ้นไปได้จริงๆแกก็เลยตัดสินใจบวชให้คุณยายตามที่เคยรับปากไว้ตอนที่ท่านเสียชีวิตใหม่ๆในระหว่างที่บวชได้ประมาณสิบวันคุณประชุมก็ฉันอาหารเป็นพิษเข้าไปทําให้เกิดอาการท้องเสียขึ้นมาอย่างหนัก จนแทบจะหมดสิ้นเรี่ยวแรงเพราะว่าถ่ายติดต่อกันเป็นสิบๆครั้งสภาพร่างกายอ่อนเพลียอย่างหนักถึงขั้นคิดว่าตัวเองคงจะไม่รอดแน่เพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยรู้สึกแย่เท่าครั้งนั้นเลยเมื่ออาการย่ำแย่ถึงที่สุดแกก็รู้สึกคล้ายๆร่างกายตัวเองเบามากมันเบาหวิวอย่างบอกไม่ถูกแกก็สลัดสบัดร่างไปมาจนกระทั่งรู้สึกเหมือนว่าตัวเอง กำลังหลุดลอยออกมาจากร่างในชุดเสื้อผ้าปกติแล้วก็มองเห็นร่างของตัวเองซึ่งยังคล้องผ้าเหลืองนอนอยู่บนที่นอนโดยไม่มีอาการไหวติงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวดูมืดไปหมดมองทางไหนก็พบแต่ความมืดแต่ท่ามกลางความมืดมิดนั้นก็กลับมองเห็นเส้นทางหนึ่งเป็นทางยาวทอดไปข้างหน้าและตรงสุดสายตาข้างหน้านั้นก็เห็นแสงสว่างราไรอยู่เป็นแสงสีส้ ม, สม คล้ายๆกับแสงจากเปลวเพลิงไม่ใช่แสงของดวงอาทิตย์ตอนแรกก็คิดว่าจะลองเดินตรงไปยังแสงสว่างที่เห็นแต่เมื่อหันกลับมามองร่างตัวเองซึ่งกำลังนอนอยู่บนที่นอนก็ทำไม่ฉุกคิดได้ว่าขณะนั้นเราอาจจะป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิตลงแล้วและวิญญาณคงจะหลุดออกมาจากร่างดังที่เคยได้ยินได้ฟังจากคนเฒ่าคนแก่เขาพูดกัน คุณประชุมก็รู้สึกเสียใจมากกับการต้องจากร่างตนเองมาทั้งยังคิดถึงโยมพ่อโยมแม่ซึ่งจากมาก็คิดว่าหากว่าตายแล้วจริงๆก็ควรจะเดินทางไปลาโยมพ่อโยมแม่เสียก่อนแกก็เดินไปตามเส้นทางซึ่งมีอยู่เพียงเส้นเดียวนะไปเรื่อยๆพอใกล้จะถึงบริเวณที่มีแสงสว่างสีสม้มแกก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ได้มีโอกาสเดินทางไปกลับกราบลาโยมพ่อ โยมแม่สักครั้งหนึ่งท่านใดนั่นก็เห็นทางแยกปรากฏขึ้นข้างหน้าก็อธิษฐานต่อว่าหากเส้นทางนี้จะเป็นทางแยกไปสู่บ้านของผมก็ขอให้ผมกลับไปถึงบ้านสำเร็จสมประสงค์ด้วยเพียงวูบหนึ่งหลังจากนั้นก็พบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านก็รู้สึกยินดีอย่างมากก็รีบเดินตรงเข้าไปบริเวณบ้านเพื่อจะก้าวขึ้นบันไดไป แต่ปรากฏว่ามีร่างของผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสักหกสิบปีได้อยู่ในเครื่องแต่งกายสีขาวมายืนขวางไว้เสร็จ แ, แล้วก็บอกว่าเข้าไปในบ้านไม่ได้เพราะตอนนี้เจ้าไม่ใช่มนุษย์แล้วจากนั้นชายชราที่ว่าคนไล่ไล่ให้คุณประชุมออกจากบริเวณบ้านแกก็ขอร้องว่าขอให้ผมได้เข้าไปลาพ่อแม่สักครู่หนึ่งเท่านั้นเพราะว่ายังไม่ได้สั่งเสียอะไรกันเลย ชายชราก็กรุ้นคิดอยู่ชั่วขณะก็อนุญาตให้เข้าไปในบ้านโดยกำชับว่าให้เวลาเดียวเดียวเท่านั้นนะเสร็จธุระแล้วให้รีบออกไปคุณประชุมก็ดีใจมากรีบก้าวขึ้นบ้านตรงไปยังม้งที่พ่อกับแม่นอนอยู่ก็พยายามปลุกท่านขย่าตัวร้องเรียกพร้อมกับดึงแข้งดึงขาจนพ่อแม่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาชายชราคนเดิมก็ตามเข้ามาพร้อมกับสั่งให้คุณประชุมไปรอที่หน้าบ้านก็เลยจำเป็นต้องทำตาม ผู้หนึ่งก็ได้เห็นพ่อกับแม่เดินออกมายืนอยู่ตรงระเบียงหน้าบ้านชั้นบนส่วนตัวคุณประชุมเองก็ยืนอยู่ตรงพื้นดินด้านล่างคุณประชุมก็ตะโกนบอกท่านว่าผมจะไปแล้วนะผมมาลาจากนั้นก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งมาเรียกอ่าคุณประชุมก็เลยเดินไปตามเสียงเรียกนั้นเมื่อเดินย้อนกลับมาสักพักหนึ่งใกล้ถึงบริเวณที่เป็นแสงสว่างสีส้มแล้ว อยู่ๆก็เห็นทางแยกอีกทางหนึ่งอยู่ข้างหน้าขณะนั้นแสงสีส้มที่เคยสว่างจ้านั้นค่อยๆมืดลงทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งทั่วบริเวณเกือบจะมืดมิดจนแทบจะมองไม่เห็นทางพร้อมกับมีเสียงหนึ่งดังขึ้นเป็นเสียงที่ทรงพลังอํานาจอย่างบอกไม่ถูกกลับไปซะกลับไปได้แล้วยังไม่ถึงเวลาคุณประชุมบอกว่าจําคําพูดนั้นได้แม่นยําจากนั้นก็ได้ยินเสียงทรงอํานาจทําบุญเยอะๆ ทำดีเยอะๆกลับไปได้แล้วเมื่อถึงเวลาจะได้กลับมาอีกคุณประชุมไม่รู้จะทํำยังไงถึงได้แต่ยกมือไหว้แล้วก็เดินไปตามทางแยกที่เกิดขึ้นมาใหม่พอเดินมาได้สักพักหนึ่งก็กลับเมื่อถึงกุฏิแล้วก็เห็นร่างตัวเองกําลังนอนอยู่ตอนนั้นก็รู้สึกดีใจอย่างมากแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็เพลียอย่างบอกไม่ถูกตอนนั้นอยากจะนอนอย่างเดียวก็เดินตรงเข้ามาหาร่างซึ่งกําลังนอนอยู่ พอล้มตัวลงนอนทับร่างเท่านั้นก็ไม่รู้สึกอะไรอีกเลยจนกระทั่งมารู้สึกตัวตื่นขึ้นในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นคุณประชุมนึกทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาทุกอย่างมันเหมือนกับเกิดขึ้นจริงไม่ใช่ความฝันและเมื่อตัวเองสามารถข ย, ย, ยับพรื่อนร่างกายได้ตามปกติก็ชักจะเริ่มสับสนว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้มันเป็นเพียงความฝันของตัวเองหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกันแน่ ในระหว่างที่กําลังสับสนอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงโยมพ่อโยมแม่มาร้องเรียกที่หน้ากุฏิตั้งแต่เช้าตรู่คุณประชุมก็งงมากเพราะว่าท่านไม่เคยมาหาตอนเช้าขนาดนี้ก็เลยลุกขึ้นแล้วเดินลงไปหาท่านก็ต้องพบกับความประหลาดใจอย่างมากเมื่อท่านทั้งสองเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนท่านทั้งสองฝันตรงกันว่าคุณประชุมเนีไปหาท่านที่บ้านไปบอกกับท่านว่าคุณประชุมจะมาลา คุณประชุมก็ย้อนถามท่านว่าตอนที่ฝันเห็นไปกล่าวลานะแต่งตัวยังไงท่านก็ตอบตรงกันทั้งสองคนว่าแต่งตัวเสื้อผ้าธรรมดาไม่ได้ครองผ้าเหลืองซึ่งมันตรงกับความรู้สึกคือในขณะที่วิญญาณออกจากร่างไปแล้วเดินไปตามเส้นทางต่างๆจนถึงบ้านนั้นคุณประชุมไม่ได้ครองผ้าเหลืองแต่ว่าแต่งกายอยู่ในชุดธรรมดาตามปกติสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณประชุมทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงที่แกเองตอนแรกก็ไม่อยากเชื่อคิด คิดแต่ว่าเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นกระทั่งเมื่อพ่อแม่ท่านยืนยันว่าฝันเห็นว่าไปลาเนี่ยตรงกันทั้งสองคนก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องแปลกมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดตั้งแต่นั้นมาคุณประชุมก็เชื่อแล้วว่าวิญญาณมีจริงและเมื่อใดก็ตามที่วิญญาณหลุดออกไปจากร่างวิญญาณของเราจะต้องเดินทางไปยังดินแดนแห่งหนึ่งซึ่งอ่ คุณประชุมเองก็ยังเดินทางไปไม่ถึงไม่อย่างนั้นวันนี้ก็คงไม่มีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันแล้วครับสมัยเมื่อในจุ่นนี่ก็ยังรุ่นรุ่นเนี่ยแกก็เคยทำเครื่องไฟขยายเสียงกับพี่เขยอ่าเครื่องไฟอของพี่เขยอแหละ รับงานทั่วไปงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่งานศพโกนจุกไม่ว่างานอะไรที่เขาต้องการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็ใช้เสียงที่มันดังดังไปทั่วหมู่บ้านแหละพี่เขยก็รับงานเหล่านี้แล้วก็เขาก็ชวนชวนนายจุ่นไปช่วยเขาล่ามสายไฟไปทั่วบ้านรอบบ้านทั้งบนบ้านใต้ถุนบ้านข้างบ้านเพื่อจะติดหลอดไฟให้แสงสว่างจากเครื่องปั่นไฟที่กินน้ํามันโซล่า สมัยนั้นน้ำมันชนิดนี้จะมีราคาลิตหนึ่งไม่กี่บาทอะถูกกว่าเบนซินมากต่างกันเยอะแยะเลยอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นในหมู่บ้านที่หมู่บ้านนี้ทำมาหากินหวานข้าวกันปีละหนุนหวานถั่วเขียวหวานงากันด้วยข้าวโพดก็ทํากันด้วยบางบ้านก็ปลูกพริกปลูกแตงกวาเก็บขายแต่พอถึงหน้าทํานาก็ต้องไถานาหวานข้าวกันไถานาก็อาศัยแรงควายที่เลี้ยงเอาไว้ บ้านไหนมีนาต้องทำนาก็จะมีควายอยู่ที่บ้านอย่างน้อยก็บ้านละสองตัวข่าวร้ายมาในเช้าวันนั้นตะวันยังไม่ส่องแสงเพราะว่ามืดมัวได้เมฆฝนอากาศก็กำลังเย็นฝนตกเมื่อตอนกลางคืนแล้วก็ตกพรำๆเมื่อค่อนสว่างแล้วขาดเม็ดไปชาวบ้านก็ยกคันไถบรรทุกในเลื่อนให้ควายลากไปออกสู่ท้องทุ่งจะไปไถนากันหน้าโอบ ซึ่งเป็นผู้ชายวัยกลางคนวันนั้นในเกิดเคราะห์ร้ายแกก็ไปทําอย่างคนอื่นเขาละ่ะแกมีควายอยู่หลายตัวเพราะมีนาหลายไร่แล้วก็ควายที่เลี้ยงมันก็ออกลูกออกหลานของมันด้วยก็ยังเลี้ยงเอาไว้ไม่ได้ขายไอ้ควายตัวหนึ่งยังหนุ่มมันแข็งแรงดีแต่มันออกจะดือ้อแต่ก็เป็นควายที่เลี้ยงมาตั้งแต่มันยังเป็นลูกแง่วิ่งตามแม่ของมันแกโดนไอ้ตัวนี้แหละควิดเซ่ใส่ทะลักตายเลย แกไปตีมันเข้ามาเลยเอาเขายาวงงแหลมคมตักเข้าสามสี่ทีคนรู้ข่าวไปดูแล้วก็เอามาร้องบอกกันรู้ทั่วหมู่บ้านในไม่กี่อึดใจนโอบเนี่ยตายในชุดดำทำนาเสื้อดำแขนยาวงอบกระเด็นไปทางหนึ่งเลือดแดงฉานตาลืมพลงนอนตะแคงอยู่ในจุนนี้ไม่เห็นเนาะอ่าเพราะว่าต้องรีบปั่นจักรยานไปเรียนหนังสือที่ตัวจังหวัดก่อนหน้าที่ เขาจะได้ส่งข่าวบอกกันแค่เพียงเสี้ยววินาทีตอนเย็นกลับจากเรียนถึงได้รู้เรื่องร้ายที่พี่เขยไปทำไฟอยู่ที่วัดแล้วเขาตั้งศพสวดคืนนั้นที่วัดเป็นคืนแรกเพราะว่าศพตายโหงเขาจะไม่ตั้งศพที่บ้านกันเขากลัวแล้วก็มันเป็นการตายที่น่ากลัวด้วยถ้าป่วยตายเขาก็สวดศพกันที่บ้านถือว่าไม่น่ากลัวแต่ตายโหงนี่มันกระทันหันแล้วก็มัดจะมีบาดแผลที่น่าสยดสยองด้วยพอดีแล้วเกินที่คืนนั้นเป็นวันศุกร์ ในจุนก็เลยไปช่วยพี่เขยที่วัดจริงๆแล้วงานศพไม่มีอะไรยุ่งยากสําหรับพวกเครื่องไฟขยายเสียงก็แค่เปิดเพลงปิ้นพ้าราตพูลอะไรไปในช่วงเย็นๆแล้วก็หัวค่ําพระขึ้นสลาก็แค่ยกไม้ไปตั้งให้ท่านท่านก็สวดไปสวดเสร็จก็เปิดเพลงตอนที่ท่านกําลังเดินลงจากสลาไปยกไม้ม้วนสายเอามาเก็บพระลงสลาไปพักเดียวเขาก็ตั้งวงเล่นถั่วโปไฮโลน้ําเต้ากันเป็นงานเงียบๆจะมากกว่า พี่เขยทำคนเดียวก็ได้แต่เขาก็ชวนในจุนไปนอนค้างเฝ้าเครื่องไฟเป็นเพื่อนกันว่า ง, งั้นคืนนั้นพอดึกหน่อยก็เหลือแต่พวกนักเล่นกาตยญาิที่ต้องอยู่กันนอนกันบนสลาแต่พอตกดึกเท่านั้นท่าทางไม่ค่อยดีเพราะหมาวัดมันพากันส่งเสียงเห่าหอนกันโหยโหวนเลยทีเดียวเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วนี่นะในจุนก็้ม่หลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ แต่พอะเสียงหมานี่ยทำให้ตื่นขึ้นมาพบว่าไฟดับมืดเลยแต่ยังได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟทำงานพี่เขยก็ตื่นขึ้นมาพอดีคว้าไฟฉายเรียกนายจุ่นให้ไปค้นหาสาเหตุกันพอลงบันไดไปไฟก็ติดก็มองกวาดตาไปทั่วสลาพวกเล่นพนันหายไปไหนกันหมดแล้วไม่มีเลยสักคนนะมีแต่พวกญาติญาติคนตายนอนกันอยู่สามสี่คนที่กลางสลาหน้าแปลกมากพวกเล่นในส่วนใหญ่เขาไม่เลิกรากันง่ายฮะ มันต้องเล่นกันยันสว่างคาตาเลยพี่เขยดูนาฬิกาข้อมือมันแค่ตีสองกว่าๆเท่านั้นพอไม่มีอะไรแล้วก็เลยนอนกันแต่ก็ยังคุยกันด้วยความสงสัยว่าไฟมันดับได้ยังไงนอนกันไปพักหนึ่งไฟก็เกิดดับดับติดติดในจุนน่งหลับไปแล้วส่วนพี่เขยยังไม่ถึงกับหลับสนิทก็ปลุกปลุกในจุนให้รู้ตัวมันเป็นอะไรของมันบ้าสายไฟขั่ว ต่ออะไรมันหลวมหรือเปล่าอ่ะเออมันก็ไม่น่านะกลัวอย่างเดียวกลัวอะไรอ่ะพวกแกรง้งอะไรตีพี่เขยนะ่ากลัวคนกันแกล้งเพราะเขาเคยโดนมาแล้วไม่ได้มีสาเหตุโกรธเครื่องอะไรกันหรอกแต่ก็มีคนคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกที่ได้แกล้งให้คนอื่นเสียเวลาหรือว่าตกใจอะไรอย่างงั้นทีนี้ก็ตื่นขึ้ น, นมานั่งดูกันอยู่พักหนึ่งก็ไม่เห็นมีอะไรอีกก็ปกติดีแต่พี่เขยก็ยังไม่วางใจก็ชวนในจุ่นลงไปดูเครื่องปั่นไฟที่อยู่ใต้ถุนศาลา ก็ไม่มีอะไรไฟสว่างดีน้ำมันก็ยังไม่หมดตรวจดูขั้วต่อต่างๆก็ไม่หลวมไม่มีปัญหาอะไรพอกลับมาก็ล้มตัวลงนอนกันปุ๊บไฟดับพรึบคราวนี้พวกเจ้าภาพก็ตื่นขึ้นมาส่งเสียงกันใหญ่ว่าไฟเป็นอะไรทำไมไฟดับไปช่างไฟไปไหนพี่เขยก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ฉายไฟสาดแสงไปมาทั่วสลาก็บอกว่าอยู่นี่ระหว่างที่แสงไฟฉายสาดไปนั้นพี่เขยก็เห็นใครคนนึงเดินแวบผ่านแสงไฟไ ป, ไปรวดเร็วมาก ไปทางบันไดขึ้นลงสลาเขาก็ฉายไฟตามแต่ก็ไม่เห็นวินาทีนั้นไฟก็ติดสว่างเหมือนเดิมพวกเจ้าภาพก็ร้องว่าเออติดทันทีมันเป็นอะไรของมันทั้งที่ทุกคนยังไม่ทันทำอะไรไฟมันก็ติดเองพี่เขยก็นึกได้ว่ายังไม่ได้จุดธูป บ, บอกเล่าเจ้าที่เจ้าทางที่วัดแล้วก็ยังไม่ได้บอกเล่าดวงวิญญาณคนตายด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุ ก็เลยเดินไปเอาทูบตรงที่เขาจุดทูบเทียนหน้าที่ตั้งโลงศพซึ่งเทียนนั้นก็ดับด้วยตอนที่ไฟดับพี่เขยกําลังจะเอื้อมมือไปหยิบทูบพลันก็ชะ ง, งักนะในจุ่นมองอยู่ก็เห็นเขาหยุดมือที่ยื่นไปกึกเลยแล้วชักมือกลับก้มมองที่พื้นแถวๆนั้นก็หันมามองในจุนทําท่าเหมือนจะเรียกให้ไปหาแต่แล้วก็หันไปทางพวกเจ้าภาพที่ล้มตัวนอนกันแล้วแล้วพี่เขยก็เรียกป้าอุ่นพี่สาวของนาโอบผู้ตาย เสียงว่าป้าป้ามาดูอะไรเนี่ยป้าอุ่นแกก็ไปดูพี่เขยชี้อ่าในจุนก็อยากจะรู้รีบไปแต่ก็ได้ยินเสียงป้าอุ่นแกร้องขึ้นมาเสียก่อนว่าเอ๊ะนี่มันเลือดอะไรเนี่ยแล้วแกก็มองที่พื้นมันหยดไปโน่นแน่แกชีมือพวกญาติก็มาดูกันในจุนไปถึงก็พอดีก็เห็นกับตาว่ามีหยดเลือดแดงแดงเข้มเข้มออกจะเป็นสีแดงคล้ำเกือบจะดําเหมือนกับเลือดเน่าเนี่ ตื่นเต้นตกใจกันใหญ่ว่ามันเป็นเลือดอะไรบางคนก็บอกเลือดหมาบางคนก็ว่าเลือดคนใครคงจะมีดบาดมือละมัง้งพวกเขาแปลกใจกันว่าเอพวกเล่นเล่นไพ่เล่นไฮโลนี่หายไปไหนกันหมดแล้วก็หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้พี่เขยก็เดินดูหยดเลือดเห็นหยดเป็นทางไปเกือบถึงบันไดลงสลาแล้วหยดเลือดก็หายไปแถวแถวหน้าบันไดไม่มีใครรู้ว่าเลือดอะไรมันเริ่มหยดตั้งแต่แถวแถวหน้าลงศก คุยกันมองหน้ากันแล้วก็มองไว้ที่โลงศพไม่รู้ว่าใครคิดอะไรกันบ้างแต่ว่านายจุนดันคิดว่าเป็นหยดเลือดที่มาจากโลงศพหรือเปล่าก็ไม่แต่นายจุนคนเดียวที่คิดอย่างนั้นมีลุงคนหนึ่งญาติคนตายมาจากอีกหมู่บ้านแกก็พูดเหมือนกับจะให้มันตลกแกก็พูดว่าอ่าเลือดให้โอ้เปล่าวะเท่านั้นเองแกก็โดนญาติดุกันใหญ่ไล่แกไปเอาผ้ามาถูเลือดนั่นแกก็ไปเอาไม้มาถูทําตาม ท, ที่เขาสั่ง ท่าทางแกจะเมาๆอยู่ด้วยก็เลยพูดอะไรออกมาอย่างนั้นพี่เขยก็รีบจุดธูปบอกเล่าสิ่งต่างๆจนสว่างก็ไม่มีเหตุการณ์แปลกประหลาดอะไรอีกจนเช้าถึงได้รู้ว่าพวกเล่นพ น, นันเมื่อคืนเนี้ทําไมหายไปหมดพวกเขาหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเกิดเสียงดังแปลกๆที่ในโลงศพเสียงกุกกักคกลุกขลักมันต้องมีอะไรสักอย่างในนั้นและอะไรที่ว่านั้นคงไม่ใช่แมวไม่ใช่หนูเพราะเขาปิดผ้าลุงเอาไว้ มันต้องเป็นร่างที่นอนอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนก็เลยเพ่นหนีกันไปหมดเลยเลยไม่มีใครรู้ว่าเสียงนั้นมันเกิดจากอะไรแล้วก็หยดเลือดนั้นด้วยว่าเป็นเลือดอะไรเลือดใครครับมาถึงเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึง่งท่านผู้ฟังคุณอุดมบอกว่านึกย้อนไปจําได้ว่า มีเรื่องที่ทาให้ชาวบ้านโ อ, อกสันขวัญผวาที่หมู่บ้านน้องแก่ที่ลบบุรีมีคนเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงออกมาจากชายป่าเห็นเท่านั้นนะคนที่เห็นก็รีบวิ่งหนีเข้าหมู่บ้านตะโกนลั่นด้วยเสียงผู้หญิงแหลมๆว่าไม่รู้ผีหรือคนไม่รู้คนหรือผีพูดวนไปวนมาอยู่งั้นน่ะเมื่อถูกสอบถามนางก็บอกว่านางเห็นผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากชายป่าหน้าตาเขาไม่เหมือนคนเลยมันเต็มไปด้วยความน่าเกลียดน่ากลัว พอรู้ก็ไม่รอช้ากันขณะนั้นใกล้ค่าแล้วด้วยแต่ก็ไปกันหลายคนทั้งผู้ชายผู้หญิงพอไปถึงก็ไปเห็นผู้ชายคนนั้นจริงๆคือชายที่หน้าตาของเขามันเหมือนผีไม่มีผิดแต่มันแสนจะน่ากลัวซะจริงๆผู้ชายที่โผล่มาให้เห็นคนเนี้ยร่างสูงใหญ่เสื้อผ้าแทบจะไม่มีติดตัวขาดขา ด, ขา ด, ขาดวิ่นวิ่นไปหมดแล้วพวกที่ไปกันก็มองดูแล้วก็เห็นว่าเขาไม่มีอาวุธอะไรก็เลยถามว่าเขาเป็นใคร ขณะนั้นเขายืนอยู่ใกล้ๆต้นไม้ต้นหนึ่งเขากําลังจ้องพวกตีถามอยู่ไม่วางตาเลยเชียวเขาไม่บอกเราว่าเขาเป็นใครแต่ชี้มือเข้าไปในป่าแล้วก็เดินหายเข้าไปมีคนจะตามแต่ว่ามีคนห้ามเอาไว้เฮ้ยมันไม่ปลอดภัยมันใกล้ค่าแล้วด้วยในปีนั้นที่หมู่บ้านนั้นนมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นหลายเรื่องทั้งน่ากลัวทั้งน่าแปลกก่อนหน้านี้ก็มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งตายต่อมาก็มีคนตายอีกหลายคน คนที่ตายน่ากลัวมากกว่าใครก็คือนางใบนอนตาค้างแล้วปากของนางก็อ้ากว้างเขาพบศพนั้นในบ้านหลังเล็กๆของดังเองนางอยู่กับลูกหญิงลูกชายสองคนแต่ว่าพวกเขาไม่อยู่กันในช่วงนั้นไปรับจ้างเกี่ยวข้าวที่อีกหมู่บ้านหนึ่งเวลานั้นคุณอุดมน่ะอยู่ที่บ้านปีนั้นก็อายุราวๆสิบสองปีแกกลัวมากเลยในข่าวที่เขาเอามาเล่ากันนั้นจนไม่กล้าออกจากบ้าน กลางคืนก็นอนกับแม่ไม่ยอมห่างกลัวมันจะขึ้นมาบนบ้านอย่างที่ป้าใบโดนคนร้ายฆ่าตายป้าใบนี่แกเป็นใบแกพูดไม่ได้แต่ก็มีผัวจนมีลูกแล้วผัวแกก็มีอันเป็นไปไปรับจ้างเขาตัดโค่นต้นไม้โดนต้นไม้ล้มทับกลางตัวอะไท้องแตกไส้ทะลักอามากองป้าใบไม่ใช่คนมีพิษมีภัยอะไรเลยบ้านอยู่ห่างชุมชนใกล้ๆดงไท่ฐานะยากจนแต่คนร้ายก็ขึ้นบ้านฆ่าเสียตายจับตัวคนร้ายก็ไม่ได้ เช่นเดียวกับรายอื่นๆที่ตายเพราะโดนฆ่าเหมือนกันคนรายจะบีบคอหรือว่ารัดคอสิ่งที่มันต้องการไม่ใช่ทรัพย์สินแต่เป็นข้าวปลาอาหารมันจะเข้าบ้านของเหยื่อในยามดึกสงัดแต่บางทีก็กลางวันแสกๆพอเจอเจ้าของบ้านมันก็ฆ่าเสียตายไม่มีใครรอดชีวิตมาพูดจาบอกกล่าวได้เลยว่ามันเป็นผู้หญิงผู้ชายหน้าตามันเป็นยังไงแล้วที่นัดจิตไปเจอผู้ชายคนนั้นตรงชายป่าอ่า ก็เป็นผู้ชายที่ไม่เคยมีใครเห็นเขามาก่อนเขาต้องเป็นคนนอกหมู่บ้านเขาเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่น่าไว้ใจเลยพอเชา้าชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อจะล่าหาตัวผู้ชายคนนั้นผู้ใหญ่และกำนันก็เป็นผู้นําชาวบ้านตื่นตัวแล้วตื่นแต้นกันมากแล้วก็กลัวด้วยไม่มีใครออกจากบ้านไปทํานากันวันนั้นอะ่ะคนที่ไม่ได้ออกไปช่วยก็ไปช่วยตามล่าก็อยู่แต่ในบ้าน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคนแก่แล้วก็เด็กๆส่วนพวกผู้ชายเขาก็ร่วมกันออกไปตามหาผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นก็แบ่งกันเป็นกลุ่มๆเป็นพวกๆแล้วแยกย้ายกันออกไปค้นหาเข้าไปใน ป, ป่าโดยมีอาวุธติดมือกันไปด้วยส่วนใหญ่จะเป็นมีดช่วยกันตามหาจนเจอแล้วก็จับตัวเขาออกมาจากป่าเขาพูดจาไม่รู้เรื่องอะหน้าเขามีแต่แผลเป็นหน้าเขาต้องเคยเละมาก่อนเขาออกจากฟันเฟือนด้วยถามยังไงก็ไม่รู้เขาเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้ คำนั้นก็เลยคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาพูดกันในตอนหลังว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะเป็นไอ้เสือพ้นหรือว่าคนร้ายที่หนีคดีร้ายแรงแล้วก็อาจจะโดนคู่อริรุมทําร้ายจนหน้าตาเป็นบาดแผลเต็มไปหมดแต่ไม่ตายอาจจะมีคนช่วยก็รอดอยู่ได้ก็หลบหลบซ่อนๆอนอยู่ตามป่าเรื่อยไปคาดว่าที่คนตายในหมู่บ้านก็คือเหยื่อที่เขาลงมือฆ่านั่นเองเพราะว่าหลังจากนั้นข่าวการตายของชาวบ้านก็เงียบหายไป เออความตายอยู่ใกล้แค่คือผู้ชายคนนั้นหยิบยื่นให้เส้นหลายคนทั้งคนรวยทั้งคนจนคนจนยากอย่างป้าใบ้ก็โดนกับเขาด้วยคนที่ตายคนหนึ่งก็เป็นคนมีฐานะดีมากก็โดนผู้ชายคนนี้ฆ่าตายคนนั้นก็คือคนที่ชาวบ้านไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยไม่ใช่คนดีให้คนกู้เงินแล้วคิดดอกเบี้ยแพงแล้วพอไม่มีดอกจะส่งก็ยึดที่นาที่บ้าน ยึดแม้กระทั่งเรือนชานที่อยู่อาศัยไม่มีผ่อนปลนไม่มีเห็นอกเห็นใจกันตาคนนี้ชื่ออะไรละจําไม่ได้แล้วสมมุติว่าชื่อตาสีก็แล้วกันอ่าเพราะแกเอาเปรียบเขามากเกินไปตอนที่แกตายชาวบ้านเขาก็เลยไม่นึกเสียดายแต่เขากลับพูดกันวาเห็นไหมงกมากพอตายแล้วเอาอะไรไปได้บ้างแต่บางคนก็เถียงแทนแกว่าแกเอาไปไม่ได้จะทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ตกอยู่กับลูกกับหลานของแกนั่นก็คือเงินทองที่ ได้มาจากการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาคนอย่างตาสีนี่มีเยอะถมเถไปยังหาได้อยู่ไม่ว่าที่ไหนที่แย่งชิงวรดกฆ่ากันตายในระหว่างพี่พี่น้องๆก็มีเยอะขณะที่เกิดเรื่องนี้คุณอุดมก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องตาคนนี้เอาเปรียบเจ้าบ้านก็ได้แต่ฟังผู้ใหญ่เขาพูดกันเพิ่งจะมาคิดในตอนหลังลูกหลานของแกก็มีคนที่เชื่อไม่ทิ้งแถวชื่อไหนสองนิสายใจคอเหมือนแกนะทาเหมือนกับแกนะปล่อยเงินกู้เหมือนแก คูรี ด, ดอกเบี้ยแพงๆเหมือนแกก็ดูเขาจะมีความสุขดีแล้วคนก็ยังกู้ยืมเงินจากเขาอยู่ทั้งๆที่รู้ว่าเขาคิดดอกแพงที่ต้องยอมเขาก็เป็นเพราะไม่รู้จะไปกู้ยืมจากใครและคนออกเงินกู้ส่วนใหญ่ก็จะคิดดอกแพงเหมือนๆกันในสองคนนี้ก็ไม่ตายดีอีกเหมือนกันตายขณะมีทรัพย์สินเงินทองมากม า, ายก่ายกองขับรถไปอาบไปแล้วรถแหกโค้ ง, คงพุ่งลงน้ําไม่มีใครช่วยได้แล้วก็ไม่ได้ช่วยเพราะไม่มีคนเห็น มันกลางดึกที่เขาไปงานเลี้ยงเมากลับมาลำพังคนเดียวดีที่ว่าลูกเมียรอดตายเพราะไม่ได้ไปกับเขาด้วยทั้งที่นัดจะไปด้วยกันแต่ว่าเมียเกิดคลาดล้มในห้องน้ำเดินขากระเพรกกระเพรกก็เลยไม่ได้ไปพอแม่ไม่ไปลูกก็เลยไม่ไปก็เลยรอดตายเออนับว่ายังมีบุญคุ้มอยู่ท่านผู้ฟังเคย ได้ยินคำว่าก้อนหินหน้าเมนไหมครับอ่าเป็นเรื่องแปลกๆที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้าแมวเด็กวัยรุ่นด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่ทำให้เจ้าแมวนี้ไม่ค่อยเชื่อถือเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นหากทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพูด้ดผีวิญญาณหรือว่าไสยเวทมนต์ดำทั้งหลาย นอกจากมันจะไม่เชื่อถือแล้วบางครั้งมันก็กลับแสดงออกไปในแนวลบลูดูหมิน่นเหยียดหยามผู้ที่มีความเชื่อถืออีกด้วยหรือว่าบางทีหนักดักเข้ามันถึงกระทาทายเลยก็มีเคยมีผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนพยายามเตือนให้มันระลึกถึงคําพูดว่าไม่เชื่ออย่าลบลูเนี่ยให้มันฟังอยู่เสมอเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นกลัวว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับมันทํามันยังขืนแสดงพฤติกรรมห่ำหำแบบนี้ออกมาอีก แต่ว่าคำพูดของผู้หวังดีกลับเป็นแค่ลมปากที่พ่นออกมาไม่ได้มีความหมายอะไรในความรู้สึกของเจ้าแมวมากนะักจนกระทั่งวันหนึ่งเรื่องที่มันไม่เคยเชื่อถือเลยก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อมันกลับจากงานชาปนกิจศพของคนในหมู่บ้านตามปกติเวลาที่ดำเนินพิธีกรรมทางาศาสนาและเผาศพเรียบร้อยคนโบราณเนี่ยเขาจะห้ามผู้ที่มาในงานศพเอ่ยปากชวนกันกลับอย่างเด็ดขาด ถ้าใครเผลอหลุดคำชวนออกมาวิญญาณคนตายจะตามกลับไปด้วยนะเขาว่าอย่างนั้นจากเรื่องราวที่เกิดจากพฤติกรรมข้างต้นนี้เองทำให้สามารถจะนำไปแกล้งคนอื่นได้โดยวิธีการง่ายๆก็คือพอเราหันหลังกลับบ้านเราแค่เอ่ยปากชวนใครสักคนกลับขณะเดียวกันก็เอามือหยิบก้อนหินขึ้นมาจากเม็ดหน้าเมนเผาศพก้อนนึง เมื่อเราได้ก้อนหินนี่มาแล้วที่นี่เราจะแกล้งใครก็ให้นําก้อนหินที่ได้มาเนี่ยไปวางไว้หน้าบ้านของเขารับรองไม่เกินเที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งวิญญาณคนตายจะต้องมาแสดงให้เจ้าของบ้านนั้นเห็นแน่นอนทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เขาเล่ากันต่อๆกันมาก็ยังไม่มีเคยใครมีใครกล้าทําหรอกเห็นจะมีแต่ไอ้แมวนี่แหละไม่รู้ก็เพราะเป็นสาเหตุอะไรที่ทําให้เจ้าแมวมันนึกสนุกขึ้นมามันก็เลยทดลอง ทำเรื่องที่คนโบราณเขาห้ามนักห้ามหนาซึ่งก็มีเพื่อนของมันที่เป็นญาติคนตายก็คือเหยื่อในการทดลองของมันในครั้งนี้การกระทำของมันมันไม่รู้ตัวเลยว่าได้อยู่ในสายตาของญาติผู้ตายตลอดเวลาทันทีที่เจ้าแมวนําก้อนหินที่ได้มาหน้าเมียนไปวางไว้หน้าบ้านเพื่อนเจ้าของบ้านก็ดัดหลังมันด้วยการนําหินดังกล่าวเอาไปวางไว้หน้าบ้านมันแทน เมื่อเจ้าแมวคิดว่าทุกอย่างน่าจะดำเนินตามแผนการที่วางไว้มันก็เดินกลับบ้านไปด้วยท่าทีกระยิมยิ้มย่องเหมือนกับจะภูมิใจในผลงานของตัวเองมันรอแต่เพียงพรุ่งนี้มันคงได้ฟังข่าวดีที่เกิดจากผลของการกระทาของมันเองโดยไม่ได้เฉลียวใจแม้แต่น้อย เ, อเวรกรรมจะคืนสนองตกกลางคืนไอ้แมวเข้านอนตามปกติมันก็ไม่รู้ว่าหลับไปนานเท่าไหร่ กระทั่งมารู้สึกตัวอีกทีตอนที่ได้ยินเสียงหมามันส่งเสียงเห่ากันโชคอย่างแรงคล้ายๆกําลังขับไล่ผู้ลุกรานอยู่หน้าบ้านด้วยสัญชาตญาณการป้องกันตัวไอ้แมวไม่รอให้ผู้ลุกรานเข้ามาในบ้านได้มันก็รีบลุกขึ้นจากเตียงนอนโดยมีมีดพระกรมแน่นไว้ในมือเตรียมพร้อมสําหรับรับศึกหลังจากนั้นมันก็ย่องไปยังประตูค่อยๆแงม้มบานประตูออกอย่างระมัดระวังประตูบ้านถูกเปิดออก สิ่งแรกที่เจ้าแมวเห็นก็คือร่างของใครบางคนมายืนเป็นเงาตะคุ่มอยู่ตรงประตูรั้วทางเข้าบ้านไอ้แมวพยายามใช้สายตามองฝ่าความมืดเพื่อดูให้แน่ชัดว่าคนที่มายืนอยู่น่ะเป็นใครแต่จนแล้วจนรอดเนื่องจากแสงสว่างจากหลอดไฟตรงประตูรั้วบ้านมีไม่มากสายตาเจ้าแมวก็ถึงได้เห็นแต่ร่างของผู้มาเยือนเป็นแค่เงาเท่านั้นขั้นเป็นอย่างนี้ไอ้แมวก็จำใจต้องเดินลงจากบ้านแล้วดิ่งตรงไปยังร่างของผู้มาปรากฏ หมายที่จะไปดูหน้าไอ้หมอนั่นให้ชัดเจนแต่ถ้าหมอนั่นเกิดตุกตึกหรือประสงค์ร้ายกับมันมีดพระที่กรำนั่นในมือนี่แหละจะเป็นตัวหยุดการกระทํำของหมอนั่นได้เป็นอย่างดีแ ล, แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ไอ้แมวคาดไว้แต่ต้ตนกดชะ ง, งักลงไปในพริบตาเมื่อมันเดินเข้าไปจนใกล้มากพอที่จะแยกออกว่าใครเป็นใครคุณพระช่วยปรากฏว่านั่นมันไอ้คนที่ชาวบ้านเขาทาการชา ป, ปนักกิจเขาเผาไปเรียบร้อยแล้วนี่ แล้วมันมายืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรอ่าคิดเปลียงแค่นี้สติสัมปชัญญะของไอ้แมวพลันขาสะบั้นลงมันล้มพับกองอยู่ตรงประตูรั้วนั่นแหละโดยที่มีดพระในมือของมันไม่มีโอกาสได้ใช้สักครั้งเดียวเป็นอันว่าเรื่องที่มันไม่เคยคิดว่าจะมีจริงบัดนี้มันก็ได้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วและนับแต่นี้เป็นต้นไปไอ้แมวก็คงจะลดพฤติกรรมหม่ำหำของมันลงไปได้บ้าง หรือบางทีก็อาจจะเป็นเลิกไปเลยอย่างเด็ดขาดก็อาจจะเป็นได้ครับอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องของหวยจากโรงศพครับท่านผู้ฟังอ่าเรื่องนี้เกิดกับคุณสุชธธีพตอนนั้นคุณสุชีปอายุสิบเจ็ดปียังไม่ได้ทํางานทําการอะไรคงใช้เวลาว่างทั้งหมดท่องเที่ยวหาความสนุกสนานไปกับพักพวก แต่ส่วนมากมักจะชอบไปอยู่วัดบางครั้งก็ไปช่วยหลวงพ่อที่วัดตําว่านเพื่อทำพระเครื่องก็ทําให้เกิดความเพลิดเพลินไปวันวันหนึ่งแกมีโอกาสเข้าวัดบ่อยครั้งเข้าก็เลยเกิดติดวัดขึ้นมาช่วงนั้นเป็นเวลาใกล้จะเข้าพรรษาและมีคนมาบวชพระกันมากค็นึกสนุกอยากจะบวชสามเณรขึ้นมาบ้างหลังจากอุปสมบทเป็นสามเณรแล้วแกก็ได้อยู่กับพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งท่านเป็นหมอแผนโบราณกุติ แบบทรงโบราณกุฏิหลังนี้ตอนแรกเป็นที่เก็บศพของบรรดาญาติญาติเจ้าของที่สร้างวัดไม่รู้ว่ากี่ศพต่อกี่ศพแต่ว่าตอนนี้ไม่มีศพอีกแล้วเพราะศพเหล่านั้นทางญาติเขาทําการชาปนากิจไปจนหมดอ่าก็จําเพาะเหลือเกินว่าเนนสุชีปจะต้องไปนอนตรงที่ตั้งศพซะด้วยแกน่ะเป็นคนกลัวผีอย่าบอกใครเลยอ่ะในระยะแรกๆของการบวชแกก็ต้องอดหลับอดนอนกว่าจะหลับได้ก็ตั้งเที่ยงคืน ที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากพระที่เนนสุชีพอยู่กับท่านด้วยนี่ท่านเป็นพระหมอท่านจะต้องไปรักษาคนป่วยแทบทุกคืนแล้วกว่าท่านจะกลับถึงกุฏิก็เป็นเวลาหลังเที่ยงคืนไปแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นพอตกเย็นอ่าเนีนก็จะต้องรีบกลางมุงไว้ก่อนพอท่านออกจากกุฏิไปรักษาคนป่วยแกก็จะรีบปิดกุฎประตูกุฏิแต่ไม่ได้ลงกรอนแล้วแกจะมุดเข้ามุงทันที จุดตะเกียงดวงเล็กๆไว้ที่หัวเตียงนอนบางครั้งก็ร้อนแสนจะร้อนอืมก็ต้องเอาจีวรหม่มคลุมตั้งแต่เท้าจรดหัวทีเดียวโดยที่ไม่ลืมเอาหนังสือเจ็ดตานานก็ไปในโปงด้วยก็อาศัยเสียงท่องเจ็ดตำนานเรียกว่าเสียงของแกนะแทบจะคับวัดเลย่ะจะท่องมนุ์อยู่จนว่าพระท่านจะกราบกุฏิบางครั้งทนกับความง่วงไม่ได้ก็เลยหลับไปกับหนังสือนั่นแหละทําอย่างเงี้ยอยู่หลายเดือน หลายเดือนผ่านไปความกลัวก็ชักจะลดน้อยลงไปมากเพราะความเคยชินเกิดขึ้นจนกระทั่งออกบรรษาพระที่วัดต่างก็ทยอยสือกันหลังจากรับกระถิงกันแล้วดังนั้นพระในวัดก็เลยเหลือเพียงไม่กี่รูปกุฏิก็มีว่างมากขึ้นสมณเนสุชีบก็ขออนุญาตพระอาจารย์ย้ายไปอยู่กุฏิใหม่เป็นกุฏิห้องกระทัดเป็นกุฏิลักษณะเป็นห้องแถวข้างกุฏิทั้งสองข้างก็ยังมีพระอาศัยอยู่ ก็ทำให้เกิดความสบายใจไม่ต้องคลุมโปงนอนท่องหนังสือดึกๆอย่างที่แล้วมาในระยะนี้เองก็มีการเล่นการพนันขึ้นทางตลาดคือมีการออกหวยจับยีก่กีหวยจับยี่กีที่กล่าวก็คือไพ่กีนสิบสองใบจะมีคนเดินเขียนโพยไปตามที่ต่างๆวันๆจะมีคนไปที่วัดไปหาพระเพื่อจะขอหวยหลายคนแล้วก็จะมีคนเขียนโพยไปที่วัดเป็นประจาทุกวัน มีคนบางคนวิงวอนให้เนนสูชีปนั่งให้หวยพร้อมกับให้คาถานะนั่งให้หวยทําน้ำมนต์แต่เนนสูชีปไม่กล้าทําตามเพราะคิดว่าเป็นการทําผิดวินัยสงฆ์ถึงแม้จะเป็นเพียงสามเณรแต่ว่าแกก็ยังมีศีลเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีคนมาอ้อนวอนให้แกนั่งหวยจะถูกแกปฏิเสธทันทีถึงกระนั้นก็ยังอดนึกสนุกขึ้นมาไม่ได้อยากจะทดลองหาหวยแทงดูบ้าง แกก็นั่งคิดนอนคิดหาวิธีที่จะได้อ่าให้ได้หวยคิดอยู่หลายวันถึงได้คิดได้ก็คิดว่าคืนนี้ล่ะเดี๋ยวจะตัดสินใจไปที่กุฎังเก็บศพเอาไพ่สิบสองใบไปคว่ำไว้ที่หลังหลวงศพนะแต่แกจะไปได้ยังไงในเมื่อแกเป็นคนกลัวผีแล้วคราวนี้จะต้องเข้าไปในกดังเก็บศพซึ่งในกดังมีศพวางเรียงกันเกือบสบิบศพมีทั้งเก่าทั้งใหม่มันช่างน่ากลัวเหลือเกิน การที่จะเข้าไปในโกดังจะต้องเข้าไปตอนกลางคืนดึกๆซะด้วยถ้าเปิดประตูโกดังแล้วบังเอิญมีอะไรผล่พรวดออกมาจะทํำยังไงไม่ต้องหาสัยล้มพะโกยหรอนั่งคิดนอนคิดต่อไปอย่างชนิดตัดสินใจไม่ถูกกลัวก็กลัวอยากลองก็อยากลองในที่สุดก็ตัดสินใจคิดว่าผีก็ผีเถอะนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าผีมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในคืนวันนั้นก็เนนก็เตรียมไพ่สิบสองใบพร้อมไฟฉายหนึ่งกระบอก รออยู่จนดึกพอสมควรก็เลยลงจากกุติเดินไปที่กดังเก็บศพเมื่อเข้าไปถึงกดังก็หยุดเหลียวซ้ายแหลขวากวาสายตาขวาความมืดเห็นว่าไม่มีสิ่งใดผิดปกติก็ตัดสินใจเปิดประตูกดังทันทีที่ประตูเปิดกว้างจมูกก็ได้สัมผัสจะกลิ่นเน่าสาบแล้วก็ยังมีเสียงกุกกกเกิดขึ้นอีกตอนนี้ล่ะจิตใจชักหลังเลซะแล้วนึกสอบถามกับตนตนเองว่าเ อ, เ อ, เอ๊ะนี่กูจะเข้าหรือหรือถอยไปตั้งหลักดี แกก็นึกหลังเลจะอยู่ครู่ใหญ่เสร็จแล้วก็ตัดสินใจก้าวขึ้นไป บ, บนโกดังทันทีนึกในใจว่าผีก็ผีเถอะวะเห็นถ้าไม่ดีก็ได้อาศัยหลวงพ่อโกยกันละพอแกก้าวเข้าไปในโกดังกลิ่นเหม็นเน่าของศพก็ตลบคลุ้งไปหมดแกก็เอามือที่ถือไพ่วางไพ่ลงไปที่หลังโรงศพใหม่ๆโรงหนึ่งพอจะจําได้ว่าเป็นศพของโยงกริมเรียงไพ่ทั้งสิบสองใบเอานิ้วมือเคาะไปที่โลงสามที ปากก็บอกว่าโย้อมคริมพรุ่งนี้หวยออกตัวไหนก็ช่วยหงายผ้าใบนั้นด้วยนะโยมพอเสรียเรียบร้อยแล้วก็ถอยมาที่ประตูก็ดังสายตาก็ยังกวาดดูความเคลื่อนไหวในกดังเพราะใจยังหวาดหวาดอยู่จนกระทั่งแกถอยลงจากกวดังแล้วก็จึงดึงประตูทั้งสองบานปิดไว้อย่างเดิมมองซ้ายมองขวาอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเดินกลับกุติเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วก็กลับกุติทันทีรุ่งขึ้นหลังจากทําวัดเสร็จ เนนก็ยืนรีๆรอๆจนกระทั่งพระท่านกลับกุฏิกันหมดแล้วจึงเดินไปที่โกดังอีกครั้งหนึ่งมองไพ่บนหลังหีบศพบ่าเห็นมีไพ่ใบหนึ่งหงายขึ้นมาไพ่ตัวนั้นเขาเรียกอั้งเผาอ่าเนนก็จัดแจงยัดไพ่ลงในกระเป๋าอังสาแล้วก็เดินลงจากโกดังปิดประตูเสร็จเหลี๋ยวซ้ายแหลวขวาเห็นว่าปลอดภัยก็เดินกลับกุฏิตอนสายเจ็คี้คนเขียนโพยไปที่วัดอ่าเนนก็บอกกับเจ็คี้ว่าฝากซื้ออั้งเผา ห้าสิบตังน่ะสมัยนั้นนะเงินสมัยนั้นเจ๊กี้ก็เขียนใส่สมุด ต, ตกตอนบ่ายเจ๊กี้ใบหน้ายิ้มย่องผ่องใสามาหาอ่าเนนก็รู้ทันทีว่าจะต้องถูกหัวอย่างแน่นอนยิงดังคาดลนะ้วเจ๊กี้จัดการควักเงินออกมานในถุงให้ห้าบาทพร้อมกับพูดว่าหวยของเนนนะ่ะแม่นจริงๆรน่ะเนนได้เงินห้าบาทดีใจมากนึกไม่ถึงว่าผีจะให้หวยแม่น แต่หลังจากที่แทงถูกวันนั้นแกก็ต้องคอยหลบหน้าคนเพราะว่าแจ็คฮีเป็นต้นเหตุที่เอาไปบอกใครต่อใครว่าเนนให้หวยแม่นก็เลยมีคนมาตื้อขอหวยกับเนนเสมอจนกระทั่งต้องคอยหลบหน้าเพราะกลัวว่าท้าเรื่องนี้รู้ถึงหูหลวงพ่อเนี่ยก็คงจะไม่แคล้วต้องนั่งฟังเทศการใหญ่จนหูระบมอย่างแน่นอนละครับ ในสมนี่เป็นลูกกําพา้ะแม่ตายพ่อหนีไปบวชทางภาคอีสานแล้วก็ขาดการติดต่อในสมกับพี่สาวก็เลยอยู่ในความดูแลของคุณตาเมื่อคุณตาเสียชีวิตในสมก็อยู่ในความดูแลของนานาได้รวบรวมทรัพย์สินของคุณพ่อคุณแม่และคุณตาออกขายได้เงินสดมามากพอสมควรก็นำมาซื้อที่นาจำนวนเจ็ดสิบไร่แล้วก็แบ่งออกเป็นส่วนส่วน พี่สาวได้คนละยี่สิบห้าไร่ส่วนนายสมได้ยี่สิบไร่แกก็ใช้ชีวิตแบบลอยชายเรียกว่าไม่เดือร้อนไม่ใส่ใจในการศึกษาเท่าไหร่นักจนวันหนึ่งนาก็เรียกเขาไปพบแกนี่มานเะตาดเที่ยวนะทเที่ยวเตรยอย่างเดียวเลยการเรียนก็ไม่ดีหากปล่อยอย่างเงี้ยต่อไปแกคงจะเสียคนเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีมีแต่พี่สาวกับพวกชันคอยดูแลแกบวชเนนดีกว่าแล้วก็เรียนบาลีไปพร้อมกับทางโลก วาสนาบารมีดีก็จะได้เป็นมหาป ร, รียญไปสอบเทียบทางโลกเอาหากผ้าเหลืองไม่ร้อนก็บวชไปเป็นสมภารเลยที่นาแกก็ไม่ต้องห่วงให้หนังสีพี่สาวเช่าทำไรายได้แกก็เอาไปไว้ใช้ในการเรียนการศึกษาบาลีไปไเรื่อยๆจนกว่าจะสำเร็จแกไปคิดดูให้ดีนะถ้าหากแกยังทำตัวอย่างนี้แกจะหาดีไม่ได้หรอกในสมก็มาคิดว่าก็ดีเหมือนกันเพราะว่าบวชแล้วก็จะได้เรียนแล้วก็มีผู้เคารพนับถือ เรื่องศึกก็ค่อยว่ากันใหม่หมดว่าสนากับผ้าเหลืองก็ออกไปเป็นคารวะ ส, สามวันต่อมาในสมก็ไปบอกกันนาว่าตกลงบวชนากับพี่สาวก็ช่วยกันหาบริขารจนครบนำไปให้อุปชาบวชเนนให้จนสำเร็จในสมเดินเข้าสู่เส้นทางธรรมตั้งแต่บัดนั้นออกเดินตามท่านมหาออกบินทบาตโปรดสัตยญาโยมที่ใส่บาตรเขาก็พากันสาธุบอกโอ้ไม่นึกเลยว่าคุณจะบวชเป็นเนนได้ไม่นึกจริง ครบหนึ่งพรรษาท่านจะอาวาดก็เรียกไปพบบอกว่าได้ฝากไปจําวัดอยู่กับท่านจะเอาวาดวัดหนึ่งเป็นวัดอยู่ในสวนเงียบสงบดีกุฏิที่อยู่เป็นหลังสุดท้ายในเขตสังขาวาดัดถัดออกไปเป็นบ้านร้างแล้วก็สวนห่างออกไปสักยี่สิบเมตรท่านมหาที่พามาก็บอกว่าเ อ, อเน้นอยู่เนี่ยนะอยู่องค์เดียวเลยกุฏิกว้างขวา ง, วางทำพรมสะอาดให้แล้วเออ่หน้าต่างด้านที่หันไปทางบ้านร้างอย่าไปเปิดนะ เพราะว่ามีอีกหลายบ้านที่รับลมได้ก็รับปากท่านมาหาเพื่อให้ท่านสบายใจเออมีอย่างที่ไหนกุฏิของเราจะมาให้ปิดโน่นปิดนี่เออเป็นไปไม่ได้หรอกพอท่านมาหาไปแล้วก็เดินไปเปิดหน้าต่างมองไปทางบ้านร้างก็ไม่เห็นมีอะไรบ้านร้างมันก็คือไม่มีคนอยู่มันก็รกรุงรังตามสภาพของมันนั่นแหละค่าวันนั้นเวลาสักทุ่มเสร็จส่งน้ําแล้วจะกลับขึ้นกุฏิ มองไปทางบ้านร้างก็เห็นผู้หญิงเดินมาก็ไม่ได้สนใจก็เดินขึ้นกุฏิมองออกไปทางหน้าต่างก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเดินขึ้นบันไดไปบนบ้านเออคงจะมีคนมาอยู่ตอนกลางคืนนะก็ช่างประไรไม่ใช่เรื่องของเราพระอุปชาคเคยบอกว่าศีลสิบของเรานะหากรักษาให้ดีแล้วก็แผ่ให้ใครก็ได้ไปอยู่ที่ไหนส่วนมูลทําวัดแล้วก็แผ่เมตตาออกไปให้ทั่วอย่าลืมสละเนรว่างอัน เนีนสมก็กราบพระสวดมนต์ทำวัดแผ่เมตตาประมาณสามทุ่มก็ลุกขึ้นเดินไปปิดประตูหน้าต่างที่มองเห็นบ้านร้างสายตาก็เหลือบไปดูผู้หญิงที่เดินขึ้นไปบนบ้านมาตอนนี้ไปนั่งอยู่ที่ใต้ถุนบ้านนั่งเอาหลังพิงเสาทันเข่าก้มหน้าผมตกลงมาคลุมหน้าเหมือนกับกำลังอยู่ในความทุกข์ก็งับบานหน้าต่างปิดเข้าที่ก่อนจะเดินมาจําวัด นานแค่ไหนก็ไม่รู้แต่มาตื่นเมื่อมีเสียงคนตบหน้าต่างทางด้านบ้านร้างเนี่ยดังตึงต้งตึง้งเนี่ยสมก็ตื่นจากจำวัดเดินไปเปิดหน้าต่างคิดว่ามีใครเอาก้อนอิดมาเก้ยงโผล่ไปตำรวจก็ไม่พบความผิดปกติอ่าก็จะปิดหน้าต่างก็ปรากฏเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังมาเข้าหูแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากงับหน้าต่างเดินกลับมาจำวัดพอล้มตัวลงนอนคราวนี้เสียงร้องไห้สอือกสืออื้นก็ดังแรงขึ้น จนเหมือนอยู่ในกุฏิเปิดมุ้งออกมาเปิดไฟก็ไม่เห็นมีอะไรเดินไปเปิดหน้าต่างออกไปดูเสียงดังมาจากบ้านร้างแต่ดังอยู่ภายในแน่นอนก็คิดว่าปัวเมียคงจะทะเลาะ ก, กันแล้วก็เลยร้องห่มร้องไห้ไม่ใช่กิจของสงฆ์จะไปยุ่งกับชาวบ้านครับเออกลับไปจําวัดจนเช้าออกบิณฑบาตอยากจะถามท่านมาหาที่เป็นพี่เลี้ยงหรือไม่ก็พระที่อยู่กันมาก่อนถึงบ้านร้างหลังนี้แต่ก็ไม่กล้ากลัวจะเป็นการประจานตัวเองว่าตาแหก ตอนบ่ายท่านจะเอาวาดก็ให้เนนมาตามไปพบพอไปถึงท่านก็ยิ้มให้แล้วก็เอ่ยถามตรงใจเป็นไงเนนห้องพักดีไหมยอยู่สบายดีใช่ไหมมาพักคืนแรกนี่อาจจะผิดที่ผิดทางไปหน่อยอะว่าจะถามท่านหรือว่าบอกท่านตรงๆก็เกรงว่าท่านจะดุว่าเนนนี่เหลวไหลหรือว่าขี้ขาดก็เลยบอกท่านไปว่าก็นอนหลับห ล, ลับตื่นเตือนนะครับคงจะเป็นเพราะแปลกที่อย่างที่หลวงพ่อว่าแล้วครับ พอค่ำลงก็รีบทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็เข้าน อ, นอนแต่หัวค่ำอธิษฐานว่าด้วยศีลสิบที่เน้นต้องรักษาแล้วก็ขอให้สิ่งแปลกประหลาดอย่ามารบกวนเหมือนคืนที่แล้วเลยปรากฏวานอนหลับตลอดรุ่งแต่ว่าฝันประหลาดในฝันในบ้านร้างเป็นบ้านที่มีชีวิตมีสองสามีภรรยาครองรักอยู่ด้วยกันแต่แล้วผู้เป็นสามีไปได้ภรรยาน้อยแล้วก็หลงอะมากๆถึงกับขนของออกจากบ้านแล้วไม่กลับมาอีกเลย เมียทนทุกทรมานอยู่คนเดียวก็เลยผูกคอตายในท่านั่งกับคื่อใต้ถุนบ้านนั่นเองทุกอย่างเกิดขึ้นต่อหน้าเหมือนยืนดูละครหรือดูหนังจนกระทั่งตกใจตื่นขึ้นทบทวนความฝันนะคำพระอุปชาว่าศีลสิบนี่ท่านเนีรักษาให้ดีนี่จะแผ่กุศลให้ใครก็ได้เขามาเข้าฝันก็น่าจะเป็นเพราะเราแผ่กุศลให้เขามอคืนก่อนเสียงนาฬิกาตีบอกเวลาตีสาม เนียนสมทบทวนเสร็จพอดีก็ออกจากมุง้งไปเปิดหน้าต่างออกสองบานมีกระแสลมประหลาดพุ่งมากระทบตัวเหมือนกับลมหนาวมันสถทานเข้าไปถึงหัวใจกลิน่นน้ำอบไทยและทูบกระแจระอยมากระทบจมูกแทบจะสำลักเพ่งสายตาไปที่ที่เคยเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งก้มหน้าก็ไม่เห็นอะไรแต่มีความรู้สึกบอกตัวเองว่ามีใครกาลังจ้องมองดูอย่างไม่ละสายตาทีเดียว วันนั้นออกบินธบารแล้วฉันเช้าเสร็จก็ไม่รอให้ท่านจะเอาว่าเรียกไปเมียงเมียงที่กุฏิของท่านเพราะเห็นท่านอยู่องค์เดียวก็เดินเข้าไปหน้ากุฏิกราบถวายสักการะรอให้ท่านเรียกเข้าไปหาพอท่านเรียกก็คลานเข้าไปท่านก็ถามบอกว่ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรอมาแต่เช้าเดียวคก็ผมมีเรื่องจะกราบเรียนเรื่องกุฏิที่ผมพักอยู่ครับจากนั้นก็เล่าให้ท่านจะอาวาดฟังทั้งหมด สีหน้าของท่านดูเคร่งเครียดฟังจบแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรลักษณะของท่านบอกว่ากําลังตัดสินใจจะทําอะไรสักอย่างที่สุดท่านก็หันกลับไปหยิบเปาสองสีน้ําตาลออกมาส่งให้แล้วก็บอกว่าเออเน้นร้องดูว่ามีอะไรที่เน้นจําได้บ้างเน้นสมก็หยิบซองมาแล้วก็เทภาพออกมาเพื่อคัดเลือกเป็นภาพงานมงคลสมรสขนาดโปสการ์ดมีรูปเจ้าสาวถ่ายเดียวอยู่ภาพหนึ่งเน้นสมเห็นแล้วสะดุง้งปล่อยรูปร่นจากพื้นเลย เป็นอะไรไปอาะเนนเออใช่ครับผู้หญิงคนเนี้ยคือคนที่ผมเห็นที่ใต้ถุนแล้วก็ในฝันด้วยเป็นคนคนเดียวกันแน่นอนครับท่านจาวาดก็บอกกับเนรสมว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงตามฝันเจ้าของบ้านร้างนะเขาผูกคอตายจริงกุฏิที่เนนอยู่นะ่ะไม่มีใครกล้าไปพักเพราะว่าถูกหลอกหลอนแบบสาหัสา ก, กันจนต้องปิดไว้ที่เปิดใหม่ก็เพราะว่าเนนมาอยู่ใหม่แล้วก็กุฏิอื่นก็เต็มหมดท่านเนนอยู่ไม่ได้จะให้ย้ายออกไป เนนสมก็กราบเรียนไปว่ากระผมไม่ย้ายหรอกขอรับ อ, อกระผมอยู่จนพอจะเรียนบาลีสําเร็จขอให้หลวงพ่ออย่าเป็นห่วงเลยครับเนนสมก็แผ่เมตตาไปยังดวงวิญญาณของผู้หญิงคลอรายทุกวันเธอก็ไม่เคยมารบวนเนนอีกเลยการเรียนของเนนก็ดีขึ้นทุกอย่างปลอดโปรง่งมีลาบลอยบ่อยๆกระทั่งอายุของเนนครบบวชทางหน้าแล้วก็พี่สาวก็พากันดีใจร่วมกันอุปสมบทให้เป็นพระภิกษุ ยังคงอยู่ที่กุฏิเก่าแล้วก็วัดเก่านั่นเองเน้นสมบวดพระได้ครบปีก็เกิดฝันประหลาดในฝันผู้หญิงคนนั้นมานั่งกราบแต่งตัวสวยใบยหน้าอิ่มเอิบเธอก็มาบอกว่าเออโยมพ้นทุกข์ได้ก็เพราะท่านแผ่กุศลให้ตลอดโยมถึงได้อาศัยบุญนั้นเพื่อเปลี่ยนภพภูมิโยมจะเปลี่ยนไปเกิดแล้วคงจะไม่ได้มานามัสการท่านอีกเมื่อท่านตื่นขึ้นขออนุโมทนากุศลให้กับโยมด้วย พระสมตื่นจากจำวัดก็แผ่เมตตาไปยังหญิงผู้น่าสงสารแล้วก็ลงท้ายในการแผ่ว่าออขอให้โยมจงไปเกิดในที่ที่ดีมีความสุขตามบุญกุศลที่ทำมาขอให้ตัดเวรได้ไม่ต้องไปผูกคอตายอีกพระสมเรียนจบเทียบกับทางโลกและสอบบรรจุเป็นข้าราชการจึงได้ลาศิกขาจากเพศสมณะมามีครอบครัวแล้วก็มักจะไปทำบุญที่วัดนั่นเป็นประจำ แม้ท่านเจ้าวาดจะมรณภาพไปแล้วก็ตามแน่นอนได้ถวายกองทุนการศึกษาสามเณรไว้ด้วยบ้านหลังนั้นผุพังไปตามกาลเวลาที่สุดก็ถูกรื้อทิ้งมีหลังใหม่มาปลูกแทนที่และความน่ากลัวก็หมดสิ้นไปตั้งแต่นั้นแหละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมเา็นจันยอดพบวันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ